แคบไม่ได้ตั้งใจที่จะบริกรรมคําใดคําหนึ่งทั้งที่จิตยังไม่พร้อมแต่เมื่อร่างกายมีความอ่อนมีความควรพร้อมแล้วเนี่ยไหจิตมันก็จะพร้อมเป็นสมาธิได้ง่ายเช่นกันเริ่มต้นที่จะเข้าสู่สมาธิจริงๆเนี่ยมันต้องมีเครื่องตึงจิตนะ ลักษณะของเครื่องตรึงจิตเนี่ยก็คือสิ่งที่จิตสามารถระลึกรู้ได้อยู่เรื่อยๆนะไม่ได้มีอาการที่ขาดหายไปไหนแหวงวินไปไหนน ะ, ะจิตที่อยู่กับเครื่องตรึงจิตที่ดีพอนะมันสามารถที่จะเป็นสมาธิได้อย่างรวดเร็วนะครับโดยไม่ต้องไปพยายามฝืนไม่ต้องไปพยายามสร้างความนิ่งแต่ าการรู้อยู่เรื่อยๆนั่นแหละมันจะสร้างความนิ่งสร้างความมั่นคงให้กับจิตใจไปเองแลนะสิ่งที่พระพุทธเจ้าขยันขยอเหลือเกินให้าชาวพุทธเนี่ยนะได้อาศัยเป็นเครื่องตรึงจิตก็คือลมหายใจที่อยู่ติดตัวเราเนี่ยแหละไม่ต้องลงทุนเพิ่มไม่ต้องไปห า, อ, าอะไรอุปกรณ์ที่ไหนมานะแต่อยู่ติดตัวเป็นของติดตัวเลย ม, มันอยู่ตลอด24ชั่วโมงเนี่ยนะเราจะเห็นหรือไม่เห็นเท่านั้นเองมันตอท่าอยู่แล้ววิธีที่จะดูลมหายใจไม่ใช่ไปพยายามที่จะบังคับให้ลมมันเข้าหรือลมมันออกนะแต่ว่าให้สังเกตว่าร่างกายเขาต้องการดึงลมเข้าแล้วหรือยังถ้าหากถึงเวลาที่ลมควรจะเข้าร่างกายเขาจะรายงานให้ใจทราบ ว่าเขาหิวลมหายใจนะมีอาการขาดลมหายใจตรงนั้นถ้าหากว่าเราลากลมเข้าสบายสบายไปจนสุดนะแล้วก็ระ บ, บายลมออกสบายสบายออกมาจนหมดนะก็จะรู้สึกว่าเราเป็นผู้ดูไม่ใช่ผู้บังคับลมหายใจเพราะอะไรเพราะว่าร่างกายเขาทําของเขาเองตามธรรมชาติฝ่ายจิตใจเนี่ยเป็นเพียงผู้สังเกตการเป็นเพียงผู้รู้ผู้ดูเฉยฉ เมื่อระบายลมหายใจออกไปจนหมดก็แค่สำรวจสังเกตเหมือนถามตัวเองว่าถึงเวลาที่ลมหายใจจะเข้าแล้วหรือยังบางคนเนี่ยพอระบายลมหายใจออกจนหมดนะมันรีบกระชากลมหายใจใหม่เข้าทันทีทั้งที่ไม่มีการสำรวจไม่มีการถามร่างกายเลยว่าพร้อมแล้วหรือยังอยากได้ลมหายใจใหม่แล้วหรือยัง เราจะพบว่าช่วงที่ขาดลมหายใจไปชั่วคราวเป็นช่วงที่จิตมีความนิ่งได้เพราะว่ากายสงบระงับไม่ได้มีอาการไหวติงไม่ได้มีอาการที่ขยับเคลื่อนไหวเพื่อให้ลมเข้าลมออกแบบปกตินะแต่เมื่อร่างกายหิวลมในระลอกต่อไปนะลากลมหายใจเข้ามามันก็จะเกิดความรู้สึกสดชื่นที่ได้ที่ที่ได้หายใจ นะไปเติมเต็มความหิวไปทำให้มันเกิดความรู้สึกอิ่มแต่พอมันอิ่มจนแน่นแล้วนะก็เกิดความอึดอัดแล้วก็พร้อมที่จะระบายลมหายใจออกมาพอเราระบายลมหายใจออกมามันก็จะมีความรู้สึกเหมือนกับคลายอาการอึดอัดคลายจากความทุกข์ไปอีกแบบหนึ่งเนะี่ยทั้งสุขทั้งทุกข์เนี่ยปรากฏอยู่ตลอดเวลานะที่ ในร่างกายเนี่ยแต่เราจะเห็นหรือไม่เห็นสังเกตรหรือไม่สังเกตอันนี้ก็คือนะวความต่างกันระหว่างคนที่จเจริญสติกับคนที่ไม่จเจริญสติพอลมหายใจมันเข้ามันออกตามจังหวะธรรมชาติแล้วมีจิตเข้าไปรับรู้อยู่นะ เห็นอยู่ก็จะเกิดความรู้สึกปลอดโปร่งขึ้นมาที่ปลอดโปร่งก็เพราะว่ามันไม่มีความอยากไม่ได้มีความอยากจะสงบไม่ได้มีความว้าวุ่นกระสับกระส่ายคิดไปข้างหน้าย้อนไปข้างหลังแต่ว่าอยู่กับปัจจุบันที่มันทีอยู่แล้วแค่ลมหายใจเข้าแค่ลมหายใจออกอย่างนี้นะเราสามารถเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของมัน เราสามารถเห็นถึงอนิจจลักษณะที่พระพุทธเจ้าท่านตรัส ช, ชี้ให้ดูขยันขยอนักขยันขยอหนาให้ดูดูซ้ำไปซ้ามาแค่นี้แหละนะแต่ไออาการซ้ำไปซ้ามาของลมหายใจเข้าออกเนี่ยมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ภายในใจนะใจเนี่ยมันสว่างขึ้นเรื่อยๆใจมันมีความปลอดโปร่งขึ้นเรื่อยๆ มันต้องการพึ่งพาอาศัยสิ่งภายนอกขึ้นเรื่อยๆนะ ม, มันมันไม่ต้องการพึ่งพาอาศัยสิ่งภ า, ภายนอกเหมือนปกติยิ่งคนที่เคยคิดฟุ้งซ้านย้อนไปข้างหลังหรือว่าหวังไปข้างหน้าเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยนะถ้าหากว่าล้มหายใจกลายเป็นสิ่งตรึงจิตแทนอดีตและอนาคตเนี่ยนะมันมีความสุขแตกต่างกันมากจิตมันจะเหมือนกับอยู่นิ่ง หยุดอยู่กับที่ไม่ไปไหนไม่เคลื่อนไปไหนแล้วมีความสว่างในความสว่างนั้นมีความรู้แจ้งว่าสิ่งในสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมหายไปดับไปเป็นธรรมดาด้วยความรับรู้ด้วยความอยู่กับที่นะอยู่กับปัจจุบันเนี่ยจิตแบบนั้นพร้อมที่จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่าง ที่มันปรากฏขึ้นจะในตัวก็ดีจะนอกตัวก็ดีตามความเป็นจริงไม่ใช่ตามอาการของใจที่อยากเราจะเห็นว่าบางลมหายใจเนี่ยมันเกิดความรู้สึกสุขสบายมีอาการผ่อนคลายมีอาการรีแลกซ์ทั้งกายทั้งใจเนี่ยมันรีแล x กซ์ไปหมดนะแต่เดี๋ยวๆดี๋ยวมันก็กลับมาตึงมันก็กลับมาตึงใหม่เคร่งใหม่ อย่างเท้าเนี่ยบางทีก็แสดงอาการให้เห็นอย่างมือบางทีก็มีอาการก ร, รมให้เห็นถ้าหากว่าเรารู้สึกเข้าไปถึงกายไม่ว่าจะส่วนใดก็ตามที่มันเกร็งกลับเกร็งขึ้นมาใหม่นะก็ให้ผ่อนคลายซะนั่นก็คือการเห็นอ น, นิจจังเช่นกันเห็นอ น, นิจจังของร่างกายที่มันสบายอยู่แล้วมันกลับเกร็งขึ้นมาใหม่หรือลมหายใจก็ตามบางทีมันก็เหมือนกับจะเข้ายาวได้บางทีมันก็เข้าแค่สั้น แต่บางครั้งนะมันก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าลมหายใจหายไปทิ้งช่วงไปนานไม่ว่าจะมีปรากฏการอะไรก็แล้วแต่อย่าเห็นเป็นของแปลกแต่ให้เห็นเป็นของจริงที่กำลังแสดงอยู่ต่อหน้าต่อตาเนี่ยว่ามันไม่เที่ยงทั้งนั้นบางทีจิตใจของเราเนี่ยก็เกิดความสงบตามอาการสบายของร่างกายแต่บางครั้งมันก็เกิดความฝุงฟ้านรู้สึกอึอดอัดขึ้นมาได้ใหม อาการต่างๆทั้งกายและใจนี้นะมันมาเพื่อให้เห็นไม่ใช่มาเพื่อให้ยึดถ้าหากว่าทั้งหลายทั้งปวงมาเพื่อให้ใจเห็นใจก็จะเห็นจริงมากขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้ามาเพื่อให้ยึดใจก็จะยึดผิดขึ้นเรื่อยๆเช่นกันยึดว่ามันจะต้องเป็นตัวเรายึดมันต้องต้องต้องเป็นของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะดีๆเนี่ยต้องเป็นเราเท่านั้นต้องเป็นของของเราเท่านั้น แต่ถ้าภาวะไหนไม่ดีมันปฏิเสธหมดนี่เรียกว่าเป็นผลสะท้อนของอาการยึดแต่ถ้าหากว่าเราอยู่ในอาการเห็นจิตเข้าโหมดเห็นเข้าโหมดรู้ไม่ว่าจะเกิดภาวะอะไรขึ้นมามันไม่ยึดไปหมดมันเห็นไปหมดแม้กระทั่งภาวะฝุ้งซ่านที่ดูไม่ดีที่ดูไม่น่าเอามันก็รู้สึกเหมือนกับเฉยเฉยเออมันก็แย่ของมันแปบ๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็ดีใหม่ มันไม่เกี่ยวกับเราเพราะมันไม่มีตัวเราตั้งแต่ต้นด้วยความรับรู้อย่างนี้นะมันจะเกิดสมาธิขึ้นอีกแบบหนึง่งไม่ใช่สมาธิที่เป็นความสงบไม่ใช่สมาธิที่เอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเครื่องตั้งของการรับรู้อย่างเดียวแต่เอาทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏในเวลาปัจจุบันเนี่ยมาเป็นอารมณ์สมาธิ อารม์สมาธิที่ดีที่สุดในโลกนะพระพุทธเจ้าประกาศไว้ก็คือสิ่งที่มันแสดงความไม่เที่ยงให้จิตเห็นอะไรก็แล้วแต่แสดงความไม่เที่ยงอยู่อะไรนั้นเนี่ยน่าสนใจที่สุดเพราะว่ายิ่งสนใจมากขึ้นเท่าไหร่จิตยิ่งเป็นสมาธิแบบที่เรียกว่าสัมมาสมาธิมากขึ้นเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าเราสนใจ อยู่แต่อะไรดีๆแล้วก็จะตั้งหน้าตั้งตายึดเอาหวังเอาในแบบนั้นเนี่ยต่อให้เป็นสมาธินะั้นมันก็เป็นสมาธิที่เรียกกันว่ามิจฉาสมาธิคือมิจฉาสมาธิเนี่ยมีหลายระดับเลยนะมิจฉาสมาธิขั้นรุนแรงในแบบที่จะทำให้เกิดความเห็นผิดเห็นกงจักเป็นดอกบัวกับมิจฉาสมาธิในแบบที่คนทั่วๆไปก็ทำากันคือรู้สึกว่าความสงบเป็นของดี ความนิ่งเป็นของดีน่ายึดน่าเอาแต่ถ้าสัมมาส ม, มาธิเนี่ยมันมีความเป็นปกติคงเส้นคงวายอยู่ในอาการเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมดับลงเป็นธรรมดาและในที่สุดเนี่ยพอเราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างโดยความเป็นของที่เกิดขึ้นแล้วต้องดับลงเป็นธรรมดาเนี่ยนะทั้งหลายทั้งปวงโลกทั้งโลกก็จะปรากฏเป็นของว่าง พอโลกปรากฏเป็นของว่างใจเหมือนก็ว่างว่างจากอาการยึด ว, ว่างจากอาการหวังว่างจากอาการที่มีความผิดปกติใดๆทั้งปวงนั่นแหละที่จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการของการทิ้งเหตุแห่งทุกข์ด้วยใจที่มันมีความสะอาดมีความเบามีความสบายไม่หวังไม่อยากแต่แค่รู้แค่ยอมรับ อยู่แต่สภาวะตรงหน้าที่มันกำลังแสดงความไม่เที่ยงอยู่ตัวนี้แหละที่เขาเอามักเอาผลกันมันไม่ใช่ตัวอื่นที่จะลุกขึ้นมา น, นึกอยากทำสมาธินึกอยากทำวิปัสสนาก็อยากได้มักผลทันทีมันไม่ใช่แบบนั้นนะอาการที่ยังหวัอยากยังหวังยังเปรียบเทียบกับคนอื่นเทียบเขาเทียบเราเขาได้เราไม่ได้ เขาดีเราไม่ดีนะหรือว่าเราดีกว่าเขาเราเหนือกว่าเขาเราใกล้มักใกล้ผลแล้วอาการพวกนี้เนี่ยเป็นอาการของจิตที่หลอกตัวเองหรือไม่ก็ถูกสภาวะบางอย่างหลอกไปให้หลงนะว่ามีตั ว, ม, ตวมีตนอะไรบางอย่างกำลังจะได้มักได้ผลการได้มักได้ผลที่แท้จริงเนี่ยมันคืออาการที่จิตมันทิ้งจากทิ้งอุปท า, านทิ้งความยึดมั่นถือมั่น ถ้าหากว่าเราได้ตัวอย่างความเห็นตามจริงรู้ตามจริงสะอาดจากอุบทานชั่วคราวนะจากการฝึกอาณาปานสติอย่างถูกต้องที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เนี่ยเราก็จะเข้าใจเราจะเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิอยู่บนเส้นทางของการเป็นชาวพุทธที่แท้จริงนะครับก็หลายคน ตอนเช้าเนี่ยดีเพราะว่าจิตยังมีความยังไม่เหนื่อยนะฮะยังยังไม่ได้ไปสู้รบกับงานยังไม่ได้มีความฟาุ้งซ่านไม่ได้มีคลื่นรบกวนอะไรมากถ้าหากว่านึกในใจนะหลายคนชอบมาบอกบอกเอ๊ะทำไมนั่งสมาธิในห้องนี้มันมันเวิร์นะแต่กลับไปที่บ้านมันไม่เวิร์กแล้ว ก็ขอให้ลองดูว่าเรานั่งเวลาไหนนะอาจจะมันสภาพร่างกายมันยอบแยบเต็มทีกลับมาสี่ทุ่มห้าทุ่มก็บอกว่าขอนั่งสมาธิสินาทีอย่าให้ได้แบบนี้จยให้เหมือนเดิมเนี่ยนะแบบนั้นมันก็บางทีเหมือนกับเราไปสร้างพายุไว้มากมายนะเสร็จล้วก็จะไปฝากไปด้วยความหวังว่าท้องฟ้ามันจะโลง่งแต่ถ้าลองย้ายเวลาดูนะเปลี่ยน เปลี่ยนเวลาตื่นนอนให้เร็วขึ้นสักสิบห้านาทีแล้วลองมานั่งแบบนี้ในลักษณะนี้นะลองดูมันมันจะเห็นผลต่างนะมันจะมีความต่างอย่างชัดเจนทีเดียวแล้วถ้าใครจำไม่ได้นะว่าเริ่มต้นต้องทำอย่างไรไล่สํารวจสังเกตฝ่าเท้าฝ่ามือใบหน้ามาอย่างไรเนี่ยนะผมเอาไฟเสียงที่คล้ายๆกับพูดไกด์ไว้เนี่ยไปไว้ที่ c าวดังนะเอาละครับเรามาเข้าสู่กันเสวนากันเลยเริ่มต้นจากคำถามแรกเลยครับคับก็เพิ่งมาส่งพี่ได้ไม่นานนะคะแล้วก็เริ่มเห็นว่าตอนที่เป็นคนดูเนี่ยคือเมื่อก่อนจะฝึกว่ากลัวว่าไม่ได้ดูตอนที่ตัวเองจะเหมือนกับรู้ว่าคิด แล้วก็ปล่อยแป๊บหนึ่งให้จิตไหนไปเรื่องอื่นแล้วคิดแล้วพี่ก็บอกว่าตอนที่ขยับย้ายเจ็จากเรื่องนึงไปอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยมันจะหลุดแล้วจำได้จำได้เออแล้วเสร็จแล้วเนี่ยอยากรู้ว่าพอตอนนี้พอเริ่มทําแล้วว่าก็คือพอเห็ น, น, นตัวกระโดเออแล้วแต่พอมันจะเห็นความคิดว่าพอจะไปเรื่องเนี้ยมันหยุดมันก็เลยไม่ได้ไปคิดเรื่องนั้นต่ออย่างงี้ได้ไหมหรือว่าอีกสักพักก็ปล่อยไปคือน้องอย่าไปออล็อกหรือเจาะจงนะว่า เราต้องทํำยังไงเราเกิดอผลยังไงแล้วผิดหรือถูกนะแต่ให้ดูที่ใจเนี่ยตอนนี้ยใจมันนิ่งขึ้นเห็นไหมนิ่งขึ้นเหมือนกับว่าเอ๊ะมันต่างทําไมมันต่างมันเป็นคนละคนได้แค่ไม่กี่วันน ะ, ะเหตุผลเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเดิมเนี่ยเราเป็นคนกลัวจะไม่ได้กลัวจะไม่ได้นั่นกลัวจะไม่ได้นี่นะ ทั้งทางโลก ท, งทางธรรมพอทางโล ก, น เ, ก เ, เ, เนี่ยเราก็คว้าเอาคว้าเอานอยากได้นั่นอยากได้นี่มันมีอาการวิ่งเต้นมาตลอดอยังไม่หยุดเรื่องหนึง่งมันอยากได้อีกเรื่องหนึ่งแล้วเพราะว่าของเราจะเป็นคนที่เป็นห่วงห่วงว่าอนาคตจะอย่างนั้นห่วงว่าอนาคตจะอย่างนี้เพราะงั้นเนี่ยเราต้องการ Security เราต้องการอะไรที่มันรู้สึกเซฟ มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้มันก็เลยวิ่งไม่หยุดทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยชีวิตสอนให้เราเห็นว่ายิ่งวิ่งเนี่ยมันมันยิ่งไม่เซฟยิ่งดิ้นยิ่งเต้นไปเท่าไหร่เนี่ยมันก็ไม่เคยไปถึงความรู้สึกอบอุ่นหรือปลอดภัยสักทีมีแต่อาการเหนื่อยของเราเนี่ยถ้าถ้าไม่เหนื่อยไม่มาตรงนี้หรอกมันมันรู้สึกเหี่ยวแห้งอยู่ในใจว่าคว้าอะไรมันก็ไม่ไม่ได้สักทีจับอะไรมันก็ไม่อยู่สักที มันลื่นไหลไปหมดแล้วเราก็มีความรู้สึกเป็นทุกข์นี้พอเราได้ศึกษาได้เข้าใจว่าเออทั้งหลทั้งปวงเนี้ยมันอยู่ที่ใจมัวแต่ไปหลงมัวแต่ไปยึดมัวแต่ไปวิ่งตามวิ่งตมวิ่งไล่ตามเงาแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันมันหายเหนื่อยมันสบายขึ้นนี้พอเราเข้าใจจริงๆว่าจะปฏิบัติจิตอย่างไรให้มันหยุด คือหยุดนี้ไม่ใช่อยู่ๆไปสั่งให้มันหยุดดื้อๆแต่เห็นว่าอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงในเราบ้างเห็นว่าอะไรที่มันเคลื่อนไหวให้ดูบ้างแล้วไม่ไปเต้นตามมันมันก็เกิดความรู้สึกนิ่งมันคือมันจุดเริ่มต้นเนี่ยมันจะมาจากตรงนี้ก่อนอย่างที่สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดความรู้สึกสว่างมันเกิดความรู้สึกระบายมีปิติน่าเราสึกว่าไอ้ตรงนี้หยุดได้ ไม่เห็นต้องทำอะไรมากไปกว่านี้นี่อย่างที่น้องถามว่ามันมีความคิดผุดขึ้นมายังไม่ทันกระโดดไปอีกเรื่องหนึง่งมันหยุดแล้วนี่มันผิดหรือเปล่าเพราะว่ามันมันผิดจากกติกาที่เราคุยกันวันก่อนเนี่ยนะมันก็เลยสงสัยอ้ยนนี้ตรงนี้จริงๆแล้วเป็นผลเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องอยู่แล้วนะถ้าเรารู้เข้ามาที่ใจ แล้วก็เกิดความรู้สึกสว่างที่ใจมันไม่พร้อมจะไปไหนอยู่แล้วมันพร้อมจะนิ่งอยู่กับที่อยู่แล้วอันนี้ประเด็นคือว่าต่อไปเมื่อเกิดอาการอยากวิ่งเต้นอีกอยากกระโจนเข้าไปยึดโน้นยึดนี่กระโดดจากเรื่องโน้นเรื่องนี้อีกเราแค่รู้ว่าเออเนี่ยเกิดอาการกระโดดขึ้นมาแต่ไม่ใช่เราไปเฝ้าสังเกตอยู่ว่ามันกระโดดจากเรื่องไหนไปเรื่องไหนเราเห็นเป็นจิตเลยเป็นอาการของจิตว่ากาลังจะกระโดด ออกอาการกระโดดหรือถ้าหากว่ามีอาการหยุดมีอาการสบายอยู่เราก็รู้ว่ามีอาการหยุดอยู่สบายอยู่มีอาการเหมือนกับจิตเนี่ยมันเปิดกว้างออกนะมันเหมือนกับเป็นอิสระมันเหมือนกับไม่ต้องทำอะไรแบบเก่าๆแค่เปรียบเทียบระหว่างสภาวะของจิตทั้งสองแบบเนี่ยไปเรื่อยๆนะตอนนี้มันหยุดตอนนี้มันอยากดิ้นขึ้นมาใหม่ ตอนนี้มันอยากวิ่งไปข้างหน้าตอนนี้มันอยากยึดเอาอยากยึดน้อนอยากยึดนี่ตามนิสัยความเคยชิ น, นเดิมของจิตนะเราก็แค่ยอมรับไปว่ามันเกิดขึ้นคืออย่าไปคาดหวังนะว่าจิตแบบนี้เนี่ยจิตดีๆแบบนี้มันจะอยู่กับเราตลอดไปถ้าคาดหวังเมื่อไหร่เผลอไปคาดหวังว่าจิตดีๆเนี่ยจงเป็นของเราจิตดีๆจงอยู่กับเราตลอดไปเกิดขึ้นอย่างนี้ไม่มทีที่สิ้นสุดเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันคือความยึดไว้ผิดๆแล้ว ถ้าพอยึดไว้ผิดๆเนี่ยสิ่งที่จะตามมามันไม่ใช่ความสุขแต่มันเป็นความทุกข์ความกระวนกระวายแบบเดิมๆ ย, ยกให้มันเอียงแบบนี้อโอเคเพิ่งมาครั้งแรกนะครับ <c oughs> <c oughs> ปกติก็ไม่ค่อยได้นั่งเท่าไหร่ครับปกติชอบเดิน จงกรมมากกว่าอันนี้ก็นานๆมานั่งทีก็รู้สึกดีครับก็อยากให้คุณดังตินเมื่อครู่นี้มีความรู้ถึงลมหายใจตามที่มันปรากฏขึ้นตามจริงก็จริงนะแต่ว่าใจเนี่ยมันไม่หยุดมันเหมือนกับมีอาการคล้ายๆรู้สึกว่าไม่พร้อมรู้สึกว่าไม่พอรู้สึกว่ามัน มีความเคยชินที่จะออกมาจากสมาธิมากกว่าที่จะอยู่กับสมาธินี้ลองดูไปเรื่อยๆว่ามันมีประโยชน์ยังไงเวลาทีเ่เราเคยชินกับการเห็นว่าเดี๋ยวลมหายใจก็เข้าเดี๋ยวลมหายใจก็ออกเนี่ยนะมันเหมือนได้เครื่องปฏิบัติได้เครื่องมือเอาไว้ดูตลอดเวลา24ชั่วโมง point ของการที่ เราจะได้เครื่องฝึกปฏิบัติหรือว่าเครื่องระลึกเนี่ยมันมันคล้ายๆกับเราเกาะนะบางทีอารมณ์ของเราอย่างระหว่างวันเนี่ยบางทีเราก็สงบบางทีเราก็ฟุ้งซ่านคือมันฟุ้งจัดอยู่ข้างในมันมีอาการเหมือนอย่างอย่างของเราเนี่ยคือจะเป็นอาการแน่นๆคือฟุงฟ้งแบบแน่นๆน่ยคือฟุ้งฟในลักษณะรู้สึกอึดอัด รู้สึกว่ามันมันแตกต่างจากตอนที่เดินจงกลมได้สบายสบา ย, บายนะลักษณะของความฟุง้งซ่านแบบนั้นมันเกิดจากการที่ข้างในเนี่ยมันมีความกระแสความขัดแย้งอยู่ระหว่างคลื่นความคิดแบบเกา่าแบบที <S <S เ่เดี๋ยวเดี๋ยวปิดปิดปิดปิดก่อนก็ได้โอเคแบบที่มัน อยากได้อะไรก็ไม่รู้คือบางทีนะเราจะมีความสึกอึดอัดอยู่ข้างในเพราะเพราะมีความทยานแบบหนึ่งมันมันเหมือนกับอยากได้อะไรก็ไม่รู้เป็นเป็นสิ่งที่ใจหนึ่งมันมันเหมือนกับเร่งเร่งอะ่ะเร่งอยากได้แต่อีกใจหนึ่งมันอยากผ่อนพักอยากสบายอยากจะอยากจะวาง พอเดี๋ยวพอจะเข้าใจไหมว่าอาการตรงนี้เป็นไงยังระหว่างวันเนี่ยบางทีมันรู้สึกเหมือนกับมีอาการเร่งเร่งขึ้นมาเฉยเฉยเข้าใจตรงนี้ไหมคือคล้ายๆลพุ้งพุ้งในแบบหนึ่งอยากได้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยคือมันไม่ได้มีเป้าหมายที่ชัดเจนเหมือนกับเหมือนกับมันมันปั่นป่วนขึ้นมาเฉยเฉแต่ใจของเราเนี่ยเวลาที่ปฏิบัติเวลาที่เข้าทางเดินจงกรมอะไรเนี่ยหรือว่าอยากจะออกไปสถานที่ปฏิบัติไกลๆอะไรอย่างเงี้ย บางทีมันมีความผ่อนคลายมันมีความรู้สึกว่าวางได้นะปลอดโปร่งได้โดยที่ยังไม่ต้องทำสมาธิยังไม่ต้องทำอะไรมากเนี่ยมันมันจะมีกระแสะความขัดแย้งกันอยู่ตรงนี้ซึ่งถ้าหากว่าเราทำสมาธิบ่อยๆมีลมหายใจเป็นตัวเป็นตัวช่วยแบ่งคือไม่ใช่ตัวช่วยตรึงให้จิตมันนิ่งอย่างเดียวนะแต่เป็นตัวช่วยแบ่งว่า ณเวลานี้วินาทีนี้เรากําลังมีอาการปนๆอยู่มีความพุ้งแบบหนึง่งที่มองมองดูแล้วไม่เห็นว่าเราต้องการอะไรกันแน่การอีกลมหายใจหนึง่งนะลมหายใจต่อมาไอกระแสะความรู้สึกอึดอัดกระแสะความรู้สึกเหมือนกับวิ่งเต้นอยู่ข้างในเนี่ยมันคลายตัวลงมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันคลายคลายๆอย่างเงี้ยแต่ว่ามันคลายแป๊บหนึง่งแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่ น้องเข้าใจใช่ไหมคือคือมันมีอาการเหมือนกับอยู่ๆมันมีความรู้สึกเยอะๆขึ้นมาตรงกลางๆเนี่ยคือหัวบางทีมันไม่ได้คิดถึงอะไรนะไม่ได้อยากได้อะไรเป็นพิเศษแต่มันเหมือนกับมีอาการวิ่งมีอาการวิ่งเต้นมันมันอัดอั้นอะไรอ่ะมันเหมือนอัดอั้นอะไรแต่เราไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรเนี่ยคือเป็นเพราะว่าความมันสะสมความอยากที่ขัดแย้งกันมาเยอะ อ๋เอาเฉพาะที่ผมเห็นเนี่ยนะก็คือเหมือนกับเราเคยอยากได้แล้วไม่ไม่ได้อะไรเงี้ยตั้งตั้งแต่ตั้งคือเราเป็นคนอยากได้เนี่ยตอนเด็กๆ เ, เนี่ยอยากได้เนี่ยมันจะอยากได้แรงแล้วบางสิ่งบางอย่างไม่ได้อย่างเงี้ยมันมันยังมีความเก็บอัดอยู่มันยังมีความรู้สึก อ, อยังไม่สมใจอยู่แล้วก็โตขึ้นมาเรื่อยๆมันจะ ม, ม, จะมีมันจะมีลักษณะแบบนั้นนะ่นะคือไอสิ่งที่ บ า, บางสิ่งบางอย่างเราไม่ได้ต้องการมันมาเองคือคนอื่นเขาอยากได้กันเราไม่ได้อยากได้แต่เราได้แต่สิ่งที่เราอยากได้บางทีมันไม่ได้มันก็เลยขัดแย้งคือคื อ, ค, อคือเข้าใจพ้อยไหมคนที่ไม่ไ ม, ไม่ไม่สมหวังในสิ่งที่อยากได้จริงๆแต่กลับไปได้ในสิ่งที่มันไม่ได้อยากคือมันจะยื้อกันมันมีความรู้สึกเหมือนกับขัดแยง้งอยู่ข้างใน แล้วพอมันเก็บอัดเก็บอัดเข้ามาเนี่ยก็เกิดเป็นความอึดอัดอยู่แบบลืมคนที่ลืมไปแล้วว่าเมื่อตัวเองอยากได้อะไรบ้างและอย่างตอนเนี้สิ่งที่เราอยากได้จริงๆมันยังไม่ชัดเจนคืออย่างพอมนศึกษาธรรมะเนี่ยโอเคเกิดวูบหนึ่งอยากได้ความเป็นอิสระอยากได้มรรคผลอยากได้ความสิ้นทุกข์อะไรก็แล้วแต่ที่มันจะเป็นจุดหมายสูงสุด แต่อีกทางหนึ่งมันรู้สึกเหมือนยังไม่อิ่มเหมือนยังไม่พอเหมือนยังไม่จบเหมือนกับตกลงกับตัวเองไม่ได้ว่าเราอยากได้อะไรกันแน่ระหว่างทิ้งทิ้งไปกับยึดไวอ่ะเพราะอย่างน้อยโอเคเขียนที่มาที่ไปว่ามันเกิดความรู้สึกอัดอั้นอยู่ข้างในด้วยเหตุผลอะไรบ้างนะมันมีทั้งที่แบบอัดอัดมาแล้วก็ทั้งที่มันกําลังปรากฏอยู่ในปัจจุบันแต่ point ที่เราจะรับรู้มันไม่ใช่เหตุผลทั้งหมดเพราะรายละเอียดมันเยอะเกินไปเราแค่สังเกตให้เห็นคือจำให้ได้ว่าการอึดอัดว่าการที่มันเหมือนวิ่งวิ่งเหมือนอยากได้แต่ไม่รู้ว่าอยากได้อะไรเนี้ยเกิดขึ้นที่ลมหายใจไหนพอเรารู้สึกถึงอาการแบบนี้อาการอัดอกที่ลมหายใจนั้นนะ ลมหายใจต่อมาสังเกตซ้ำเข้าไปอีกทีหนึ่งมันจะเกิดความรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงเนี่ยตอนนี้มันคลายออกมาแต่ไม่หมดนะเราเรารู้สึกถึงว่ามันมันคลายระดับอาการที่มันหนาแน่นที่มันอัดอัดแต่มันไม่หมดเราก็สังเกตไปว่าเนี่ยมันไม่หมดนี่อีกลมหายใจหนึ่งต่อมาเราดูซ้ำเข้าไปอีกดูซ้ำเข้าไปเรื่อยๆมันจะเห็นว่าเออบางทีมันก็คลายออกมานะแต่ไม่หมด แล้วบางทีมันก็คลายออกมาเกลี้ยงเลยนี่อย่างตอนนี้เกือบ เ, นะเกลี้ยงเห็นอาการเกือบเกลี้ยงั้มมันยังเหลืออีกนิดหนึ่งส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่ว่าเราพยายามไปทำให้มันหายไปคือเราแค่เห็นในแต่ละลมหายใจว่ามันต่างไปแค่ไหนเพราะภาวะนี้มันเกิดขึ้นบ่อยในเราภาวะไหนาเกิดขึ้นบ่อยแล้วเราใช้ภาวะนั้นในการฝึกดู เราจะได้ฝึกบ่อยมากเราจะเหมือนกับอยู่ในสนามจงกรมตลอดตลอดวันตลอดคืนคนอื่นเขาบอกว่าไม่มีเวลาปฏิบัติเรามีเวลาปฏิบัติตลอดเวลาที่ภาวะ บ, บ่อยๆเนี่ยมันมาเกิดซ้ําให้เห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกนี่อย่างตอนเนี้ยพอมันรู้สึกเหมือนครึ่งๆกลางๆคือจะรู้ก็ไม่ใช่จะไม่รู้ก็ไม่เชิงเนี่ยนะเราก็เหมือนกับแค่ถามตัวเองอ่ะ หายใจเข้าหรือหายใจออกอยู่แล้วในอาการหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยมีอาการอัดๆ อ, อยู่ข้างในหรือเปล่าคือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ตอบพี่นะคือคือเหมือนกับเราไม่ต้องคิดไอ้นี่เมื่อกี้มันมันเหมือนคิดมากเกินไปสังเกตเข้าไปมากเกินไปมันมันมีอาการนึกภาพแต่เวลาที่เราจ ะ, จะเจริญสติจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่อาการนึกภาพ มันแค่นั่งอยู่แล้วรู้ว่าเนี่ยอยู่ในเิริยาบทนั่งแบบนี้ร็่แล้วในเิริยาบทนั่งแบบนี้เนี่ยที่หายใจเข้าหายใจออกอยู่มันมีความอึดอัดมากหรืออึดอัดน้อยเนี่ยตอนนี้มันมันมันเหมือนสว่างมีความสว่างขึ้นมาสว่างแบบออกมาจากความรู้สึกว่างๆคลายๆนะเห็นเห็นความสว่างไหมว่ามันหน้าตาเป็นยังไงมันออกมาจากความเบารู้สึกใช่ไหม เหมือนเหมือน อ, อย่างนี้แต่ถ้าเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะรู้สึกสว่างขึ้นเรื่อยๆคือไม่ใช่สว่างตลอดนะแต่หมายว่าสว่างมากสว่างน้อยแล้วก็สว่างบ่อยขึ้นยิ่งจิตมีอาการสว่างบ่อยขึ้นเท่าไหร่มันยิ่งมีแนวโน้มที่จะรู้ตามจริงมากขึ้นเท่านั้นเพราะจิตที่สว่างเนี่ยเป็น คุณสมบัติของจิตที่ประกอบด้วยปัญญาแบบผู้ิปัญญาคือมีความพร้อมที่จะเห็นในที่มืดปกติเนี่ยจิตคนเราเนี่ยนะถูกห่อคุ้มด้วยโมหะคือแม้กระทั่งรู้สึกสว่างอยู่เนี่ยมันก็ถูกห่อคุ้มด้วยโมหะนะแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดมันมีความพร้อมที่จะเห็นในที่มืดเหมือนกับเราถือไฟฉายไปเนี่ยถึงแม้ว่ายังถูกห่อคุ้มอยู่ด้วย ค่ำคืนนะที่มันไม่มีแสงดาวไม่มีแสงดวงจันทร์เนี่ยแต่ว่าเรามีไฟฉายพอที่จะเห็นไอสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอันนี้ก็เหมือนกันพอแสงสว่างมันมั น, ม, นมันมาขึ้นเรื่อยๆนะเราก็จะรู้สึกว่าไออาการยึดอาการที่มันมีอาการวิ่งวิ่งอัดอั้นโดยไม่รู้สาเหตุเนี่ยมันสามารถแสดงตัวคือคือมันถูกเห็นถูกรู้ได้ชัดขึ้นเรื่อยๆ แล้วเรามีกําลังใจแล้วจะมีแก่ใจเข้าไปสังเกตปกติน้องไม่ได้สังเกตตรงนี้ไงปกติเราจะไปพยายามที่จะเดินยงกลมแล้วก็รู้ตัวรู้สึกว่าเห็นร่างกายมันเดินไปประมาณเนี้ครับมันก็ฟุ้งเยอะเหมือนกันเวลาเดินจงกรมเนี่ยถ้าน้องอยากเลิกฟุ้งนะต่อไปเริ่มต้นจากการรู้เท้ากระทบ อย่าไปเริ่มต้นจากการรู้อาการเดินลองสังเกตเนะี่ยตอนรู้อาการเดินเนี่ยนะมันต้องพยายามประคองอาการนึกไปด้วยนึกจินตนาการแต่ถ้าเรารู้เท้ากระทบเนี่ยเท้ากระทบนั้นไม่ต้องไม่ต้องนึกมันรู้สึกขึ้นมาเองมันฟ้องอาการอยู่เองเนี่ที่เราเรียกว่าของจริงแล้วพอรู้เท้ากระทบไปนานๆเข้าเนี่ยศูนย์กลางการรับรู้อยู่ที่เท้ากระทบเนี่ยนะมันรู้ขึ้นมาทั้งตัวขึ้นมาเอง มันจะพร้อมที่จะเห็นว่าอาการทางจิตเนี่ยทำงานยังไง่ถ้าเดินแบบที่เราเดินเนี่ยมันฟุ้งไม่เลอกหรอกแล้วมันจะวนเวียนอยู่อย่างนั้นเป็น1ิบสิปีคื อ, อ, อหลักการเดินจยงกลมเนี่ยต่างคนก็ต่างบอกว่าตัวเองเดินกันยังไงแล้วก็สอนกันไปนะแต่อย่างที่ เราสามารถสำรวจดูเปรียบเทียบได้จริงๆเลยจากตัวเองก็คือว่าเดินแบบไหนเดินแล้วมันเกิดสติจริงๆเดินแบบไหนมันอยู่ในโหมดรู้จริงๆไม่ใช่อยู่ในโหมดคิดถ้าเดินโดยนึกอาการขยับของร่างกายไปเรื่อยๆเนี่ยนะมันอยู่ในโหมดนึกนึกไปตลอดนึกนึกนึกนึก แต่ถ้าเราใส่ใจว่าเท้ากระทบกำลังรู้สึกอยู่อย่างไรนะมันไม่ต้องไปเคนมันไม่ต้องไปพยายามที่จะทำให้เกิดอะไรขึ้นมันเกิดขึ้นอยู่แล้วภัสสะกระทบระหว่างเท้ากับพื้นเนี่ยลองไปทดลองดูทดลองทั้วันงวันเนี่ยมันมันไม่ต้องเสียอะไรอยู่แล้วนะที่ผ่านมาเนี่ยเราจะก้าวหน้าก้าวหลังยังไงมันสามารถที่จะรู้สึกได้ แต่พอไปลองดูใหม่นะเอาแค่เท้ากระทบอย่างเดียวเนี่ยแล้วคืบหน้ายังไงเนี่ยมันก็จะประจักษ์กระจยของเราเองเช่นกันนะขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะก็คือมีความรู้สึกว่าเราปฏิบัติถูกหรือเปล่าบางวันก็รู้สึกเหมือนจะตั้งใจเต็มที่บางวันก็จะรู้สึกไม่เอาแล้วไม่เอาอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะ ความรู้สึกถอดใจหรือว่าความรู้สึกเหนื่อยแล้วไม่อยากได้อะไรอีกแล้วเนี่ยนะมันไม่ใช่เป็นเครื่องวัดว่าเราปฏิบัติมาถูกหรือปฏิบัติมาผิดไอ้ตัวที่มันเกิดความขี้เกียจขึ้นมาเป็นพักๆหรือว่าเกิดอาการรู้สึกถอดใจไม่อยากเอาอะไรนะมันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนเป็นความรู้สึกขึ้นได้ที่ มันไม่จำเป็นต้องอาศัยว่าเราปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัตินะออขอให้มองอย่างนี้ก็แล้วกันว่าความรู้สึกอยากจะถอดใจเนี่ยบางทีมันมันเป็นอันเดียวกับที่เราเคยรู้สึกในการทำงานแบบโลกโลกหรือว่าตอนที่เราอยากได้อะไรแบบโลกโลกไม่แตกต่างกันนะพอเราเกิดความรู้สึกว่าไม่เห็นผลสักทีไปไม่ถึงที่หมายสักทีหรือว่า ทำแล้วมันจะต้องคอยไปเปรียบเทียบกับคนอื่นอยู่ร่ำไปมันจะเกิดความรู้สึกอึดอัดมันจะเกิดความรู้สึกว่ า, ามีมาะนะนะมานะในแบบที่คือมีมานะมีการเปรียบเทียบนะของเราเนี่ยคืออย่างหนึ่งมันเหมือนกับ เป็นคนที่คือโดยพื้นนิสัยเนี่ยมันเวลาตั้งใจเราจะตั้งใจจริงคือคือตั้งใจแรงมีความมีความตั้งใจสูงในความตั้งใจสูงถ้าหากว่ามันไม่ได้ผลสูงตามที่ เ, เราลงทุนลงแรงไว้ มันก็จะเกิดความเหนื่อยหน่ายนะคือคือมันจะมีมันมันจะไม่ค่อยแบบเป็นไปแบบทีละนิดทีละนิดแต่ว่ามันจะเป็นไปแบ บ, บ ป, ปุบปรับคือพอเบื่ออะไรก็รู้สึกอยู่ๆมันก็เบื่อเลยเบื่อแบบฉับพลันน่ยนะแล้ตรงนั้นเนี่ยแทนที่จะมาสงสัยว่าเกิดจากการปฏิบัติผิดหรือปฏิบัติถูกเ่ยนะเราเอาตรงนี้ดีกว่าว่ามันเกิดจาก เหตุปัจจัยอะไรกันแนะ่คือสำรวจไปที่นิสัยของเราจริงๆินิสัยทางใจไม่ใช่เอาเฉพาะนิสัยในการปฏิบัติธรรมนะีนิสัยทางใจของเราเนี่ยมันประมาณว่าคือเห็นใครโอ้อวดหรือว่าเห็นใครอว่าได้นนทนได้นี่แล้วจะหมันไส้ง่ายนะ แ, แบบนีแบบมันทำไมต้องเปรียบเทียบทาไมต้อง และของเราเนี่แบบไม่มันไม่ได้อย่างเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันเกิดความชาญหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะต้องมีชาแล้วถึงจะปฏิบัติได้ดีหรือเปล่าเพราะเราทําเราก็ไม่เห็นจะได้อะไรเหมือนที่คนอื่นเขาได้เลยอย่างเงี้ยยังเมื่อกี้ที่เราทําอ่ะที่ตอนที่พี่ไกด์ไปอ่ะแล้เรารู้สึกมันมันก็มีความสว่าง มันก็มีความรู้สึกสงบเหมือนกย่าคนอื่นเขาอนะะนรู้สึกดีอ่านั่นแหะน ะ, นะคือฌานเนี่ยมันไม่ได้ได้กันง่ายๆนะคนอยู่ในเมืองอะมันต้องมีจิตที่ไปคลุกกะกิเลสไปคลุกกะสิ่งร้าให้เต้นไปเต้นมาคนที่จะได้ฌานจริงๆเนี่ยคือต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ทําให้วอกแวกเลย อย่างคนที่อยู่ป่าอยู่เขาหรือไม่ก็คนที่อยู่ในเมืองแต่ว่าปฏิบัติมานานแล้วก็มีความมีชันทะทากันเป็นสิบสิบปีแต่บางทีที่มาโม้ออกไม้หรือว่ามาอะไรกันเนี่ยนะคือบางทีเข้าใจว่ได้ฌานเขาเข้าใจจริงๆว่าได้ฌานแต่จริงๆมันไม่ใช่ส่วนใหญ่คือคือที่พี่เจอมาเนี่ยคนคนที่อยู่ในเมืองหลวงแล้วได้ฌานเนี่ยมีจริง แต่หาได้น้อยมากส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เข้าใจว่าได้ฌานยกตัว อ, อย่างเช่นพอเกิดความนิ่งเกิดความสว่างขึ้นมาแล้วอยู่ในอาการฟลิสไปเฉยเฉยอ่ะเขานึกว่าได้ฌานแล้วฌานจริงๆเิงในจิตต้องใหญ่จิตต้องมีความหนักแน่นเป็นหนึ่งที่เรียกว่าเอกคตาคือมีอารมณ์ที่ใหญ่หลวงนะนมีความสว่างมีความรู้สึกเราบอก ว, ว่าจิตเนี่ยแผดจ้าเป็นพระอาทิตย์เลย นั่ก็ปิติหรือสุกเนี่ยมันต้องเนียนมันต้องอยู่นิ่งต่อเนื่องไม่มีช่วงขั้นเลยส่วนใหญ่เนี่ยคือมันจะได้กันแบบวูบ ว, ว, ว, วับนะได้กันแป๊บนึงนิดหนึง่งยังไม่ถึงอุปจารสมาธิได้ซ้ําแตำจะนึกว่าได้ฌานกันนี่อย่างเอาเป็นว่าเมื่อกี้พอเราปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมันเกิดความรู้สึกว่าไม่พอกแวกไม่กระวนกระวายไม่เปรียบเทียบคือ พี่จะเน้นว่าไม่มีใครทําถูกทาผิดหรือว่าทําอะไรได้ดีหรือไม่ดีแต่ขอให้ดูว่ากําลังเกิดภาวะอะไรขึ้นเวลาเปรียบเทียบเปรียบเทียบกับตัวเองว่าภาวะใดที่มันปรากฏขึ้นมาดีหรือไม่ดีนะมันมันแตกต่างกันยังไงสว่างหรือไม่สว่างอย่างเมื่อกี้รู้สึกโล่งรู้สึกสบายใจมันไม่ได้นึกอะไรอย่างอื่นไม่ได้นึกอะไรแบบที่เราชอบชอบมีอะนะไอตอนที่ จะคิดเล็กคิดน้อยนู่นนี่นั่นนะมันมันรู้สึกว่าทําไปอย่างนั้นทําไปด้วยทําไปตามที่พี่บอกที่พี่ไกลแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าเออมันจะต้องให้ได้อะไรมากไปกว่า น, นี้เอาแค่ตรงนั้นแหละเอาแค่ความพอใจตรงนั้นแหละเพราะฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่มันจะทําให้เราเกิดฉันทะฉันทะในการทําต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะเริ่มอะไรจากมันมันอาจจะเริ่มจากอะไรที่ เรารู้สึกว่าทำทาได้จริงๆเห็นได้จริงๆแล้วก็ไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะอีกอันหนึ่งคือว่าของเราเป็นประเภทเวลาคิดคิดหนักคือคิดจริงจังบางทีไม่ต้องพูดด้วยซ้ำแต่มันคิดราวกับคนที่พูดออกมาแล้ว พอจะนึกออกไหมอารมณ์มันเป็นยังไง ม, มันเหมือนกับว่าเปล่งมีการเปล่งเสียงอยู่ในหัวเรียบร้อยนะในตัวนี้เนี่ยจะว่าไปมันก็มีประโยชน์เหมือนกันในเชิงการเจริญสตินะเราสามารถเห็นได้ว่าคิดแบบไหนแล้วเกิดความรู้สึกเป็นลบขึ้นมาอย่างความรู้สึกที่เป็นลบเนี่ยมันจะเกิดความหมืดอัดมันจะเกิดความรู้สึกเหมือนมืดๆเหมือนเหมือนมีอาการที่คับคับอกคับใจอะ่ะ อ, อยากให้มันหายไปตัวอาการคับอกคับใจเนี่ยจริงๆแล้วอย่าเพิ่งให้มันหายไปก็ได้ยิ่งมันปรากฏชัดเท่าไหร่เรายิ่งเห็นตรงกับความเป็นจริงมากขึ้นเท่านั้นโดยไม่ต้องอาศัยความพยายามแม้แต่นิดเดียวเนี่ยอย่างพอพี่พูดถึงความบิดนาดขึ้นมาเรานึกออกเนี่ยพอมันปรากฏแว บ, บหนึ่งแล้วมันก็คลายออกตรงตรงที่มันคลายออกไปเนี่ย มันไม่ได้คลายเพราะว่าเราไปสั่งให้มันคลายหรือว่าอยากให้มันหายไปแต่มันคลายเพราะว่าเราเห็นมันด้วยอาการยอมรับคือที่ผ่านมามันไม่อยากยอมรับไงเราเป็นคนที่คล้ายๆอมทุกเนี่ใจมันอมทุกมันน่วงไว้เรากับ เ, เป็นความเคยชินมาตั้งแต่ไหนแต่ไรที่แบบนี่ถ้าเราไม่พอใจใครขึ้นมาน้อยใจแต่เอาละไม่ได่าไม่พูดก็ได้ ถ้เก็บไว้อย่างเงี้ยแล้วบางทีด่าก็ตุ้งแรงไปเลยอะไรอย่างนั้นนะมันมันจะเป็นพวกที่เป็นแต่มัดหนักปล่อยมัดหนักอย่างเดียวเบาๆไม่ค่อยชอบนะชอบชอบเล่นทีเดียวหนักแบบน็อกไปเลยอะไรแบบนั้นนะนะซึ่งลักษณะของจิตแบบนี้มันก็เป็นเนี่ยนะใครทํากรรมไว้อย่างไรกรรมทางใจเป็นอย่างไรผลที่ได้รับก็เป็นอย่างนั้นนั่นคือความรู้สึกอึอดอัด เห็นไหมเราชอบอะไรหนักๆเนี่ยมันก็มันก็เวลากระถ ung กลั บ, บมันก็หนักเหมือนกันแล้วเราก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าบางบางเวลาเนี่ยคล้ายๆกับคนโดนชกเนี่ยมันเจ็บอยู่ๆเจ็บขึ้นมาเฉยๆทั้งที่ไม่ได้มีใครมาทําอะไรให้หนาเวลานั้นอย่างตอนนอนอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะบางบางทีมันรู้สึกเจ็บใจขึ้นมาเฉยๆแล้ไอ้ความเจ็บใจเนี่ยมันมันดึงมันลากเอาไอ้เรื่องโน้นเรื่องนี้เข้ามาเต็มหัวเลย ทั้งๆ ท, ที่บางเรื่องเนี่ยมันผ่านไปแล้วเราเคยรู้สึกเหมือนจะทำใจได้หมดแล้วนี่แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมทางใจนะมันก่อให้เกิดผลทางใจอย่างเช่นอาการอึดอัดอย่างเช่นอาการหนักแบบเนี้แล้วอาการอึดอัดอาการหนักแบบนี้มันลากเอาเรื่องไม่ดีเรื่องที่ทําให้รู้สึกอึดอัดซึ่งเป็นสัญญาเก่ามาได้เต็มหัวไม่เลิกลาเข้าใจพลอยไหม อ่ามันมันไม่เกี่ยวกับว่าเราลืมเรื่องอะไรไปบ้างแล้วมันเกี่ยวกับว่าอาการทางใจของเรายังเหมือนเดิมหรือเปล่านะเข้าใจนะนี้พอเราไปสังเกตอยู่เรื่อยๆว่าตรงนี้อึดอัดขึ้นมาแล้วเห็นอาการอึดอัดนั้นคือเห็นด้วยอาการยอมรับว่ามันเกิดขึ้นมันก็จะคลายออกเราได้ปฏิบัติอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเรามองโลกในแง่ดีขึ้นเยอะเลย เพราะว่าเวลามองทีไรมันก็จะเห็นเข้ามาที่นี่ไม่ใช่เห็นที่อื่นเวลาความคิดเทียบเขาเทียบเราเกิดขึ้นในหัวหรือว่าคิดน้อยใจน้อยใจแบบเก็บกดอะไรต่างๆเนี่ยนะมันจะไม่ได้มาคิดวนเวียนอยู่ในหัวอีกต่อไปแต่มันจะมาลงที่นี่มาลงที่ความมดืดอัดและจําไว้เลยนะว่าคาดหวังว่าจะเห็นความมืดอัดเกิดขึ้นวันละเป็นร้อยครั้ง อย่าคาดหวังว่าเราจะเห็นความมืดอัดแล้วมันคลายอยู่ตลอดเวลามันจะเข้ามาอยู่เรื่อยๆเหมือนคนอัดอัดหมัดเข้ามาเนี่ยตุ้งตุงตุ้งนีนะมันก็ดูเหมือนกับไม่หายไปไหนสักทีแต่เราจะได้เห็นความไม่เหมือนเดิมของมันทุกครั้งเราคาดหวังอยู่แค่นี้คาดหวังว่าเราจะยอมรับตามจริงว่ามันเกิดขึ้นแล้วในอาการยอมรับตามจริง มันไม่หายไปแต่มันจะเปลี่ยนแปลงให้ดูจําได้นะ<า>อ่ะาโอเคครับผมเพิ่งมาใช่แล้วก็เพิ่งปฏิบัติด้มาค่ะก่อนนี้นั่งสอบต่างชั้นได้แต่พอไปเรี<ป>นนยนหลายๆด้านท่านสอต่างชั้นไ้แล้ว มันคืหน้าการปฏิบัตินะคะแล้วก็ตอนนี้เรรองแบบแบบกันเลยแบกสารสส่าเอ๊ะเราควรจะอยู่แบบแบบในเรื่องที่ถูกจะองของเราเาะว่าคือมันมันเป็นความสับสนคะจะไปใครน่นอนมันก็เป็นความเสี่ยงของการที่เราไปเรียนจากหลายๆสำนักนะเอางี้ก็แล้วกัน สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยคือสิ่งที่เราอาศัยเป็นหลักเปรียบเทียบได้ว่าสมาธิในแบบที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยเป็นสมาธิที่เอามาใช้การในแบบของพุทธได้ไหมนะถ้าสมาธิบแบบใดก็แล้วแต่อุบายแบบไหนก็แล้วแต่ที่ทำแล้วเกิดความนิ่งเกิดความสามารถจะเห็นตามจริงนะ เข้ามาภายในขอบเขตของกายใจเนี่ยอะไรเกิดขึ้นแล้วเรารู้สึกว่าอยู่ตรงกลางๆเห็นได้ว่าเออมันปรากฏให้รู้แป๊บหนึ่งแล้วมันก็หายไปอย่างนั้นเนี่ยใช้ได้หมดรูปแบบของสมาธิไม่ได้สำคัญถึงขั้นคอขาดบาดตายไปตัดสินว่าเราจะได้มรรคผลหรือไม่ได้มรรคผลรูปแบบของสมาธิเป็นเพียงเครื่องหมายบอกว่า เรามาทางนี้แล้วเกิดความนิ่งได้เกิดความรู้ได้ไหมถ้าหากว่าเกิดความรู้ได้เกิดความ เ, าเห็นตามจริงได้อันนั้นใช้ได้หมดไม่ต้องไปเกี่ยงนะแต่ถ้าทำหลายๆแบบแต่ละแบบทำให้เกิดความขัดแย้งทำให้เกิดความรู้สึกกระวนกระวายว่าเอาอย่างไหนดีแบบนี้ก็ให้ตัดสินด้วยการบอกตัวเองนะว่า ทำแบบไหนแล้วเราสบายใจเอาความสบายใจเป็นตัววัดก็ได้เป็นเป็นตัวตัดสินก็ได้ทำแบบไหนแล้วสบายใจที่สุดทำแบบนั้นไปแล้วก็สารวจตัวเองอยู่เนืองๆสารวจตัวเองอยู่เสมอๆว่าสมาธิบแบบนั้นเนี่ยมันเกื้อกูลให้เกิดการเห็นเข้ามาในปัจจุบันหรือเปล่า กืกูลให้เกิดการรู้สึกว่ากายใจของเรามันไม่ใช่ตั ว, ไ ม, ตวไม่ใช่ตนหรือเปล่ามันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆหรือเปล่าถ้าเกื้อกุลนะเอาเลย เ, เลยต็มที่จริงจก็ได้ทั้งสามแบบก็ถูกจริตทั้งสามแบคำว่าถูกจริต<อ>จริงจริงน่เป็นคำที่มันหลายๆคนในในสมัยเราเนี่ยใช้กันใช้กันบ่อยนะจริงๆไม่มีหรอกถูกจริตนะกรรมฐานที่ถูกจริตมันไม่มีเชื่อเถอะมันมีแต่ว่า เราเริ่มต้นมาจากมุมมองที่ถูกต้องแล้วหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่น อ, าอนาปานสติที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกนะว่าเนี่ยเหมาะกับใครแต่บอกว่าเหมาะกับทุกคนทุกคนควรพยายามแต่หลังๆมาบอกว่าเนี่ยอนาปานสติเหมาะแก่ผู้มีปัญญาเท่านั้น เหมาะแก่ผู้อยู่ในยุคที่เจริญด้วยปัญญาเป็นการสรุปที่ไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีหลักฐานพระพุทธเจ้าไม่เคยตัดไว้เลยหรือบางคนก็มาบอกว่าอสุภกรรมฐานไม่เหมาะกับคนที่มีราคะจริตทั้งๆ ท, ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าราคะจริตแก้ได้ด้วยอสุภกรรมฐานนี่นะแต่พอมาถึงยุคเราเนี่ยจะ ออกแนวว่ามีกรรมฐานกองไหนที่เหมาะกับใครใครเคยปฏิบัติไว้ในชาติก่อนแล้วกลับมาต่อนะคืออันนั้นอาจจะเป็นเรื่องกรรมฐานขั้นสูงครูบาอาจารย์บางท่านเป็นอย่างนั้นจริงๆงคือยกตัวอย่างเช่นเคยเจรินกระสินสีแดงมาอย่างเงี้ยแล้วพอมาเห็นสีแดงรู้สึกเอ๊ะมันเข้าตาเป็นพิเศษหรือว่าหน่วงไวเนี่ยมันรู้สึกว่าชัดเป็นพิเศษ นั้นก็อาจจะเป็นไปได้แต่สําหรับบุคคลทั่วไปเนี่ยเวลาเริ่มต้นที่จะเข้าสมาธิเวลาเริ่มต้นที่จะทํากรรมฐานในแบบที่เกื้อกูลกับการเห็นตามจริงเนี่ยมันไม่มีหรอกนะที่กรรมฐานกองไหนเนี่ยหรือว่าแนวไหนมันจะเหมาะไปกว่ากันขอแค่เราสา ม, มารถสังเกตเข้ามาจะเป็นลมหายใจจะเป็นออริยาบทจะเป็นสภาวะจิตอะไรก็แล้วแต่นะ พระพุทธเจ้าสอนไว้ทั้งนั้นแหละว่าให้ดูโดยความเป็นของไม่เที่ยงถ้าสมาธิแบบใดก็ตามทำให้เราเกือ้อกูลให้เราเห็นตามจริงได้เอาหมดมันใช้ได้หมดนะเพีงะะยงนิดหนึง่งเพียงเนีย้ยเพียงเียงให้เยโอเคเออปิดไว้หรือเปล่าเอยปิดไว้มั้ง ค่ะมาครั้งแรกนะคะก็คือเวลานั่งสมาธิะคะ่ะจะมีปัญหาว่าเวลาดูลมหายใจแล้วจะรู้สึกอึดอัดอะคะ่ะทั้งเวลาหายใจเข้าหายใจออกะคะ่ะเหมือนมันติดแน่นอยู่มันไม่ยอมผ่อนคลายอย่างเงี้ยคะ่ะถามตัวเองง่ายๆว่าเวลาที่เราไม่ได้ตั้งใจดูลมหายใจเนี่ยมันรู้สึกอึดอัดไหมไม่รู้สึกอึดอัดแสดงว่าอาการผิดปกติไม่ได้อยู่ที่ลมหายใจ แต่อยู่ที่วิธีการดูวิธีการที่จิตเนี่ยเข้าไปผูกพันกับลมหายใจมันต่างกันถ้าหากว่าเราหายใจแล้วไม่อึดอัดในเวลาปกติแต่พอเริ่มกาหนดดูลมหายใจปุ๊บแล้วมันอึดอัดขึ้นมาเนี่ยนะให้ให้มองก่อนเลยว่ามีส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายของเรามันกำลังเกร็งอยู่มันกำลังผิดปกติอยู่คือเาใช้วิธีนี้นะก็ เร า, าดูลมหายใจรู้สึกอึดอัดดูทันทีเลยว่าเท้าเกรงอยู่ไหมถ้าเท้าเกรงอยู่นั่นเนี่ยใ ห, ให้คลายออกมามันจะรู้สึกสบายขึ้นดูมือนะว่ามันมีอาการกำอยู่หรือม่นมีอาการแบรอยู่แล้วก็ไล่ขึ้นมาถึงใบหน้าเสร็จ แ, แล้วหายใจอีก ท, ทีหนึ่งนะด้วยการแบบเดิมนั่นแหละถ้ารู้สึกสบายก็ให้หายใจต่อสังเกตลมหายใจต่อไปทีละละลอก แต่ถ้าเมื่อไหรเรารู้สึกอึดอัดขึ้นมากลับมาสํารวจเท้าใหม่มันจะรู้สึกค่อยๆมาอยู่กับเนื้อกับตัวมาอยู่กับอาการทางกายที่เป็นฐานของลมหายใจที่มันมีความสบายที่มันมีความผ่อนพักไล่สังเกตไปอย่างนี้เรื่อยๆนะรู้สึกอึดอัดขึ้นมาเนี่ยสำรวจดูว่าฝ่าเท้าเราแน่นอยู่ไหมมือเราแน่นอยู่ไหมเนี่ยตอนเนี้มันมันรู้สึกเหมือนกับครึ่งๆกลางๆ เราเราเอาจัดการที่ฝ่าเท้าก่อนโอเคหลับตาอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยเอาไม้ให้เนี่ยขึ้นต้นมาคุณตั้งใจมากเกินไปแล้วไม่ไม่ต้องลืมตาหลับตาไปเลยเนี่ยลักษณะที่ขึ้นต้นมาตั้งต้นมาเนี่ยเราอยากจะคุมตัวเองให้อยู่อยากจะมีเห็นไหมเจตนามันแฝงอยู่ในอาการว่าเราอยากนิ่ง ทีนี้พอเริ่มรู้สึกถึงเจตนาว่าเราอยากนิ่งนะจะบังคับตัวเองให้นิ่งให้ได้มันจะรู้สึกเกร็งที่เท้านั่นแหละพอเท้ารู้สึกเกร็งนะแล้วเราผ่อนแล้วเราคลายออกมามันก็จะรู้สึกว่ามีอาการคลายทางใจไปด้วยสำรวจสังเกตต่อมาฝ่ามือเป็นยังไงเห็นไหมมันยังมีอาการฝืนๆอยู่นิดๆก็ให้ รู้สึกถึงอาการฝืนนั้นตามจริงคือยอมรับว่ามันเกิดอาการฝืนๆขึ้นมาอ่าแล้วคราวนี้หายใจลากหายใจสบายๆเข้ายาวๆโดยความเนี่ยคือไม่ได้จะเอาอะไรกับมันทั้งสิ้นแล้วกลับไปสำรวจฝ่าเท้าใหม่เห็นไหมมันมีอาการเกร็งๆขึ้นมาอ่าเนี่ยพอเราเข้าใจโดยอาการอย่างนี้เห็นความสัมพันธ์อย่างนี้ระหว่างร่างกายและจิตใจ มันจะค่อยๆสบายขึ้นเรื่อยๆเยนี่ยเราไล่สังเกตมาทุกครั้งที่หายใจเรากลับไปสังเกตใหม่เสมอว่าฝ่าเท้ามันมีอาการเกร็งไหมมีอาการแน่นไหมอ่าตอนนี้มันรู้สึกผ่อนคลายแต่คลายไม่หมดเราก็แค่ยอมรับไปมันคลายไม่หมดหายใจแล้วเสร็จเราก็กลับไปสํารวจฝ่าเท้าใหม่อ่าเนี่ยตรงเนี้ยมันมันค่อยหายใจสบายขึ้นแล้ว ทีนี้มันไม่ใช่จะต้องหายใจยาวอย่างเดียวบางครั้งมันต้องการลมหายใจแค่สั้นๆก็อยู่ได้แล้วหรือว่ายังไม่ต้องเร่งให้ลมหายใจเข้ามาก็สบายอยู่ได้ดีตอนนี้มันเริ่มเคลิอมๆไปเนี่ยนะเราก็กลับไปสำรวจใหม่พอเคลิมๆเนี่ยบางทีมันจะมีอาการเหมือนกับ มือเท้าหายไปเราก็กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวใหม่ด้วยการสังเกตไปว่าฝ่าเท้ามันยังอยู่ไหมสบายอยู่ไหมฝ่ามือมันยังอยู่ไหมสบายอยู่ไหมใบหน้าของเรามีอาการผ่อนคลายไหมมันมีอาการอึดอัดที่ตรงไหนในร่างกายแค่รับรู้ตามจริงในอวัยวะส่วนนั้นมันก็จะเหมือนกับคลายตัวออกไปเนี่ยมันมีความพุงสัน้นเรายอมรับว่าพุงสัน้น เห็นไหมัมนมันมีอาการวิ่งวิงอยู่ในหัวไม่หยุดเนี่ยเราแค่ยอมรับว่ามันมีอาการวิ่งวิ่งอยู่ในหัวไม่หยุดมันก็กลับมารู้ลมหายใจใหม่ได้ด้วยความรู้สึกผ่อนคลายมันไม่ได้ต้องรู้สึกว่าเร่งรัดไม่ต้องรู้สึกว่าจะเอาอะไรให้ได้อ่าเนี่ยค่อยดีขึ้นแล้วโอเคเลื่มตาเนี่ยเลืมตาได้เลยนะเห็นไหมว่ามันสบายขึ้น จริงๆมันมันไม่มีอะไรเลยไอ้ความมืดอัดเนี่ยมันแค่เราเพ่งผิดเท่านั้นเองแค่เราไปยึดติดแล้วคนเนี่ยส่วนใหญ่นะร้อยทั้งร้อยเลยบอกว่าไม่ถูกจับจริดอาณาปานสตินะบอกว่ามาดูลมหายใจมันมันไม่เข้ากันกับตัวเองแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันแค่ดูดูไปผิดจุดเท่านั้นเองปรับมุมมองให้ถูกต้องเนี่ยทุกคนถูกจริตหมดแหละมมันมีความสุขมันมีความสบายแล้วก็มี ความพร้อมที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเห็นตามจริงได้อย่างที่พระพุทธเจ้าสอนน่อนาปานสติที่พระพุทธเจ้าสอนนะมีแค่ว่าหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้หายใจยาวก็รู้หายใจสั้นก็รู้แล้วพอรู้รู้รู้ไปไอรมหายใจมันปรากฏโดยเป็นกองลมนะกองลมที่เข้าบ้างออกบ้างกองลมที่ยาวบ้างสั้นบ้างโดยมีจิตผู้รู้เนี่ยเป็น ผู้สังเกตการอยู่เฉยๆนี่ลักษณะของจิตผู้สังเกตการแบบนี้มันเอาไปใช้ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นอเริยบทไม่ว่าจะเป็นความสุขความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นจิตที่สงบหรือฟุง้งซ่านอะไรก็แล้วแต่ที่มันปรากฏตามจรงิงเราก็สามารถเห็นตามจริงได้เหมือนกันแต่ถ้ามองไม่ถูกเนีขึ้นต้นมาจะมาตักลมหายใจเหมือนกับตักเฮือกเฮเือเนี่ยมันก็เกิดเกิดความอึดอัดหรือไม่ คนส่วนใหญ่เนี่ยเก้าขึ้นต้นมาด้วยความหวังว่าตัวเองจะสงบลงทันทีคือไม่มีการใจเย็นไม่มีอาการรอว่าทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะค่อยๆสงบลงเรื่อยๆแต่อยากได้ความสงบทันทีแล้วผมไม่สงบก็ไปโทษว่าอานาปานสติไม่ถูกกับตัวเองหรือคำภีรบางคัมภี์ถึงขั้นบอกเลยว่าหมดยุค ข, ของอานาปานสติแล้วเนะี่ยคนไม่มีปัญญาคนคนปัญญาสาม ถึงขั้นแบบนั้นไปโอเคครับเพิ่งเริ่มปฏิบัติมาไม่นานครับเลยไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองปฏิบัติอยู่เนี่ยมันถูกทางหรือว่าเข้าใจถูกหรื อ, ป อ, อเปล่าลองเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งมันเป็นยังไงยังเกิดความฟุ้งซ่านยังเกิดความโกรธง่ายอยู่แต่ว่ากโกรธก็รู้เหมือนกันว่ากโกรธแต่กระดับไม่ค่อยทันใช่ใชนะใจเนี่ยมันเริ่ม มีความสว่างมีความคลายบางส่วนแล้วแหละแต่ว่านิสัยเดิมหรือว่าความเคยชินแบบเดิมมันก็ยังอยู่ตรงนั้นนะที่เราจะสังเกตไปง่ายๆเลยก็คือยอมรับว่าเนี่ยมันยังมีอาการหุนหันอยู่มันยังมีลักษณะความคิดแบบหุนหันพลันแล่นแต่ว่าใจเนี่ยมันเริ่มจะไม่เอาด้วยแล้วแต่ก่อนเนี่ยเราหุนหันพลันแล่นแล้วใจมันเล่นด้วย มันรู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องที่น่าทาแต่ตอนนี้รู้สึกว่าไม่น่าทําแล้วนี่เห็นไหมมันนี่คือความแตกต่างเดิมพอไม่สังเกตมันจะเหมือนไม่เห็นว่ามีความแตกต่างตรงนี้อยู่แต่พอสังเกตเข้าไปเราจะรู้สึกเลยว่าตอนความคิดหุนหันพันแล่นมันเกิดขึ้นเนี่ยมันมันอยากจะวอยวาวอวยเงี้ยมันเป็นแค่ส่วนของความคิดที่ลาก ให้เกิดพฤติกรรมแบบหนึ่งขึ้นมาแต่ใจเนี่ยมันมันเหมือนอยังอยู่นิ่ ง, งมันเหมือนอยังมีส่วนหนึ่งที่ต้องการความสงบต้องการความสว่างหิวความสว่างหิวความสงบพอจะนึกออกไม้มหน้าตาความหิวเป็นยังไงคือคือมันเหมือนกับรู้สึกว่าไอ้อาการวุ่นวายหรือตเติ์ดเปิดเปิงออกไปเนี่ยมันเป็นแค่ภาวะผิดปกติที่เราเอาไม่อยู่ ควบคุมไม่ได้แต่ใจเนี่ยคือเขาไม่ได้ต้องการจะแล่นไปแล้วเนี่ยพอเห็นภาวะอย่างนั้นในตัวเองเนี่ยก็แค่รับรู้ไปครั้งหนึ่งว่าเนี่ยใจจริงๆของเรามันตั้งอยู่ตรงนี้นะแล้วเมื่อไหร่ที่ความคิดมันก่อตัวขึ้นแบบห้ามไม่ได้หยุดไม่อยู่เป็นอัตโนมัติเกินกว่าที่เราจะไปควบคุมเราก็เห็นมันอีกเห็นมันทุกครั้งว่ามันควบคุมไม่ได้หน้าตาของอาการที่กาะตัวโดยควบคุมไม่ได้มันเป็นแบบนี้ ทุกครั้งที่เราเห็นคือทุกครั้งที่จิตมันจะเริ่มฉลาดขึ้นเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกเหมือนกับคุ้นนะว่าเนี่ยอาการก่อตัวที่ควบคุมไม่ได้เนี่ยเวลามันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นตอนที่เราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมันมันจะเห็นเป็นเหตุเป็นผลอยู่อยู่ก่อตัวขึ้นว่ ในที่สุดเนี่ยใจพอจําได้จริงๆนะว่ามันก่อตัวขึ้นโดยที่เราไม่ได้ไปเชื้อเชิญเราไม่ได้ไปตั้งใจสร้างมันขึ้นมาเนี่ยเราจะรู้สึกไว้แบบนี้ยที่เรียกอนัตตาคือมันจะเกิดความรู้สึกมาบวกกันกับสัมมาทิฏฐิที่เราทําความเข้าใจไว้แล้วว่าทั้งไหลทั้งปวงเนี่ยมันไม่เที่ยงเป็นอนัตตาบางทีพอเกิดเราไหลตามไปแล้วก็จะรู้สึกเสียใจว่า เออไม่น่าจะทำตง้งตรงเสียใจเนี่ยคือให้รู้แยกเป็นังหากนะไอ้หลังจากอะไรมันผ่านพ้นไปนะไอ้ละลอกจะเป็นความคิดคำพูดหรือว่าแววตากิริยาท่าทางอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือให้มองว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วผ่านไปแล้วแล้วได้ผลสุดท้ายเป็นความรู้สึกเสียใจ ในความรู้สึกเสียใจเนี่ยมันจะมาในรูปของความรู้สึกตำหนีตัวเองความรู้สึกว่าเอ้ยมันทำไมปฏิบัติมาแล้วยังเป็นอย่างนี้อยู่นะไอความเสียใจที่เกิดขึ้นถ้าหากว่าเราเห็นมันเป็น อ, อ่สิ่งที่ สิ่งที่คือคืออย่าไปอย่าไปยอมให้ไอ้ความเสียใจเนี่ยมันครอบงําเรานานนอกจากไม่มีประโยชน์แล้วเนี่ยมันจะทําให้จิตจิตเราตกมันคอยคิดไงว่าเราปฏิบัติไม่ได้หรอกปฏิบัติไปมันก็ได้แค่เนี้ยมันมันก็วนกลับไปที่เก่าต่อไปเนี่ยให้มองว่าความเสียใจเป็นผลผลิตของการที่ตัวอนัตตาตัวเนี้มันเข้ามาคือคือเราจะเห็นเป็นขั้นเป็นตอนว่า อนัตตามันก่อตัวขึ้นมาพอเสร็จจากตรงนั้นมันกลายเป็นความรู้สึกเสียใจนี้พอเราเห็นเป็นอนัตตาจริงๆเนี่ยความเสียใจมันจะเบาบางลงแล้วก็เราจะมีความพร้อมเห็นความเสียใจเห็นความรู้สึกไม่ดีกับตัวเองนั้นเน่เป็นแค่อารมณ์บุ้มหนึ่งเป็นแค่สภาวะอย่างหนึ่งที่ปรากฏขึ้นแล้วมันค่อยๆหายไปเนี่ยเหมือนเหมือนอย่างเนี้ยตอนเนี้ยคือพอเรานึกได้ ว่าเออจริงๆด้วยความเสียใจยมันเป็นแค่ภาวะาหนึ่งในอดีตที่มันเกิดขึ้นแล้วนึกถึงทบทวนถึงแล้วเนี่ยมันก็แค่นั้นมันก็แค่เล่นงานแค่นี้แหละเล่นงานเราได้แค่ความรู้สึกแย่ๆชั่ววูบชั่วครั้งชั่วคราวจากนั้นให้ดูว่าใจของเรามันยังมีอาการควบคุมไม่ได้อีกหลายๆเรื่องยกตัวอย่างเช่น มันเป็นคนอยู่ๆพอฟุ้งซ่านขึ้นมามันก็ฟุ้งฟุ้งฟุ้งไปเหมือนกันไม่สามารถที่จะหยุดได้เลยนะนั่นเป็นเพราะว่าความเคยชินที่จะปลูกฝังให้จิตเนี่ยมันไปอยู่กับอารมณ์ที่เป็นคุณเนี่ยมันมันยังไม่เกิดขึ้นเต็มที่อย่างเรื่องของความพอใจที่จะดูลมเข้าออกเนี่ยมันยังไม่ค่อยเกิดเราก็ค่อยๆค่อยๆทําให้มันเกิดอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะเนี่อย่างอย่างเมื่อกี้เนี่ย ตอนระหว่างนั่งไปมันก็พุ่งพุ่งพุ่งเหมือนกับเหมือนกับมันไม่สามารถหยุดได้อะแต่ลมหายใจเราก็รู้ด้วยฝ่าเท้าฝ่ามืออะไรเราก็รู้เป็นจังหวะจังหวะตรงนั้นมันมีความพอใจ ม, มันมันมีฉันทะค่อยค่อยค่อย ค, อย ค, อยคอยเกิดขึ้นมาทุกครั้งที่มีความสุขที่จะเห็นถึงแม้ว่ามันจะยังพุ่งอยู่แต่ก็มีบางบางสิ่งบางอย่างที่ต่างไปคือมันมีลมหายใจ เข้ามาร่วมอยู่ด้วยกับอาการฟุง้งมันมีความรู้สึกเบาเนื้อเบาตัวขึ้นมาเป็นจังหวะจังหวะนะมันไม่ได้เบาตัวสบายเป็นระยะยาวแต่มันเบาขึ้นมาเป็นบุบๆเนี่ยทุกครั้งที่เกิดความเบาเกิดความสุขเนี่ยมันจะมีความพอใจมันจะมีฉันทะที่จะเข้ามาทําแบบนี้เรื่อยๆแล้วสติมันก็จะเจริญขึ้นเรื่อยๆเช่นกันพอเรารู้สึกพอใจจริงๆ ที่จะดูลมหายใจเข้าออกนะในที่สุดแล้วเนี่ยเหมือนกับความฟุ้งมันจะค่อยๆหายไปเองคือมันจะยังอยู่นะแต่มันจะเบาบางลงเรื่อยๆแล้วมันจะมาแย่งพื้นที่ของจิตเนี่ยได้ได้น้อยลงเรื่อยๆคือถึงที่สุดเนี่ยเราจสึกเหมือนกับตัวเองต่างไปมีความพอใจอยู่กับการเห็นว่าลมเข้าลมออกแล้วแต่ละลมเข้าลมออกเนี่ยเราจะสังเกตว่าความคิดมันฟุ้งมากหรือฟุ้งน้อย ลมหายใจนี้ฟุ้งมากอีกลมหายใจนึงต่อมาฟุ้งน้อยลงหรือมันกลับรุ้งมากขึ้นเราพอใจที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของความฟุ้งซ่านคือคือแต่เดิมเนี่ยมันไม่มีหลักอะไรเลยไงพอฟุ้งไปเรื่อยๆเนี่ยมันห้ามไม่อยู่แล้วก็เหมือนกับเราจะไม่สไม่สามารถสังเกตได้ด้วยว่ามันมากขึ้นหรือน้อยลงเราจะไปดูอันนี้จังตรงไหนมันมองไม่เห็นมองไม่เห็นช่องแต่เมื่อมีลมหายใจเข้ามาขั้นเป็นจังหวะจังหวะ เราสามารถที่จะเปรียบเทียบได้อย่างชัดเจนว่าลมหายใจนี้มันฟุ้งมากนะอีกลมหายใจหนึ่งมันอ่อนกำลังลงเนี่ยตัวนี้มันจะรู้สึกว่าสนุกขึ้นเรื่อยๆยิ่งฟุ้งมากยิ่งฟุ้งบ่อยเท่าไหร่มันยิ่งมีโอกาสปฏิบัติบ่อยขึ้นเท่านั้นและบางทีมันจะหมดแรงเร็วมันมันเหมือนจิตไม่มีกาลัง เหมือนกับร่างกายเราเป็นนักกีฬาที่ต้องออกสนามลงสนามแบบหนักนะแต่ว่ามันไม่พร้อมอะไรทานองนั้นเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเราจะรักการปฏิบัติแบบสบายจะเอาแบบดูๆไปเฉยๆไม่ต้องลงรุน ล, ล, ลงแรงอะไรมากอย่างเงี้ยนะมันมันก็ได้ผลแบบที่เราลงทุนไปนั่นแหละคือมันได้นิดได้หน่อยมีกำลังนิดๆหน่อยๆ ไม่ไม่ค่อยเห็นผลชัดมากนะอันนี้มันต้องสะสมแล้วบอกตัวเองเลยว่าอย่าใจร้อนต้องใช้เวลากันเป็นเดือนเดือนเป็นปีปีมันถึงจะออกดอกออกผลชัดเจนแบบที่เรารู้สึกว่าหน้าพอใจจริงๆโอเคคือสรุปว่าอย่าไปคาดหวังนะว่าอารมณ์โกรธ อ, อารมณ์หุนหันพันแล่นมันจะหายไปอารมณ์ฟุ้งซ่านมันจะหายไปแต่ให้มองว่าเนี่ย ถ้ามันเกิดขึ้นมาไหนเราจะดูความแตกต่างที่ใจใจเราแตกต่างไปยังไงในแต่ละครั้งที่เห็นไออารมณ์หุนหันพันแล่นหรือว่าอารมณ์วาวุ่นฟุงซ่านนะครับวันดีครับพี่ตุลครับก็ช่วงหลังก็จะนั่งสมาธิอยู่ที่บ้านก่อนนอนประมาณวันละสักครึ่งชั่วโมงอะครับ แล้วก็ช่วงเช้าบางทีระหว่างไปทํางานหากระหว่างเดินก็จะพยายามมีสติอยู่ที่เท้าอย่างงี้ครับว่าโอเคว่าเรากําลังเดินอยู่นะครับเลยอยากจะสว่า ง, งแนะนำนะมันวสว่างขึ้นเรื่อยๆเราจะรู้สึกว่าจิตมันเป็นอิสระจากอุปทานทีละนิดทีละนิดคืออย่างแต่ก่อนเนี่ยเราคิดเองเออเองถ้มากนะหลายเรื่องเดี๋ยวเดี๋ยปิดปิดใหม่นิดหนึ่ง มันมันจะรู้สึกเหมือนใจเราเนี่ยคิดน้นคิดนี่แบบคิดเองเออเองสารพัดนะาบางทีเนี่ยเราจะารู้สึกบางเรื่องเนี่ยบางเรื่องไม่เป็นเรื่องเราก็คิดเราก็ปักใจยึดไปแต่ก็ห้ามใจตัวเองไม่ได้นี้พอมาถึงจุดที่ใจมันสว่างใจมันสะอาดจากเอ่การครอบงำเนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนเรื่องบางเรื่องที่เราคิดมาเยอะๆเนี่ยมันเหลวไหล มันจะรู้สึกได้ว่าเอเรื่องนั้นเนี่ยมันมันทำไมเราถึงไปคิดแบบนั้นเราทำไมถึงฝังใจอย่างนั้นพอมันถอนออกมาเนี่ยมีไหมมีที่รู้สึกไหมช่วงหลังๆเนี่ยว่าไปคิดทำไมหรือว่าไปเคยเชื่ออย่างนั้นได้ยังไงหรือว่าไปปักใจอย่างนั้นได้ยังไงมีใช่ไหมช่วงหลังๆตรงนั้นคือการสะท้อนว่า จิตมันเริ่มถอนจางอุปทานทีละเปลาะทีละเปลาะคือมันมาชัดเจนในรูปของอการเห็นว่าความปรุงแต่งหรือสังขารขานันที่มันเพี้ยนมากๆเนี่ยที่คื อ, ค, อคือไม่ใช่เพี้ยนแบบบ้าบอนะแต่หมายขอว่าเพี้ยนจากความเป็นจริงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเนี่ยแต่เราเคยไปยึดมั่นถือมั่นไว้พอจิตมันเริ่มเป็นอิสระจากการครอบงำของอุปทานเนี่ยมันก็จะ ถอนไปทีละเรื่องเอาเรื่องที่มันหนักๆก่อนนะแล้วก็มันาะค่อยๆไล่เข้ามาในสิ่งที่ยากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อย่างเช่นบางวูบมันจะรู้สึกว่าเราดูลมหายใจไปเฉยๆไม่ไม่มีอะไรแตกต่างจากธรรมดาคือรู้สึกว่ายังเป็นลมหายใจของเราอยู่แต่พอบางจงังหวะเนี่ยเรารู้สึกเหมือนกับว่าลมหายใจมันผ่านเข้าผ่านออกเป็นแค่ธาตุลม แต่มันยังวุบวูบว่าบอยู่นะมันเป็นแค่ความเห็นแบบชั่วคราวว่าไอ้ตรงนี้เป็นท่านลมหรืออย่างตอนรู้เท้ากระทบคือบางทบางีบางจังหวะมันยังมีอาการตรึกนึกถึงเท้าอยู่คือคือจิตเนี่ยมันเข้าไปยึดเท้ามากเกินไปมีสติอยู่ที่เท้าเฉยๆแต่บางครั้งก็รู้สึกว่ามีกระทบกระทบกระทบเบาๆแล้วข้างข้างบนมันจะโป่งหมด เดี๋ยวเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคือเอาเอาจริงๆ ร, รู้สึกเหมือนกับเขาไปยึดนี่ตัวนี้มันแสดงความไม่เที่ยงอยู่ทั้งนั้นเลยและยิ่งเราเห็นความแตกต่างของภาวะทั้งหลายที่เราปฏิบัติได้มากขึ้นเท่าไหร่ใจมันก็จะยิ่งยอย่างที่เรารู้สึกเนี่ยมันเหมือนกับเปิดกว้างมันเหมือนกับสว่างมันเหมือนกับไม่เอาอะไร แต่ข้างในเนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนเหมือนมันค่อนข้างซับซ้อนนะเพราะลึกๆเรารู้ว่ากิเลสมันยังอยู่หนานแน่นคือคือจิตเนี่ยเรากับว่าโอ้ยเนี่ยมันเป็นอิสระละมันไม่มีอุปทานมันเหมือนกับเบาบางลงเรื่อยๆอุปทานเบาบางลงเรื่อยๆแต่อีกอารมณ์หนึ่งขึ้นมาก็อืมกิเลยังอยู่เต็มเลยนะมันมันจะยังรู้สึกเหมือนกัว่านนท์ก็ยังอยากได้นี่ก็ยังทําให้เราเกิดโทสะ ร้อนรได้ไม่ได้ไม่ไไมยากนักเออสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ในช่วงนี้คือภาวะที่เอื้อมากๆเลยให้เห็นระหว่างจิตหลุดพ้นชั่วคราวกับจิตที่มันยึดมั่นถือมั่นอยู่เพราะฉะนั้นถือเป็นโอกาสว่าเราจะดูความแตกต่างระหว่างจิตหลุดพ้นชั่วขณะ จิตหลุดพ้นเอา่าจิตยังที่ยังยึดมั่นถือมั่นอยู่คืออย่าไปกะเกณฑ์คือของเรารู้คือพี่รู้ว่าไม่ได้กะเกณฑ์ตัวเองละมันมันไม่ได้ไปคาดหวังอะไรมากงไหมเพียงแต่ว่าบางทีมันใจยังรู้สึกอยูไ่ไงว่าเอ้ยทำไมใจบางทีมันเหมือนกับยังก็เป็นผ้าละหันนั่นเลยแบบนั้นแหละแต่อีกใจหนึง่งก็ยังเป็นปุตุชนเต็มขั้นที่กิเลสหนากิเลสแรงนะะช่วงนี้มันจะรู้สึกอยู่ปะว่า มีมีขึ้นมาเป็นบุบบุบไหใช่ไหมว่าทําไมมันถึงขัดแย้งกันขนาดนั้นที่ดีที่สุดคือเราแค่ถือเป็นโอกาสคือคือคีย์เวิร์ดเลยนะถือเป็นโอกาสที่ได้เห็นว่าจิตเนี่ยตอนที่ไม่มีอุปท า, านกับตอนที่มีอุปทานจิตที่ยึดกับจิตที่ไม่ยึดมันต่างกันยังไงจิตที่ไม่ยึดมันมันสะอาดมันเหมือนกับ สว่างแจ้งแล้วก็ไม่มีความรู้สึกว่าจะอยากได้อะไรแล้วแต่จิตที่มันยังอยากจะเอายังอยากจะถือสายังอยากจะโน้นยังอยากจะนี่เนี่ยมันมีอาการพุ่งออกไปมันมีอาการที่ตะกุมตะกรามมันมีอาการที่เหมือนกับเต้นพล่านอยู่ข้างใน รู้สึกมไหยถึงอาการดิ้นมันชัดเจนไงคือแต่เดิมเนี่ยถ้าหากว่าเรามีอาการดิ้นพล่านโดยที่ใจมันสมยอมไปด้วยเนี่ยมันจะไม่ชัดแต่ตอนที่ใจมันเหมือนกับว่างแล้วมีอาการดิ้นพล่านมันแปลกก็จริงแต่ว่ามันให้เห็นความแตกต่างชัดเจนนะะยิ่งเห็นความแตกต่างได้ชัดขึ้นเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งทําให้รู้สึก ถึงความไม่ใช่จิตของเรามากขึ้นเท่านั้นคือถ้ากระแสทางใจกับกิกเลสมันใกล้เคียงกันเนี่ยมันจะก่อความรู้สึกว่าเนี่ยเข้ากันได้เป็นพวกเดียวกันนี่เลยใช่เรานะแต่ไอ้อย่างเนี้ยบางทีจิตมันยังก็ไม่มีกิเลสแตอ่อีกทางหนึ่ง มันรู้สึกพรุ่งพล่านอยู่ข้างในเนี่ยมันรู้สึกถึงความไม่เข้ากันรู้สึกถึงความแตกต่างแล้วไม่รู้ว่าตัวเราเป็นอันไหนกันแน่มันสับสนอยู่คือคือไม่ใช่สับสนในแบบความคิดนะแต่สับสนอยู่ในใจอะว่าตกลงเนี่ยเราปฏิบัติมามันได้อะไรกันแน่นะตัวเนี้ยอย่าอย่าไปอย่าไปหมกอยู่กับความรู้สึกว่าสงสัยนะแต่ให บอกตัวเองไปเลยเป็นคีย์เวิร์ดเลยนะยิ่งต่างยิ่งดีมันจะได้เห็นว่าไม่ใช่ทั้งคู่คือถ้ามันใกล้เคียงกันมันจะรู้สึกว่าเป็นเราทั้งคู่แต่พอมันแตกต่างกันมากนี่ไงมันมันคือไม่ใช่เราทั้งคู่แล้วเพราะถ้าเราเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเนี้ยแสดงว่าอีกอย่างต้องไม่มีต้องไม่เกิดแต่นี่มันเกิด แล้วมันมันปรากฏขึ้นให้เห็นเรื่อยๆนะมันก็แสดงถึงความเป็นปกติของอนัตตาไม่ใช่ปกติของอัตตาคือธาตุเดิมของเราเป็นประเภทเป็นประเภทหมัดหนักจะมีปฏิกิริยาต่อสิ่งกระทบรุนแรงหนักหน่วงนะแต่อีกทางหนึ่งก็ จะเป็นพวกที่สะสมความสงบไว้อย่างยาวนานมันก็เลยออกผลมาเป็นตัวตนแบบเนี้ยที่ค่อนข้างจะขัดแย้งกันใจมันใจหนึ่งมันเหมือนนักบวชอีกใจหนึ่งมันเหมือนนักรบเป็นทั้งคู่แล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นตัวไหนกันแน่นะ ท ำ, ทำสมาธิให้มากแล้วก็เดินจยกลม่ดีแล้วแล้วก็สังเกตไปว่าตอนที่เรารู้กระทบอย่างเดียวแล้วมันเบาเราสามารถที่จะรู้สึกถึงกายโดยความเป็นอิริยบทนะอิริยบทนั้นเป็นอนัตตาเนี่ยมันมันจะโปร่งใสแล้วก็สลับกับทึบให้เราเห็นความแตกต่างไปเรื่อย ตรงที่ยิ่งเห็นความแตกต่างเท่าไหร่เนี่ยอันเนี้ยนะไ ป, ไปดูยิ่งเห็นความแตกต่างมากขึ้นเท่าไหร่สติมันจะยิ่งดีมากขึ้นเท่านั้นแล้วความสงสัยมันจะหายไปหายไปเรื่อยเรมีมีพอย n t อะไรอยู่ปะอ๋อปฏิบัติแบบนี้ไปเรื่อยใช่ไหมครับยิ่งได้นั่สมาธิที่อยอะขึ้นใช่ไหมครับคือนั่งสมาธิบางทีมันเหมือนกับเรารู้สึก อยู่ลึกๆอ่ะว่าเราสงบอยู่แล้วแล้วพอนั่งสมาธิไปรู้สึกมันเหมือนเสียเวลาเคยรู้สึกเสียเวลาไหยมันมันมันเหมือนนั่งไปแล้วอยากไปทําอย่างอื่นมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันมันรู้สึกอยู่ลึกๆว่ามันสงบดีอยู่แล้วตอนไม่นั่งสมาธิแต่พอนั่งสมาธิปุ๊บมันใจมันยังประวัติถึงสิ่งอื่นเนี่ยเดี๋ยวนี้ทำสมาธิเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีอย่างนี้หมาพี่ดูพี่ดูไว้ถูกป่า คื อ, อเราบางทีมันนั่งปุ๊บคือบางทีมันก็สงบเห ม, มะนะือกันแต่เ ต, ต็มใจนั่ง嘛ถาว่าเนะต็มใจนั่งหรือเปล่าพยายามทำเป็นหน้าที่อะครับคือบางครั้งพอนั่งไปแล้วเหมือนไงอยากไปทําอย่างอื่นมากกว่าอะไรแบบนี้มีบ้างไหมวันนี้ก็คือพยายา น, นั่งเป็ น, นบามเคยชินใช่ไหมใช่คนระับแล้วก็พยานทําำอย่างหลวงพ่อเที่ยสสิบ้าทีแล้วก็ ไปนะคุณโอยสักสิบห้านาทีคือลองสังเกตดูนะว่าบางบางครั้งเรารู้สึกเหมือนกับว่าตอนที่ไม่ได้นั่งสมาธิมันก็สงบมันก็สงบอยู่ได้แต่พอไปนั่งสมาธิเนี่ยบางครั้งมันกลายเป็นว่าใจอยากไปทําอย่างอื่นหรือเปล่าคือสังเกตเฉยๆนะดูดูว่ามันมันมีอารมณ์แบบนั้นอยู่ด้วยหรือเปล่า ถ้าหากว่าเรารู้สึกได้ถึงความไม่สงบในขณะนั่งสมาธิเพราะว่าไปคิดถึงสิ่งอื่นหรือว่าคนคนเนี่ยถ้าทำไปตามความเคยชินแล้วมันไม่เกิดความพอใจจริงๆมักจะมีอาการที่ว่าอยากไปทำอย่างอื่นมากกว่าแล้วถ้าเราสามารถเห็นอาการอยากไปทำอย่างอื่นคือแม้แต่นิดเดียวเนี่ยนะ แล้วมันหายไปได้เนี่ยเราจะกลับมาโฟกัสเต็มที่กว่าเดิมเข้าใจพอยใช่ไหมเออมันมันมันจะทำไปด้วยความเต็มใจเต็มร้อยจริงๆริงแล้วทำไปอย่างมีความสุขอันนี้มันมีความสุขเหมือนกันว่าพอเรานั่งสมาธิแล้วมันมันไม่สงบเต็มที่อย่างที่ควรน่คือของเราน่าจะนิ่งได้มากกว่านี้ใช่ครับใช่อาจจะเป็นเพราะว่า วันนี้ก็ได้กลับมาเรียนรู้เทคนิคที่ดีเหมือนอย่างที่พี่ตุนสอนว่าโอเคเราต้องสังเกตพวกการผ่อนคลายเพราะว่าบางทีมันพอขับไม่รู้ตัวก็เหมือนกับมันความขับซ้ายแล้วก็เริ่มเลยแล้วเป็นลักษณะนะครับโอเคคขอบคุณมากครับโทษทีนะครับอันนี้พอดีพาคุณแม่มาอ๋อครับสวัสดีครับคุณแม่อันเปิดอันเปิดครับ เป็นดีค่ะคือปฏิบัติมาพักหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าจะถามว่ามากไหมก็ไม่เชิงนะถ้าจับใจจริงอะ่ะแต่ว่าก็ไปเห็นในสิ่งที่แปลกคือร่างกายตัวเองคือเห็นหัวเนี่ยจะหลุดแต่ก็ไม่ยอมให้หลุดเอามือประคองไว้แล้วก็ต่อมาก็เห็นก็นั่งอยู่เก้าอี้เนี่ย มันก็เองไปเลยก็ปล่อยไปเลยแล้วผวังก็เตือนมาต่อมามันก็จะเห็นคนแก่ที่ร่างกายถ้าพูดเหมือนแบบว่าสังขารไม่เที่ยงหรือบางครั้งก็จะเห็นแบบคนโบรนาณนจนเราต้องแหงน่ขึ้นมองและบางครั้งเราก็จะเห็นที่คนรถโบราณขับคนมาเต็มรถเลยแต่ก็ดูไม่จืดเลยเหมือนสังขารไม่เที่ยง แล้วเราก็นึกผวังก็กลับมาแล้วเราก็นึกต่อไปก็จะเห็นแบบขับมาอีกแต่ละคืนก็จะเห็นแบบเลือดเต็มเลยขับมาเหมือนให้เราเห็นเลือดเต็มเลยแล้วบางครั้งก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆก็จะเห็นว่าคนที่เสียไปแล้วนั่งรับประทานอาหารแต่ประฉาะะิรมร่วมไปหลายไปเลยแต่ระหว่างนั้น เราก็ผวังก็กลับมาทั้งทัง ท, งที่ยังนั่งสมาธิอยู่ดีครับก็จิตของคุณแม่นะช่วงหลังๆมันก็เกี่ยวข้องกับความ เ, าเห็นถึงอาการเสื่อมไปของสังขารนะนิมิตที่เข้ามาเนี่ยมันแสดงความไม่เที่ยงของสังขารทั้งนั้นเลยมันแสดงให้เราคือเคยชินคุ้นกับความรู้สึกว่ า, าสังขารเนี่ยมันเป็นแค่สภาพอะไรอย่างหนึง่งที่จะต้องที่จะต้องแตกสลายไปนะ เป็นนิมิต ท, ที่ดีเป็นนิมิต ท, ที่เป็นมงคลนะแล้วก็พอใจเราคือคือส่วนที่เราจะต้องทำเนี่ยก็คือสั ง, สงเกตตั้งใจสังเกตไ้เลยนะไม่ว่าจะฝันหรือว่าไม่ว่าจะตื่นเนี่ยนะว่าใจของเรามีอาการต่อต่อไอสิ่งที่เห็นอย่างไรนะครับนิมิต ท, ที่เข้ามาปะทะใจทำให้เกิดความรู้สึกสลดทดหูหรือเกิดความรู้สึกสังเวชหรือเกิดความรู้สึกเฉยเฉยอย่างของคุณแม่เนี่ย พอมันเห็นบ่อยบ่อยมันจะรู้สึกเฉยเฉยมันจะรู้สึกเหมือนไม่มีอะไรเป็นเรื่องธรรมดานะเราก็อาศัยไอ้ความรู้สึกธรรมดาที่ได้เห็นสิ่งเหล่านั้นนิมิตเหล่านั้นเนี่ยเป็นตัวตั้งในการเจริญสตินะว่าเวลาที่เราอยู่ในร่างกายแบบนี้เวลาที่เราอยู่ในสังขารแบบนี้วันหนึ่งมันก็ต้องเสื่อมสลายไปแบบที่เราเห็นในนิมิตพอเหมือนกับถามตัวเองมานะในขณะที่กาลังอยู่ในอเรียบทปัจจุบันอย่างนี้เนี่ย เ ร, เราถามตัวเองว่ารู้สึกยังไงมันก็จะอาจจะรู้สึกเฉยเฉยเหมือนกันอาจจะรู้สึกเหมือนไม่มีอะไรแต่บางครั้งอาจจะรู้สึกอะไรอาวร์ห่วงลูกห่วงหลานห่วงโน่นห่วงนี่คือบางทีนะสังขารของเราไม่ห่วงแต่มันไปห่วงลูกหลานหรือว่าไปห่วงกับอะไรที่มันมองไม่เห็นนะนะซึ่งตัวนี้แหละที่มันเป็นนิมิตอีกแบบหนึง่ง มันเป็นภาพทางใจพอคุณแม่เห็นถึงความห่วงใยคนอื่นมันจะมีอาการยืนยืดออกไปมันจะมีอาการเหมือนกับใจเนี่ยกระวนกระวายอยู่มันจะหมุนหมุนะมันมันจะไม่อยู่กับที่แต่พอคุณแม่นึกถึงสังขารตัวเองมันเหมือนผ่านการทำใจมาหลายครั้งหลายหนรวมทั้งได้เห็นนิมิตอะไรเหล่านั้นด้วยเงี้ยนะมันรู้สึกเฉยเฉยมันมันเหมือนกับไม่มีอะไร จะเป็นไปยังไงก็ช่างมันนะไม่ไม่ได้ห่วงไม่ได้กงังวลใจมันจะมีอาการหยุดอยู่ไม่มีอาการวกวลนเห็นความแตกต่างใช่ไหมคือพอนึกถึงตัวเองมันกลับรู้สึกไม่มีอะไรนึกถึงคนอื่นมันมีขึ้นมานี่สแสดงว่ามันยังไม่หมดที่ตั้งของตัวตนยังไม่หมดที่ตั้งของความห่วงความกงังวลมันยังมีบางอย่างที่คาใจเราอยู่หน้าที่ของเราคือดูภาพทางใจไป เวลาห่วงคนอื่นมันวนๆมันวกวนแล้วหาคําตอบไม่ได้ด้วยนะว่าห่วงไปแล้วจะได้อะไรแต่คือมันมันมันบอกอะไรไว้หมดแล้วพูดอะไรไว้หมดแล้วนะมันแต่ก็ยังวนอยู่ดีเฮ้มันมันไม่มีทางออกเหมือนกับวกวนนะตัวนี้แหละที่พระพุทธเจ้าให้ดูว่าที่สิ่งที่เรียกว่าสังสารวัฏเนี่ยมันคือห่วงไม่หยุดหมุนไปเรื่อยๆ แต่ต่อไปถ้าหากคุณแม่รู้สึกถึงอาการห่วงให่รู้สึกถึงอารมณ์ห่วงใ่นะแล้วเกิดความเห็นว่าเนี่ยมันสักแต่วนๆไปแค่นี้เองวนไปเวปียนมาไม่รู้จบแล้วก็ไม่เกิดอะไรดีขึ้นไม่มีทางออกนี่พอเราเห็นแค่อาการวนๆเ น, นี่ยเป็นอาการของความไร้สาระมันไม่มีแกนฝานในที่สุดมันจะรู้สึกหยุด ยอย่างตอนนี้มันยังไม่หยุดนะคุณแม่จะยังรู้สึกว่าพอผมพูดถึงลูกหลานเนี่ยมันเหมือนนมีอะไรอ่อนๆอยู่นี่พอคุณแม่ยอมรับตามจริงว่ามันยังมีอาการหมุนเห็นไหมมันมันอ่อนกำลังลงมากเลยมันคล้ายๆกับเกือบๆจะหายไปมันแตกต่างไปนะเนี่ยตอนนี้มันยังมีอาการคาคาอยู่อีกนิดนึงคือแค่คุณแม่ยอมรับตามจริงว่ามันยังคาคารู้สึกไหมในที่สุดแล้วมันไม่มีอะไรเลย มันไม่มีอะไรเหลือเลยนี่แหละตัวนี้แหละคือที่จบของสังสารวัตรตอนที่ไม่มีอะไรคาใจเราได้ตอนที่มันไม่มีอาการหมุนวนไปตอนนี้มันเหมือนกับทำได้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะกลับมาห่วงใหม่อีกแหละคือเรื่องของเรื่องเวลาเราจเจริญสติเราดูอยู่แค่เนี้ยว่ายังมีอะไรคาใจเราอยู่หรือเปล่า ของคุณแม่เนี่ยคือมารู้จักธรรมะในช่วงเวลาที่เหมาะเพราะมันมันทําให้เราเหมือนได้เห็นเหมือ น, นได้สังเกตเข้ามาที่ใจตัวเองบ่อยนี่นี่ยังห่วงอยู่ไหมพอพอตัวเองนี่ทําไมมันไม่รู้สึกอะไรเลยแต่พอคิดถึงคนอื่นนี่มันมันไปเรื่อยเนี่ยตอนนี้แหละความความผูกพันตัวนี้แหละที่จะทําให้สังสารวัตรหมุนไปแต่เมื่อไร่ที่อาการหมุนวนที่ไร้แก่นสารตรงนี้มันหยุดลงได้ ด้วยอาการเห็นว่ามันไร้แก่นสารจริงๆคราวนี้มันจะไปอยู่ในที่ที่ดีที่สุดอย่างที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าบารมาสุขนะการหยุดนั่นแหละคือบารมสุขการหยุดนั่นแหละคือความเย็นการหยุดนั่นแหละคือนิพพานนะลองไปดูต่อนะครับเดี๋ยวโทษทีนะครับคอ อธิบายเพิ่มถึงอย่างของคุณแม่ครับทุกวันนี้ก็คือโบติคุณแม่ก็คือจะไปอยู่ที่จันท์แล้วก็ช่วงเช้าก็จะปฏิบัติเหมือนกับเดินจงกรมสักสองชั่วโมงแล้วก็ปฏิบัติแบบหลวงพ่อเทียนนะครับอีกสองชั่วโมงตอนเย็นก็จะสวดมนต์ไหว้พระตีเส้นหนึ่งชมตัวตีสักประมาณสี่สิบนาทีอทเออไม่เป็นเวลากว่านาทีแล้วก็หลังจากนั้นตอนช่วงที่เห็นนิมิตส่วนใหญ่ก็คือพอก่อนนอนก็อาจจะนั่งสมาธิ ดูพองหนอยุบหนอแล้วตรงนั้นก็คือเกิดซึ่งเวลาเกิดนิมิตรเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะเกิดอย่างอย่างอย่างที่ทราบแต่ก็มีบางครั้งที่เกิดเหมือนกับเห็นพวกดอกบงดอกบัวสวยงามเวลาเราเห็นสิ่งเหล่านั้นนี่คือให้เราตัดมันของน้งไปเลยหรือเล่าครับมันของรอดทั้งนั้นเนี่ยของมันของรอก็คือัดคือจริงๆเนี่ยช่วงเนี้ยโดยสภาพสังขารของคุณแม่นี่ขอขอข อ, ขออนุญาตพูดตรงไปตรงมานะพอสภาพสังขารมันรู้สึกว่าตัวเองเป็นไม้ใกล้ฟังเนี่ย มันมักจะมีความรู้สึกที่ใกล้ชิดกลเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนี้บางคนเนี่ยจะทำใจไม่ได้แล้วก็จะมีอาการต่อต้านนะมันมันจะเป็นความรู้สึกเหมือนกับคือ น, นิมิตจะมาในรูปของกิเลสรูปแบบต่างๆนะที่มันทำให้รู้สึกว่าเรากำลังต่อสู้แต่ของคุณแม่เนี่ย าการพวกนี้เนี่ยมาแสดงให้เห็นสะท้อนว่าใจใจของเราเนี่ยพร้อมจะปล่อยเพราะมันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกโห่มันคุ้นเหลือเกินมันเป็นความแตกดับทั้งนั้นเลยมันเป็นสภาพที่เขามาแสดงความจริงทั้งนั้นเลยซึ่งถ้าเป็นคนที่ยังสภาพสังขารร่างกายเนี่ยมันยังไม่เหมือนไม้ใกล้ฟังเนี่ย ถ้าถ้าเห็นสิ่งเหล่านี้มันจะดูเหมือนขนพองสยองเกล้าวน่ากลัวน่าหวาดหวันแต่ของคุณแม่เนี่ยรู้สึกเฉยเฉยเพราะใจเนี่ยมันมันไ ม, ไม่ได้ไปต่อสู้กะว่าเราจะยื้ออะไรอีกแล้วนะกับสังขารของตัวเองนี้คือที่ผมพูดไปเนี่ยมุ่งให้ดูไอ้สิ่งที่มันยังติดค้างอยู่คืออย่างเรื่องลูกหลานเนี่ยมัน มันเหมือนมีความผูกพันเหมือนมีความเป็นญาติเหมือนรู้สึกว่าตัดความเป็นญาติไม่ได้เข้าใจคําว่าความเป็นญาติใช่ไหมมันรู้สึกเนี่ยมันไม่อยากจากไปมันมีความอาลัยอยู่ซึ่งลักษณะความอาลัยผมชี้ให้ดูเป็นอาการทางจิตเนี่ยอาการทางใจเนี่ยนะมันเหมือนมีอาการหมุนวน แต่เดิมเนี่ยคุณแม่จะไม่รู้สึกว่าอาการหมุนวนนี้มันมันเด่นชัดอะไรแต่ช่วงหลังๆมันจะชัดมันวนไปวนมาเหมือนเหมือนอาการที่ว่าเราวิ่งไปแล้วหาทางออกไม่เจอนั้นเวลาดูเราดูตรงนี้เนี่ยคือแทนที่จะไปใส่ใจเรื่องดอก บ, บัวหรือว่านิมิตสบกลตายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตรงนั้นมันเป็นแค่เครื่องลองใจว่าใจของเราเนี่ยยังยึดเกี่ยวกับตัวเองอยู่ไหมเกี่ยวกับ เอ่ ه, ความตายอยู่ไหมแต่นิมิต ท, ที่มันเป็นอาการบกวนที่ผมชี้ให้คุณแม่ดูเมื่อกี้เนี่ยอันนี้เป็นนิมิต ท, ที่เกิดขึ้นจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งลองใจนะแต่มันเป็นสิ่งที่ฟ้องเป็นหลักฐานว่าเรายังยึดอยู่นั่นะพูดง่ายๆก็คือเราหันมาสนใจไอ้อาการตรงเนี้ยดูแบบที่ผมให้ดูเมื่อครู่นี้นะว่า ยอมรับตามจริงไหมว่าเนี่ยมันยังมีอาการวนๆอยู่เพราะคุณแม่รู้สึกเออรู้สึกมันวนๆอยู่มันมีอยู่แค่นี้เองอาการวนๆคือมันไม่ได้มีหน้าตาของลูกหลานปรากฏขึ้นมาในหัวมันมีแต่อาการรู้สึกวนๆ น, นี่คือการเห็นนิมิตที่เป็นหลักฐานของความยึดมั่นถือมั่นตัวนี้แหละที่เมื่อเราเห็นไปแล้วเนี่ยมันเกิดประโยชน์สูงสุดเพราะมันยังเป็นสิ่งที่คาเราเยึดเราให้คาอยู่กา ไอ้ความไร้แก่นสารของการหมุนไปพูดง่ายๆพอคุณแม่เห็นมันมันจะกลับมาวนซ้ําให้เห็นอีกเ อ, อไม่รู้กี่ร้อยกี่พันรอบแล้วคุณแม่ยอมรับไปพอพอรู้สึกว่าอาการวนๆมันหยุดแต่มันยังรู้สึกคาคาอยู่ก็รู้สึกเออเนี่ยยอมรับตามจริงมันยังคาคาและในที่สุดเนี่ยมันก็เข้าสู่ไอ้การเห็นแบบที่ผมบอกนะมันจะเป็นขั้นขั้น จากบนเป็นคาคาจากคาเป็นรู้สึกหายไปแล้วเดี๋ยวไม่ก็กลับมาใหม่เนี่ยอาการของสังสารวัตมันอยู่ที่ใจตรงนี้เลยนะครับ okay. สวัสดีค่ะหนูมาเป็นครั้งแรกเหมือนกันค่ะคือก่อนหนะ้านี้ ก่อนหนะ้าที่จะมีปัญหาเรื่องเนี้คือว่าได้ฝึกเจริญสติแล้วก็คือเรื่องไหนที่รู้สึกว่าคิดมันก็หยุดได้ตอนแรกเข้าใจว่าการที่เรามีความตั้งใจว่าจะรักษาศีนเนี่ยมันก็พอแล้วที่จะทำให้ชีวิตเร า, าปกติได้แต่ว่าพอหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นคือเพื่อนสนิทที่เป็นผู้ชายนะคะเคย ชวนกันทำบุญสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ตั้งใจด้วยกันว่าเออเดี๋ยวเราจะเป็นกัลยาณมิตรต่อกันชวนกันรักษาศีลแล้วก็ด้วยความที่เราใกล้ชิดกันมากมันมีความรู้สึกหนึ่งเกิดขึ้นเป็นความรู้สึกพึงพอใจต่อกันทีนี้มันเป็นความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายเพราะว่าเราตั้งใจว่าเราจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์กันทั้งคู่ทีนี้พอ ได้พูดคุยกันเนี่ยก็คิดว่าแล้วเราจะอยู่กันยังไงเพราะเราต้องเจอกันทุกวันเราจะมีการรับมือกับอารมณ์ความรู้สึกตรงนี้ยังไงเพราะว่ามันไม่ใช่เหมือนความรู้สึกอื่นมันไม่ใช่โกรธไม่ใช่โมโหไม่ใช่อะไรแต่มันเป็นความรู้สึกอยากอยู่ใกล้ชิดกันชอบที่จะสัมผัสกันทั้งที่มันเป็นความรู้สึกที่เกินไปกว่าธรรมดาซึ่งต่างคนต่างรู้กันอยู่แล้วทีนี้มันก็เลยหนูก็เลยต้องถามพี่ว่าอืม ตอนนี้เพื่อนหนูก็แก้ปัญหาด้วยกันตัดสินใจไปชอบผู้ชายด้วยกันซึ่งเพราะว่าเป็นความรู้สึกผิดที่มีต่อเพื่อนสนิทตัวเองเราหนูก็อยู่อย่างไม่ค่อยสบายใจค่ะเพราะว่ายังมีความรู้สึกว่าทำไมเราสองคนถึงต้องมีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นในความที่เป็นเพื่อนสนิทกันและเราต้องเจอกันทุกวันเราจะต้องมีการคิดมีวิธีการเจริญสติด้วยกันยังไงให้เราอยู่ด้วยกันให้มันกลับมาเป็น กัญยะนานมิตรกันเหมือนเดิมคือเราต้องช่วยกันยังไงอะคะให้เราผ่าน <Okay. S 1> ตรงนี้ไปด้วยกันได้ okay. สมัยหนึ่งที่พุทธศาสนาเนี่ยมีแต่ภิกษุสงฆ์นะแล้วก็มีอุบาสกอุบาสิกาสมัยนั้นพระเบอรเจ้าก็รู้สึกพอพระทัยอยู่แล้ว มีอยู่แค่นั้นวันหนึ่งญ า, าติที่มีบุญคุณกับพระองค์คือเคยให้ให้นมพระองค์มาเนี่ยนะเป็นเป็นพระนาแล้วก็พระนางประชาบาษเนี่ยนะเกิดอยากจะบวชขึ้นมาอยากจะเป็นภิกษุณีพระรัยองค์ก็ห้ามแล้วก็บอกว่าอย่าคิดอย่างนั้นเลยคือท่านไม่อธิบายอะไรละ ถ้านนเห็นก็บอกโอ้โหสงสารมีความรู้สึกว่ายังไงพระนางประชาบดีเนี่ยก็มีบุญคุณกับพระพิฆเจ้ามาขอให้นางได้บวชเถอะพระพิฆเนศก็ห้ามอยู่สามครั้งห้ามอยู่สามรอบบอกว่าอย่าพูดเรื่องนี้เลยอืขอให้ล้มเลิกความตั้งใจไปเถอะถ้านนก็ไม่ยอมลดละนะถึงขั้นที่ว่าเ อ, อถามทุนถามเอาแบบ ตรงๆเลยบอกว่าเนี่ยผู้หญิงเนี่ยถ้าหากว่ามาบวชในพุทธศาสนาเนี่ยมีสิทธิ์บรรลุสวดาบ a r ได้ไหมพระองค์ก็บอกได้มีสิทธิ์บรรลุสกทาคามมได้ไหมพระองค์ก็ยอมรัาามมมบมาได้บรรลุอนาคามีได้ไหมพระองค์ก็บอกว่าได้แล้วบรรลุอรหตัตผลน่ะมีสิทธิ์ไหมพระพเจ้าก็บอกว่าได้พระนรนก็บอกว่าอย่างนั้นทําไมถึงห้ามล่ะก็ในเมื่อ ผู้หญิงก็มีสิทธิ์ที่จะบรรลุธรรมได้เท่าเทียมกับผู้ชายการจะไปกีดกั้นเพียงเพราะว่าเป็นเป็นหญิงเนี่ยออพระนลบอกว่ามันเหมือนกับไม่ให้ความเป็นธรรมกับเพศหญิงพระเออจ้าก็เลยจำนนด้วยเหตุผลแล้วก็ยอมให้ผู้หญิงบวชได้แต่ว่าก็ไปตั้งกฎกติกาไว้มากมายตั้ง300ร้ข้อนะมากกว่าผู้หญิงเ อ, อมากกว่าผู้ชาย ผู้ชายที่เป็นพระเนี่ยแค่สอง้อยิบเจ็ดแต่ผู้หญิงที่บวชเป็นภิกษุณีเนี่ยสามร้อยเท่าไหร่ก็ไม่รู้จำไม่ได้3าม้อยกว่าข้อเยอะมากดูเหมือนไม่ให้ความเป็นธรรมกับสตรีเพศแี่พระพุทธองค์ก็อธิบายว่าหญิงชายอยู่ด้วยกันเนี่ยมันไม่มีหรอกที่จะสงบจากความรู้สึกทางเพศได้ถ้ามาอยู่ในอาวาสเดียวกันเนี่ยมันจะมีแต่ปัญหา และศาสนาพุทธเนี่ยถ้าสมมุติว่าจะมีอายุสักพันปีเนี่ยมันจะลงมาเหลือแค่ห้ารอยปีนี่พระพุทธเจ้าตอบบอกพระนนอย่างนั้นนะนี่เพระเาะฉะนั้นเราก็มองอย่างนี้คำว่ากรารยนานมิตรเนี่ยระหว่างหญิงชายเนี่ยคือมันมีได้ถ้าอยู่ห่างกันแต่ถ้าเมื่อไหร่อยู่ใกล้กันนะมันไม่มีคาคานี้หรอกมันมีแต่ความรู้สึกอยากเป็นคู่กัน เหมือนที่ผ่านมาเนี่ยภิกษุกับภิกษุณีมาอยู่ในอาวาสเดียวกันเนี่ยนะอยู่ในรั้วเดียวกันเนี่ยมันเกิดปัญหามากมายส่วนใหญ่ก็เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แนะคือตอนแรกยิ่งเรามีความรู้สึกปรารถนาดีที่บริสุทธิ์ใจมากเท่าไหร่พอผูกพันใกล้ชิดกันไปมันจะยิ่งรู้สึกดีมากขึ้นเท่านั้นมันจะเหมือนกับขาดกันไม่ได้ขาดกันและกันไม่ได้ ตรงนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติที่ไม่ใช่เราจะไปหักห้ามหรือว่าบอกเฮ้ยต้องไม่เกิดนะต้องเกิดเฉพาะความรู้สึกที่มันเป็นสหายธํามกันพอไปพูดง่ายๆพอเราตั้งมุมมองไว้ผิดตั้งแต่ต้นพอเกิดปัญหาแล้วมันแก้ยากมันไม่มีคําตอบที่ว่าพี่พูดอะไรไปแล้วนี่นะเอาไปทําอย่างนี้แล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการ กับสิ่งที่เราปฏิบัติบางทีมันสวนทางกันมันสวนทางกันตั้งแต่เริ่มโดยรู้เท่าไม่ถึงการคือมันไม่ได้มีความผิดของใครนะมันไม่ได้เป็นความผิดพลาดหรือว่าเป็นความใครทำบาปทาผิดอะไรแต่มันเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับใจของเราเมื่อใกล้ชิดกัน ด้วยความรู้สึกที่มันแสนบริสุทธิ์แสนดีขนาดนั้นในขั้นต่อไปก็คือต้องตกลงกันว่าเราจะเอาอยัางไงนะคือความเป็นไปได้มันไม่ใช่ว่าเราจะไปสั่งให้ใจมันรู้สึกอย่างไรแต่ความเป็นไปได้คือเราจะบอกตกลงกันว่าจะปฏิบัติต่อกันอย่างไร เข้าใจพลอยนะไม่ใช่จะไปก่าเกณฑ์ที่ใจแต่ให้ก่าเกณฑ์ที่กรอบที่กติกาของการตกลงกันนะว่าจะอยู่ร่วมกันแบบไหนอยู่ร่วมกันแบบกเรยันมิตรที่แท้จริงเนี่ยบางทีเอาแค่คุยทางไลน์ก็ได้แค่คุยทางเฟซก็ได้นะแต่ไอ้ที่มาส่วนพลด้วยกันทุกวันนั่นนะร้อยทั้งร้อยมันเพื่อที่จะผูกพันกัน ผูพกพันกันทางใจแล้วยิ่งยิ่งมันมีความรู้สึกที่ดีต่อกันมากขึ้นเท่าไหร่นะสายสัมพันธ์เนี่ยมันยิ่งแน่นแฟนมากขึ้นเท่านั้นแก่ยากขึ้นเท่านั้นถ้าเราไม่ได้ต้องการที่จะผูกมัดอยู่กับใครอยากใกล้กติกามันมีอยู่แค่นี้เนี่ยคือเอาไปเล่าให้เขาฟังเลยนะว่าความผูกพันเนี่ยบางทีมันมันเกิด ขึ้นจากการอยู่ใกล้กันแล้วเกื้อกูลกันมีความรู้สึกที่ดีต่อกันแล้วก็ไม่สามารถที่คือตั้งกติกาทางกายเนี่ยง่ายแต่ตั้งกติกาทางใจเนี่ยอย่าหวังไม่ใช่ยากนะแต่เป็นไปไม่ได้เข้าใจนะเวลาที่เราตั้งกติกาแล้วเราเข้าใจขอบเขต จะอยู่ร่วมกันแล้วอะคะเวลาที่มีความรู้สึกแบบนี้ขึ้นอีกเราคือแค่แค่นนรู้ล่มันมีขึ้น อ, อยู่กับตกลงกันถ้าสมมุติว่าสมมุตินะสมมุติว่าเราจะใช้ชีวิตเป็นครรวาสไปเรื่อยๆแล้วจะอยู่ร่วมกันเนี่ยมันไม่เห็นเสียหายตรงไหนแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเข็มชีวิตของเราเนี่ยมันตั้งไว้ที่การประพฤติสรรมจ ร, จริงๆก็บอกว่าเออ ต่อไปถ้าอยู่ห่างกันแล้วเนี่ยใจเกิดความคิดเกิดความรู้สึกประวัติถึงกันขึ้นมาเนี่ยให้มองเป็นเครื่องมือปฏิบัติเครื่องมือฝึกจิตอย่ามองเป็นเครื่องร้อยรัดที่มันจะต้องเอาชนะหรือไม่เอาชนะ ค, คืออย่าไปมองเป็นเรื่องยอมแพ้หรือว่าเอาชนะอารมณ์ทางใจแบบนั้นแต่ให้มองเป็นเครื่องฝึกเป็นอุปกรณ์ฝึกเข้าใจพ้อยหมคือถ้าเรามองเป็นเครื่องฝึกเนี่ย เราจะเห็นว่าเออมันเกิดขึ้นนะมันหายไปหรื อ, อยังมันเปลี่ยนระดับไปหรื อ, อยังมันลดระดับลงหรือว่าเพิ่มระดับขึ้นมาแต่ถ้าเราจะไปเอาแพ้เอาชนะกับมันเนี่ยคือเราจะไม่ใจเย็นเราจะไปใช้สองวิธีหักดิบเอาแบบกัดฟันไม่รู้สึกไม่รู้สาอะไรทั้งสิ้นฉันเป็นหินฉันเป็นเทวรูปนะก็อีกอันหนึ่งคือยอมแพ้ปล่อยเลยตามเลยเข้าใจพอยไหม นี่นี่คือเรียกว่าเอาแพลวชนะแต่ถ้าเอาเป็นเครื่องฝึกเนี่ยพอมันเกิดขึ้นนมไม่รู้สึกรู้สาอะไรมากไปกว่า camping, เ อ, อ่อยอมรับว่ามันเกิดขึ้นแล้วแป๊บหนึ่งมันลดระดับลงอ่ะยอมรับตามจริงว่ามันลดระดับลงอายลมหายใจเป็นเครื่องสังเกตลมหายใจใจนี้มันเกิดความรู้สึกคิดถึงมากอีงลมหายใจต่อมามันรู้สึ ก, กว่าค่อยๆแผลวลงไปหรือมันกลับขึ้นมาใหม่นี่คือเรียกว่าตั้งมุมมองไว้ว่าจะเอาเป็นเครื่องฝึก อุปกรณ์ฝึกเข้าใจนะสวัสดีค่ะมาครั้งแรกนะคะก็เหมือนได้ปฏิบัติมาเรื่อยๆประมาณสีปีกว่าก็มีสติรู้บ้างม่รู้บ้างเผลอบ้างนะคะแล้วก็จะมีความมั่นใจที่อยากจะต้องเอียงนิดนึ่งต้องเอียงแบบนี้ไหน เอียงเีง <Okay. S 1> เอแล้วสี่้างขามันมันมีเงื่อไขนิดหนึ่งโทษค่ะคือมาครั้งแรกนะคะแล้วก็ได้ปฏิบัติมาประมาณ4ี่ปีกว่าก็มีสติบ้างรู้ตัวบ้างเพลอเมื่อบ้างนะคะแล้วก็มีการนั่งสมาธิ เรื่อยๆนะคะแต่ไม่ได้เยอะมากนะคะแล้วก็เหมือนพยายามจะมีสติรู้ตัวในระหว่างการทำงานนะคะแต่เหมือนก็อยากจะให้ช่วยชี้แนะอะค่ะว่าเหมือนจะทำยังไงให้เหมือนดีขึ้นพัฒนามากขึ้นกว่านี้นะคะ่ะเหมือนมันบางทีเนี้ย เผล อ, อเผลอไปเลยทั้งวันกับงานเพราะว่าบางทีอาจจะต้องพูดเยอะอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้อยู่กับลมหายใจแต่ถ้าเกิดว่ากลับมาแบบอยู่นิ่งๆก็จะรู้ตัวบ้างะคะ่ะแล้วก็ถ้าเกิดกลับมาได้นั่งสมาธิก็จะบางทีก็ฟุ้งมากบางทีก็มีสมาธิมากนะคะอย่างเมื่อกี้เนี่ยที่นั่งอยู่ในห้องแบบรู้สึกดีนะคะเหมือน เหมือนอยู่ได้แต่บางทีไปเลยบางทีก็หลับเลยบางทีก็ฟุ้งมากเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเรานั่งสมาธิเยอะๆเหมือนถ้าบางครั้งม่โอกาสนั่งได้เป็นแบบถึงชั่วโมงนึงร่างกายมันเหมือนจะชอบออแปรปัวนะคะเหมือนขาก็อาจจะกระตุกขึ้นมาอย่างเงี้ยคะ่ะเหมือนคุมมันไม่ได้ก็พยายามจะกลับมาอยู่กับลมหายใจแต่ว่าเหมือนก็ได้บ้างไม่ได้บ้างะคะ่ะแล้วก็เหมือนผ่านจุดนี้ไปไม่ได้สักทีคือต่อไปเนี่ยนะสังเกตสังเก ต, เกตอย่างที่ผมไกด์ใ น, ในช่วงต้นนั่นแหละ ของคุณเนี่ยสังเกตที่เท้าก่อนอย่าสังเกตที่ลมหายใจเพราะพอสังเกตลมหายใจเนี่ยมันจะมีความรู้สึกเหมือนเหมือนเป็นรียวเรียวเขึ้นมาในหัวแบบมันเครียดขึ้นมานิดหนึ่งมันสะสมมาในจากการทํางานเนี่ยนะบางทีมันจําเป็นต้องพูดจําเป็นต้องคิดอะไรมากๆเนี่ยแล้วเราไปสังเกตลมหายใจทันทีมันจะรู้สึกเป็นรียวเขึ้นมาเคยรู้สึกไหมเหมือนกันในหัวมันแล่นขึ้นมานะนั้นเป็นความเครียดนักษณะความเครียดอย่างหนึ่ง แต่ถ้าหากว่าเราเริ่มต้นขึ้นมาสังเกตจากฝ่าเท้าก่อนมันจะควบคู่กันเลยนะตอนที่เรารู้สึกว่าเครียดขึ้นมาเนี่ยฝ่าเท้ามันจะเกร็งมันมันจะรู้สึกเหมือนแน่นๆเอาจากตรงนั้นก่อนนะคือถือเป็นจุดเริ่มต้นเป็นบันไดขั้นแรกเลยนะแต่ละครั้งเนี่ยให้เอาอย่างนี้เลยฝ่าเท้าฝ่ามือแล้วค่อยไล่ขึ้นมาว่าตอนนี้ร่างกายมันอยากจะได้ลมหายใจขึ้นหรือ ย, อยัง ถ้ารู้สึกอยากได้ลมหายใจแล้วสูดเข้ามามันจะรู้สึกสดชื่นได้อาการเป็นริ้วๆเนี่ยมันจะหายไปมันจะไม่มีที่ผ่านมามันเหมือนกับว่าพอเรามีภาระมีอะไรต้องออคิดเร็วๆคิดเยอะๆอยู่แล้วเนี่ยนะพอไปเพิ่มภาระคือดูลมหายใจขึ้นมาอีกเนี่ยมันเหมือนกับไปกดดันให้ตัวเองเนี่ยได้ต้องต้องทำสองอย่างทำภาระสองอย่าง มันเลยไม่มีความชอบใจที่จะเจริญสติในระหว่างวันมันก็เลยหนีออกไปด้วยอาการที่ว่าเหมื่อตลอดแต่ถ้าหากว่าระหว่างทํางานเลยเราสํารวจอยู่เรื่อยๆแม้กระทั่งเนี่ยอย่างผมพูดอยู่อย่างเงี้ยบางทีมันก็รู้สึกขึ้นมาเออเท้ามันไปนเกร็งหรือเปล่านะบางทีมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเนี่ยมันมันแน่นขึ้นมาหรือเปล่าก็สังเกตได้นี่ก็คือเจริญสติแล้วเมื่อเจริญสติ สามารถเห็นความเป็นไปทางกายนะมันก็จะรู้สึกขึ้นมาว่าเออถึงเวลาหายใจมันหายใจด้วยความปลอดโปร่งมันหายใจด้วยอาการรู้สึกว่าดีจริงๆเนี่ยตัวนี้สติมันก็เกิดขึ้นเรื่อยๆคือไม่ใช่ว่าสติที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะไปอยู่กับลมหายใจท่าเดียวนะแต่มันอาศัยลมหายใจที่เข้าออกอยู่เนี่ยเป็นตัวสังเกตเป็นจุดสังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นภายในขอบเขตกายกับขอบเขตใจเนี้ย พะเรามีความเคยชินที่จะสำรวจอย่างที่ผมว่าเนี่ยมันจะมีความรู้สึกเหมือนกับอเรียบ ท, ที่กาลัลางนั่งอยู่กลาลังยืนอยู่ก็ตามกลาลังเดินอยู่ก็ตามมันปรากฏอยู่เรื่อยๆเช่นกันเพราะอะไรเพราะว่าฝ่าเท้าเนี่ยพอเรารู้มันนะมันเหมือนกับทั้งตัวเนี่ยปรากฏตามเลยโดยไม่ต้องฝืนนึกโดยไม่ต้องไปพยายามเข็นว่าฝ่าเท้าเนี่ยมันเป็นจุดรองรับน้าหนักทั้งหมดของร่างกาย นี่พออย่างท่านั่งเนี่ยเรารู้สึกถึงฝ่าเท้าที่มันวางไปเฉยๆเนี่ยน้ำหนักมันจะมีแค่ช่วงนักแข้งที่มันรับน้ําหนักอยู่มันไม่ได้หนักมากนะมันจะมีช่วงต้นขามีช่วงแก้มก้นนะช่วงหลังที่มาผ่อนมามาช่วยแบ่งเบาน้ําหนักเนี่ยตัวนี้มันก็เกิดการสังเกตไล่ขึ้นมาแล้วเราก็จะรู้สึกถึง ่ความเป็นไปภายในขอบเขตของก่ว่ามันเกรงอยู่ตรงไหนบ้างหรือเปล่าพอสํารวจสังเกตอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะต่อไปเมื่อหายใจเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งของเครื่องสังเกตของตัวที่ของจุดสังเกตว่าหายใจสบายอยู่หรือเปล่าหรือว่าหายใจแล้วมันเกิดริ้วๆขึ้นมาในหัวถ้าเกิดริ้วๆขึ้นมาในหัวนี่แสดงว่าตอนนั้นรีบร้อนเกินไปละมันเป็นเครื่องบอกได้ แต่แล้วระหว่างวันเนี่ยนะถ้าเราสังเกตอาการทางกายอยู่อย่างนี้ผลพลอยได้ขั้นขั้นสุดท้ายก็คือเราจะรู้สึกถึงอาการทางใจว่าอย่างของคุณเนี่ยบางครั้งอยู่ในงานนึงใจมันแล่นไปอีกงานแล้วเคยรู้สึกไหมรู้สึกอยู่บ่อยๆไหมว่าเนี่ยงานตรงนี้ยังไม่เสร็จเนี่ยห่วงไปอีกงานแล้วเ ด, เดี๋ยวจะทันเวลาหรือเปล่าเออเดี๋ยวจะโน่นเออเดี๋ยวจะนั่นมั น, ม, นมันมีหลายนัดคือแต่ละวันเนี่ย มันคล้ายๆว่าเราไม่ได้อยู่กับงานใจเราไม่ได้โฟกัสอยู่กับงานเดียวมันชอบแล่นไปหางานอื่นแล้วก็รู้สึกว่าห้ามตัวเองไม่ได้ที่จะไปห่วงนะอย่างห่วงเรื่องเวลาเรื่องเกี่ยวกับเวลาเนี่ยจะกังวลค่อนข้างเยอะใช่ั้ยว่าจะทันหรือไม่ทันอะไรแบบนี้นะแล้วก็จะ มีความคิดเกี่ยวกับเรื่องของคือคือกลัวกลัวจะทําไม่ดีพอกลัวจะพูดไม่ดีพออะไรทํานองนั้นแหละลักษณะความห่วงลักษณะความกังวลไม่ว่าจะห่วงเรื่องเวลาไม่ว่าจะห่วงเรื่องว่าเออจะสําเร็จไม่สําเร็จดีพอไม่ดีพออะไรต่างๆเนี่ยมันจะมาในรูปของอะไรคลื่นความร้อนในหัว เข้าใจคำว่าคลื่นความร้อนในหัวไหมมันจะเหมือนมีอะไรร้อนๆอยู่ ท, ท, ทั้งๆที่บางทีเนี่ยบางเรื่องเราไม่ได้ให้ค่ากับมันมากแต่มันก็ทำให้เรารู้สึกร้อนๆในหัวได้อยู่ดีเพราะมันเป็นความกังวลอันเดียวกันที่สะสมมานานเป็นนิสัยความเคยชินทางจิตที่จะสะสมความกังวลมาในรูปแบบนั้น กลัวไม่กลัวไม่ได้กลัวไม่ทันกลัวไม่สําเร็จกลัวไม่ดีพอนะนี้ถ้าเราเริ่มสังเกตเข้ามาที่กายอย่างที่ว่าตอนแรกแล้วมันมีความพร้อมที่จะเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นมาเป็นริ้วๆขึ้นมาในหัวนะเกิดความรู้สึกร้อนๆขึ้นมานนะเห็นให้มองเห็นเป็นภาพทางใจเห็นเป็นภาพทางใจไปเรื่อยว่าเนี่ยมันผุดเกิดขึ้นมา แล้วถ้ามันไม่ถูกรู้ไม่ถูกสังเกตมันก็จะร้อนอยู่อย่างนั้นหรือว่าดิ้นพล่านต่อไปแต่ถ้าถูกสังเกตเนี่ยมันจะเย็นลงแบบนี้มันจะรู้สึกเหมือนส ง, งบเย็นพอมันส ง, งบพอเย็นลงแล้วอย่าหยุดตรงที่พอใจเมื่อมันเย็นแล้วสบายแล้วแต่ให้สังเกตต่อไปว่าบางครั้งที่มันเย็นได้เพราะเราสังเกต แต่ถ้ามันกลับไปสู่ความเคยชินนิสัยแบบเก่าๆมันร้อนขึ้นมาใหม่ล้วก็เห็นอีกเห็นสลับไปสลับมาตามจริงด้วยอาการยอมรับไม่ใช่ด้วยอาการที่ว่าพอเย็นแล้วฉันเย็นแล้วรู้สึกพอใจแล้วอยากจะให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปหมาย ห, หัวมันไวเลยว่ามันจะมาเดียวๆอาการร้อนๆก็เหมือนกันคืออย่าไปคิดว่าเราจะต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไป กาไวเลยว่าเดี๋ยวมันก็จะต้องเย็นลงได้ถ้าถูกเรารู้ถูกเรายอมรับนะสวัสดีค่ะก็ปฏิบัติมานานเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันก็จำได้จำหน้าได้นานแล้วเจอกันนานแล้วค่ะก็แต่ว่ามันก็ไม่ค่อยต่อเนื่องนะคะแต่ว่าคำถามที่มีเนี่ยก็คือว่า ปกติเนี่ยไม่ได้ทําอานาปนาสติเลยเพิ่งมากลับเพิ่งมาเริ่มทําเมื่อไม่นานมานี้ปกติก็จะเหมือนปฏิบัติตามสายุคงหน่อพ้องน่อเจริญสติทั่วไปอะคะ่ะแต่ก็รู้สึกว่าก็ทําได้ก็ก็รู้สึกมีความสุขสงบที่จะดูลมหายใจนะคะแต่ว่าตัวเองเนี่ยพื้นฐานเนี่ยอย่างเมื่อกี้เนี่ยตอนที่ช่วงต้นเนี่ยรู้สึกไหมมันมันยังมีอาการสั่งตัวเองอยู่ สั่งสงให้อย่างนั้นสั่งให้อย่างนี้คือมีมอาการกําหนดอืมันมีความเคยชินอืก็เป็นไปได้ค่ะเดี๋ยวรู้สึกไหมคือถ้าทบทวนไปเนี่ยมันเหมือนกับกาหนดให้มันมีอาการกําหนดน่ะกําหนดให้รู้สึกถึงลมหายใจอย่างนี้กําหนดให้เกิดอาการพองอย่างนั้นอย่างนี้นะคือคือไม่ว่าจะปฏิบัติมาอย่างไรก็แล้วแต่มันจะมีความเคยชินติดตัวอยู่เสมออืม นะความเคยชินตรงนั้นเนี่ยคือแทนทีเ่เราจะมองว่ามันผิดหรือถูกอะไรยังไงเนี่ยนะขอให้มองว่ า, เ, าเป็นสิ่งที่เราสามารถสังเกตได้ว่าตอนเนี้ยเรายังมีตรงนั้นอยู่แล้วก็มาบวกกันว่าอย่างที่ผมบอกว่ า, เ, าเราดูเท้าไปเราดูมือไปเนี่ยนะแล้วเห็นตามจริงว่าสภาวะมันเป็นยังไง บางทีเราจะรู้สึกเหมือนกับว่าสํารวจไปแล้วมันไม่ชินมันมันยังไม่ได้รู้สึกตามนั้นนะมันมันจะกลับมาหาอ้อะไรที่เราเคยชินแบบเก่าๆมากกว่าแล้วก็ดูไปเนี่ยว่าเรากําลังเคยชินอยู่ยังไงแล้วเราสํารวจไอ้สภาพที่มันปรากฏทางกายทางใจตามจริงหรือเปล่านะพูดง่ายๆว่า อาการสํารวจตามจริงกับอาการเคยชินเนี่ยบางทีมันแยกกันอยู่คนละเลเยอร์ถ้ายิ่งเราสํารวจตามจริงมากขึ้นเท่าไหร่นะมันก็จะยิ่งเกิดอาการยอมรับเกิดความเป็นสติแล้วมันก็ไม่ได้เสียความเคยชินไม่ได้ไปรบกวนความเคยชินเก่าๆด้วยนะเมื่อกี้จะพูดยังไงต่อค่ะแล้วก็คือปัญหาตอนนี้นะคะก็คือว่าบางทีมันจะมีความ เหมือนจะเคยมีช่วงที่บางทีรู้สึกแบบเป็น depression เ mm hmm. บือ่อซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ mm hmm. แล้วก็เราก็พยายามดูความรู้สึกแต่พอดูเนี่ยก็รู้สึกเราดูมันตามความเป็นจริงเลยแต่เหมือนเอาไม่อยู่อะคะ่ะมันเหมือนว่าดูดูแล้วก็พยายามปล่อยวางดูมันจริงๆอะนะคะว่าเออมันตื้อๆมันหนักๆมันถ่วง แต่<อ>ช่วงวดิเพรสจริงๆเนี่ยมันเริ่มมีอาการผิดปกติทางกายทางใจแล้ว ม, มันแก้ไม่ได้ด้วยอาการดูตามจริง <c oughs> <c oughs> มันเริ่มจากการพยายามที่จะเอาอะไรดีๆใส่เข้าไปแทนที่ซะก่อนให้มันเกิดาการเจือจางก่อน อ, อย่างเช่น <c oughs> เนี่ยอย่างมานั่งผ่อนคลายด้วยการสำรวจไล่ขึ้นมาเท้ามือนะที่หัวคือมันมันมันจะรู้สึกดีขึ้นนิดนึงเสมอ ถ้าหากว่าเรารู้ตามจริงแล้วมันคลายลงได้แต่ท่ว่ า, าการดิเพรสเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเกิดจากอาการที่ใจไปยึดความรู้สึกเศร้าเป็นก้อนๆนึก<ม>ออกไหมมันมันจะรู้สึกเหมือนกับว่าชีวิตเราถูกห่อพุ้มถูกอัดเข้ามาด้วยก้อนอะไรบางก้อนที่มันออกไปไม่ได้เหมือนอุดปากอุดจมูกเหมือนมาดันให้รู้สึกอึดอัดที่หน้าอกนะเนื้อเหมือนกับไปไปเค้นต่อมน้ําตา ให้อยากแตกขึ้นมาอย่างเนี้ยลักษณะที่ตัวความเศร้าวความหดหูมันปรากฏอยู่เ อ, อ, อย่างหนาแน่นเกินกว่าที่เราจะไปรับรู้เนี่ยนะถ้าเราไปฝืนพยายามเจริญสติรู้อาการดีเพรสตรงนั้นตรงๆมันจะยิ่งรู้สึกเหมือนกับว่าเราเหนื่อยมากขึ้นแต่ถ้าเรามานั่งบอกว่าโอเคตอนเนี้รู้สึกแย่นะรู้สึกอึดอัดที่อกนะ รู้สึกเหมือนกับชีวิตเนี่ยมันมันไม่เหลืออะไรที่แบบดีๆอยู่เลยเพราะเพราะไอ้ความรู้สึกตรงเนี้ยหน้าที่ของมันคือมาทําให้รู้สึกว่าไม่มีอะไรดีๆเหลืออยู่เลย <c oughs> แล้วก็มานั่งเหมือนกับเออดูไอ้อตอนที่รู้สึกอยู่อย่างนี้เนี่ยมันมือมันกำไหมส่วนใหญ่มันจะกำนะคื อ, ค, อคือไม่ใช่กำอย่างนี้เสมอไปมันมันอาจจะงองออยู่แต่อยู่ในอาการเกร็งถ้าเรารู้สึกเออวางมือสบายๆที่เท้า าวางมือสบายๆ ท, ที่ที่ตักแล้วก็ดูที่เท้าว่าเออมันมีอาการผ่อนพัก อ, อยู่ไหมตามสบายเหมือนกับฝ่ามือไหมนะใบหน้ามันจะขมวดอยู่เอยอมรับตามจริงคือไม่ใช่ยอมรับที่ตัวนี้แต่ยอมรับที่สภาวะทางกายมันมันเป็นการเบี่ยงประเด็นไปคือไม่ไปสู้กับอะไรที่เราสู้ไม่ได้ แต่ไปรู้ไปยอมรับกับอะไรที่มันพอจะยอมรับได้ง่ายๆพอเรายอมรับได้ง่ายๆตัวนี้มันจะมีแก่จิตแก่ใจหายใจอย่างสบายๆขึ้นมาไม่งั้นมันไม่ไม่อยากหายใจไม่อยากรับรู้ว่าลมหายใจมันยาวหรือมันสั้นมันเข้าหรือมันออกนี่พอร่างกายสบายแล้วหายใจได้แล้วเนี่ยนะตรงนี้มันจะมีความสุขขึ้นมา คือแทนที่จะมีแต่ความรู้สึกอึดอัดแล้วก็ไม่เหลืออะไรดีๆในชีวิตเลยเนี่ยมันกลายเป็นเออมีอะไรดีๆขึ้นมาแทนที่ทันทีแล้วความรู้สึกดีๆตรงนั้นเนี่ยมันจะนํามาซึ่งไอ้ภาพแล้วก็ความคิดด้านสว่างไม่ใช่ภาพและความคิดที่เกิดจากความอึดอัดอย่างเดียวฐานของความรู้สึกเนี่ยอันนี้พระพุทธเจ้ า, ยาสอนนะ ตามหลักของขันห้าเนี่ยความรู้สึกมันจะมาก่อนคือความรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์คือความรู้สึกอึดอัดหรือความรู้สึกสบายอย่างตอนที่เรา d e p r e s e เนี่ยมันจะอึดอัดมันจะแน่นไปหมดเลยมันจะเหมือนมีก้อนอะไรมืดๆ ม, มาปิดชีวิตของเราเนี่ยทให้ชีวิตของเราเนี่ยมันมันอยู่ในอาการมองอะไรไม่ออกดูอะไรไม่เห็นนี่พอเราเริ่มเข้าสู่ความเป็นอานาปานัตสติเนี่ย สติมันเลิกมันมันถอนออกจากเรื่องข้างนอกแล้วก็เข้ามาอยู่ในอาการภายในเบาเนื้อเบาตัวขึ้นมาแล้วหายใจได้แล้วนตะัวความสุขไอความรู้สึกที่มันสามารถมีความสามารถจะเห็นได้ว่าลมหายใจมันไม่เที่ยงมันจะเป็นความสามารถอันเดียวกันกับความกับกาที่เราจะไปเห็นว่าไอก้อนที่มันมันเปิดชีวิตของเราอยู่เนี่ยมันเป็นอะไรที่ เกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยอย่างหนึ่งแล้วมันต้องหายไปเป็นธรรมดาหายไปถ้าหากว่าเหตุปัจจัยตรงนั้นมันหมดไปนั่นคืออาการตรึกนึกถึงเรื่องที่น่าเศร้าหรือว่าเรื่องที่มันไม่น่าพอใจในชีวิตนั่นเองเรามานึกถึงความจริงไม่ใช่นึกถึงไอ้สิ่งที่ไม่น่าพอใจตัวนี้ความสุขมันก็เข้ามาแทนที่แล้ว พอเราเห็นไปครั้งแรกมันจะเหมือนกับโอ้เออเข้าใจแล้วมีความสุขแต่แล้วเราก็จะมาพบกับความจริงว่าเดี๋ยวมันก็อืดอัดขึ้นมาใหม่เดี๋ยวมันก็เหมือน เ, เหมือนจะมีอะไรเข้าเคลื่อนเข้ามาครอบงมจิตใจเราได้อีกเราก็ทำอีกตรงนี้เนี่ยคือสิ่งที่เราจะได้เห็นเป็นครั้งครั้งไปว่ามันมืดเพราะเหตุปจัจจัยแล้วก็สว่างขึ้นได้ด้วยเหตุปจัจจัยเช่นกัน แต่จะไม่จมอยู่กับความรู้สึกว่าไม่มีทางที่อะไรจะดีขึ้นนะที่ผ่านมาก็แบบใช้วิธีคือหอเอาไม่อยู่อะค่ะก็จะพิจารณาแบบธรรมะหรือว่าหลักปรัชญาอะไรที่เราชอบนะคะแต่ก็เนี่ยค่ะก็คือคำถามว่าไม่เป็นไรใช่ไหมเพราะว่ามีความรู้สึกว่าดูไปเรื่อยๆแต่ว่ามันมันเหมือนมัน มันเอาไม่อยู่อาจจะเหมือนที่ทำแม่หรือว่าหลักปรัชญาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะมันเป็นอาหารจานด่วนค่ะที่เข้ามากระแทกให้ปมความรู้สึกเนี่ยมันหลุดออกไปชั่วคราวแต่มันไม่ใช่ของจริงก็เนี่ยอยากก็เลยอยากปรึกษาเนี่ยค่ะเพราะว่าปกติก็พิจารณาพอเอามาพิจารณามันก็เหมือนเป็นยาได้ปุ๊บดีขึ้นพักนึงมันไม่พักนึ่งละแค่ห้านาทีเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่แล้วค่ะนะ ความคิดมันเป็นของที่มาไวไปไวไม่ว่าจะเป็นความคิดด้านดีหรือว่าเป็นความคิดด้านร้ายแต่สติความรู้สึกความรู้ตัวความรู้แจ้งเห็นจริงเมื่อเกิดขึ้นแล้วเมื่อจุดประกายขึ้นได้แล้วมันอยู่นานแล้วก็อยู่ทน เพราะว่าสติในแบบของพุทธเนี่ยไม่เอาอเหตุผลหรือว่าความคิดที่ซับซ้อนเป็นที่ตั้งแต่เอาความจริงที่ปรากฏอยู่ในอริยาบทนี้ความจริงที่ปรากฏอยู่ในอาการทางใจอย่างนี้นะเป็นที่ตั้งอาการทางกายกับอาการทางใจเนี่ยมันปรากฏอยู่ตลอดชีวิตเปลี่ยนหน้าไปเรื่อยสลับฉากไปเรื่อย เวลาเราฝึกเราฝึกเห็นความจริงตรงนี้ว่ามันสลับฉากไปเรื่อยๆหมายความว่าจะเป็นวันไหนก็ตามชั่วโมงไหนก็ตามวินาทีไหนก็ตามที่เราเห็นความจริงในแบบที่พระพุทธเจ้าชี้ให้เห็นเนี่ยเราจะกลับมาที่ความรู้สึกสามารถยอมรับอะไรตามจริงได้เสมอ แต่หลักปรัญญาหรือว่าทําแม้แต่ธรรมะแบบคิดๆก็ตามนะมันช่วยได้เป็นครั้งครัแต่ถ้ามันดื้อยาแล้วบางทีมันเหมือนกับช่วยอะไรไม่ได้แล้วอย่างบางคนเนี่ยมีสมัยหนึ่งที่บอกว่าฟังเพลงอะไรนะก้อนก้อนหินอะไรที่ไม่มีใครทําร้ายเธอได้เท่าใจของเธอเองเนี่ยโห่ตอนนั้นฮิตมากเลยเพราะว่าคือคนเนี่ยเป็นโรคทางใจ ทำร้ายตัวเองกันมากนะฟังแล้วมันโดนเหลือเกินแต่ฟังไปฟังมาชอบมีคนมาบอกว่าทำไมรู้สึกมันไม่หายเศร้าแล้วล่ะมันมันเกิดความรู้สึกว่าไอ้ฟังครั้งแรกนี่รอบแรกมันหายเศร้าเลยนะได้คิดแล้วก็เปลี่ยนชีวิตไปเป็นคนละคนอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ทีต่ต่อมาหรือว่าเดือนต่อมาเนี่ยพอกลับไปฟังอีกรอบหนึ่งมันแก้ไม่ได้มันช่วยไม่ได้แล้วนั่นแสดงให้เห็นว่าความคิดเนี่ยมันเป็นของหลักลอย มันไม่มีที่ตั้งของความจริงที่ชัดเจนนะสู้กายแล้วก็ภาวะทางใจไม่ได้รู้เข้ามาเมื่อไหร่มันก็จะเห็นความตั้งมั่นของความจริงที่มันยังคงอยู่ให้เห็นเมื่อนั้นความจริงอะไรมีให้เห็นบ้างความจริงว่ามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันไม่มีภาวะไหนที่มันอยู่กับที่นะแม้กระทั่งภาวะความรู้สึกที่มันเศ้าหมอง ความรู้สึกที่มัน d e p r e s s จะเป็นก้อนหนักขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้ามีเหตุปัจจัยมาแทนที่ถ้ามีความสุขเข้ามาชดเชยกัน้ตรงนั้นมันก็หายทันทีหรือว่าเปลี่ยนระดับทันทีด้วยการฝึกที่จะเห็นอย่างนี้บ่อยๆจนกระทั่งเกิดความเคยชินมันเท่ากับใช้ชีวิตที่เหลือทั้งชีวิตเนี่ยนะบนเส้นทางของการรู้ธรรมะจริงๆ ร, รู้ธรรมะของจริงรู้ธรรมะโดยความเป็นสภาวะธรรม และเมื่อรู้ไปถึงที่สุดถึงจุดหนึ่งนะมันไม่ต้องคิดอะไรอีกแล้วมันรู้เข้าไปอย่างเดียวแล้วก็รอการแตกหักกับกิเลสได้เลยนะเมื่อกี้อย่างที่ถามพี่ตูนนะคะว่าถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยรู้สึกว่าเอาไม่อยู่แล้วเราพี่ตูนก็แนะนำไม่ให้ค่อยๆไปผ่อนคลายจากฝ่าเท้าไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะจะถามว่าคือเคยปฏิบัติมาก่อนหน้านี้เนี่ยเขาบอกว่า การที่เราจะรู้สึกอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยหรือว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันจะต้องมีต้นจิตคือความอยากก่อนเนี่ยจะถามพี่จุ๊ว่าเป็นไปได้ไหมที่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราคิดจมอยู่กับความเศร้าหรือว่าเรื่องเดิมๆจนมันกลายเป็นจริตแบบเหมือนแบบ thinking pattern ของเราแล้วมันเราไม่รู้ตัวว่าเราอยากคิด แล้วพอคิดแล้วเราก็อยากคิดอยากคิดไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวเราสามารถกําหนดรู้ความอยากก่อนที่จะคิดไปเรื่อยๆมันจะแก้ได้ไหมคะเช่นแบบถ้าเราสามารถจับได้ไวเราจะรู้เลยว่ามันจะอยากคิดอีกล้อ่ะมันก็คิดอ่ะคิดแล้วก็เศร้าปุ๊บอ่ะอยากคิดอีกแล้แล้วเรากําหนดอยากถี่ๆอย่างเงี้ยได้ไหมคะถ้าพูดถึงแพทเทิร์นที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันไม่ใช่ความอยากนะ แต่มันเป็นอาการจมคืออาการยอมจมนี่คือความเคยชินหรือแพทเทิร์นที่มันเกิดขึ้นจริงๆเวลาทีา่มีความคิดในด้านไม่ดีหรือว่ามีอะไรมากระทบใจปุ๊บเนี่ยมันยอมจมทันทียอมจมจอ ม, จมเหมือนกับมีหนองน้ำอยู่แล้วเรายอมเอาตัวไปแช่แล้วก็พอแช่เนี่ย มันก็เออสกรปรกนะรังเกียจจังแต่ก็ทอดมือทอดเท้าปล่อยมือปล่อยเท้าเฉยเฉยไม่มีอาการตะเกียกตะกายพอจะนึกออกไหมนึกออกเป็นภาพทางใจไหมคือพอตกลงไปในหนองน้ําเนี่ยเรารังเกียจนะเราไม่ใช่ชอบนะเรารู้สึกว่ามันไม่ดีนะแต่ไม่อยากขึ้นคือไม่ได้คือคืออยากขึ้นเนี่ยมันมันด้วยอาการที่ว่าอยากหาย แต่ไม่ใช่อยากตะเกียกตะกายเข้าใจความต่างไหมคือคืออยากจะคือมันหมดแดงอะ่ะพูดง่ายๆมันเหมือนคนอ่อนแดงไม่อยากตะเกียกตะกายอะไรอีกแล้วบางทีก็ไม่อยากเรียกร้องให้ใครมาช่วยด้วยแต่ใจอะ่ะไม่ได้อยากจมอยู่กับคือคือรู้ว่าที่พี่บอกไงว่ามันน่ารังเกียจไอไอหนองน้ําตรงนั้นเนี่ยเรารู้อยู่ แต่มันไม่ได้อยากะจะตะเกียกตะกายมันหมดแรงมันเหมือนกับรู้สึกว่าตัวเองพยายามมาหลายรอบแล้วแล้วมันก็คล้ายๆกับไม่เหลือเรี่ยวแรงที่จะไปเอาชนะมันอีกมันเหมือนเชื่อเชื่อไปแล้วอะว่ายังไงก็ต้องจมอยู่อย่างเี้ยคือใจลึกๆอะมันมีอาการยอมแพ้อยู่ลึกๆต้องเข้าใจนะว่าที่แบบอยากจะพ้นหนองน้าก็อยากจะตะเกียกตะกายมันคนละอารมณ์กัน อยากจะพ้นจากภาวะนั้นพอ ร, รู้สึกว่ามันน่ารังเกียจเป็นเป็นความรู้สึกที่มันไม่ดีแต่อยากตะเกียกตะกายเนี่ยบางทีมันต้องเหมือนถามใจตัวเองไงว่ายังมีแรงอยู่หรือเปล่ายังมีกําลังใจอยู่หรือเปล่าหรือว่ามันหมดแรงแล้วหมดกําลังใจแล้วเข้าใจพ้อยนะพอเข้าใจพ้อยตรงนี้เนี่ยมันจะได้กลับมาตรงจุดที่พี่สรุปตั้งแต่แรกว่าแทนที่เราจะไปรบกับมันตรงนี้ตรงตรง ที่น้องบอกว่าเราก็ดูมันแล้วเราก็พยายามคิดโน่นนี่นั่นแล้วจะมาสํารวจตรงๆเลยดีกว่าว่ามือเท้าเราเนี่ยอยู่ในอาการแบบไหนพอมันพอมันผ่อนคลายได้อย่างน้อยมันรู้สึกว่าเออมีแรงหนุน ล, ละกลับมามีกําลังได้ใหม่ไงมีแก่ใจที่จะเออเห็นทางละว่ามันมันจะขึ้นจากหนองน้ําได้ยังไงแล้วก็ค่อยๆไลขึ้นมาคือวิธีดูเข้ามาที่ลมหายใจเนี่ย เป็นวิธีที่คลาสสิกที่สุดแหละมันไม่มีวิธีไหนคลาสสิกมากไปกว่านี้อีกแล้วน ะ, ะประเด็นก็คือว่าเราจะไม่ได้ยึดลมหายใจเป็ น, เ, ปนเชือกที่จะไต่ขึ้นมาอย่างเดียวนะเ ร, เราเอามันเป็นแค่เครื่องเกาะให้เกิดให้เกิดการหยัดยืนขึ้นมาได้นะแล้วก็เสร็จแล้วค่อยๆดูต่อไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยภาวะที่มันกาลังแย่มากกาลังเป็นก้อนอะไรอื่นอัดก้อนโตบเบลเนี่ย พอเราเริ่มที่จะมีลมหายใจเข้ามาช่วยมีความสดชื่นจากลมหายใจขึ้นมาได้บ้างเนี่ยเออมันมันแสดงความเปลี่ยนแปลงให้เราดูได้ไหมถ้าเราเห็นว่าไอ้ก้อนที่มันเป็นอะไรโตๆอึดอัดอยู่ในที่มันกดทับกายกดทับใจอยู่เนี่ยมันแสดงความไม่เที่ยงได้เราจะรู้สึกมีกำลังใจขึ้นมาว่าเออเราเห็นความไม่เหมือนเดิมของมันแล้ว แต่ก่อนตอนที่เรายอมแพ้อยู่ลึกๆเนี่ยเพราะมันรู้สึกว่าไอ้ก้อนนั้นมันโตเท่าเดิมอยู่ตลอดเข้าใจพลอยนะสวัสดีครับมาครั้งแรกครับยังยังไม่มีคำถามครับ มาครั้งแรกชื่อเองนะครับเป็นแฟนหนังสือพี่ตุดแล้วก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อปามโมโชแต่ไม่ไม่ไม่เคยไปเจอท่านนะไปสาราลุ ง, ลงชินทีหนึ่งครับแล้วนะฟังท่านแล้วรู้สึกชอบครับ ก, ก็เลยแบบมีการปฏิบัติที่ที่เป็นเป็นในแนวทางนั้นนะครับคือเป็นหลักที่รู้ซื่อๆอะไรอย่างนี้ครับทีนี้ก็เลยอยากจะถามเป็นภาพใหญ่กับภาพเล็กภาพเล็กก็คือวิธีปฏิบัติตัวเองนะครับภาพใหญ่คือว่าผมเข้าใจว่าการไปเห็นนิพพานเนี่ยมันคือหมือว่าเราเรารู้ตาม ตามสติของเราแล้วก็เราจะได้เห็นแบบความเกิดดับของมันอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอรู้เหนื่อยหน่ายครายกหนัดอย่างเงี้ยแล้วมันก็มันก็จบแล้วจนที่เราไม่ยึดถืออะไรเลยแต่ว่าบางทีเราจะมีแรงไม่พอแลือจะต้องการสมรถะหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ง่ายๆกันเลยละครืออย่างที่พี่ไกด์ตอนแรกเน่ยนะนั่นก็คือสมถะอย่างหนึ่งแล้วก็มีวิปัสสนาปนอยู่ด้วยเวลาที่พระพุทธเจ้าสอนอานาปนาณสติเนี่ยพระพุทธเจ้าให้เราเกาะ ให้หลักตั้งของสตินะมันมันเป็นทุนเริ่มต้นที่จะเข้ามาเห็นสามารถเข้ามาเห็นด้วยความพอใจด้วยความรู้สึกเป็นสุขคือถ้าหายใจเป็นถ้ารู้ลมหายใจเป็นมันจะมีความสุขแล้วความสุขนั่นแหละที่จะทาให้เกิดฉันทะและ้วฉันทะนั่นแหละที่จะเป็นกําลังฉันทะเนี่ยคือความรู้สึกพอใจที่จะอยู่กับอะไรอย่างหนึง่งคนทั่วไปเนี่ยมันไม่มีฉันทะที่จะเข้ามาอยู่ในกายในใจนี้มันไม่เห็น point นะ อย่าว่าแต่ไปคิดถึงนิพพานเลยเอาแค่ตรงที่ว่าเราจะเข้ามาดูกายใจนี้ตามจริงเนี่ยมันก็เหมือนกับไม่มีแกาใจแล้วอยากไปทําอย่างอะไรอย่างอื่นมากกว่าอยากไปดูอะไรข้างนอกตัวมากกว่านั่นคือความเยคยชินที่สั่งสมมาอี น, นี้พอเราเข้ามาดูในตัวในแบบที่มันก่อให้เกิดความรู้สึกเป็นสุขก่อให้เกิดความรู้สึกสบายเหนือสบายตัวแล้วก็ผ่อนคลายทางใจเนี่ย ม, มันเกิดฉันทะขึ้นมาง่ายๆเลยเ อ, อ้ทาแล้วมันมีความสุข พระพุทเจ้าก็บอกนะบอกว่าไม่ว่าจ ะ, จะเจริญกรรมฐานอะไรก็แล้วแต่ถ้าหากว่ า, เ, าเรามีอาณาปานาาสติเป็นหลักตั้งมีความสุขแล้วเนี่ยมันสามารถไปจเจริญต่อ ย, ยอดได้หมดจนถึงขั้นสุดท้ายเลยตั้งแต่ขั้นต้นไปจนถึงขั้นสุดท้ายนะและอย่างการปฏิบัติของผมเนี่ยผมก็คือผมจริงๆก็ทํามานานแล้วแต่ว่าแบบทําน้อยครับแบบไม่ค่อยทีนะครับทีนี้ก็แบบมีหลักง่ายๆคือแบบเว ผมฟังหลวงพ่อปาร์โมดท่านพูดที่ผมก็แบบเอาง่ายๆเลยครับคือ บ, บนั่งสมาธิอยู่ในห้องเงี้ยครับก็นั่งธรรมดาในห้องแล้วก็ลมพัดมาพัดก็รู้ว่าโดนตั ว, โ ด, ตวโดนตัวเสร็จสบายใจก็รู้สบายใจเหงื่อ <c oughs> มันออกมาก็เป็นเม็ดๆอะไรเงี้ยครก็แล้วเวลาเดินจงกรมก็พยายามบางทีเราก็ชอบคิดฟุ้งซ่านไอะไรเงี้ยเนี่ยเราก็มีสติรู้มาทีนี้ผมก็เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนก็เหมือนโดนกิเลสร้องครคือมันมีอีกคนนึงอยู่ในตัวเราเงี้ยครับผมก็ นั่งนั่งอยู่แล้วมันก็มีสภาว่าโมันมันสว่างแบบสว่างมากมากนะครับแล้วเสร็จปุ๊บมันก็เหมือนมีคนนึ่งพูดโอ้โหเนี่ยบรรลุแล้วทําผมก็มานั่งคิดคิดตอบกลับไปว่ามันจะเป็นไปได้เหรอพึ่งพึ่งครั้งนี้ฉั น, ฉนไม่โง้ ด, ดงอย่าหลอกหรอกอะไรเงี้ยคราวนี้มันเหมือนว่าใจมันโดนมันโดนกดจากบนลงล่างกดแบบแน่นเอาเอาถ้าไม่นั่นเดี๋ยบ้า น, นะผมก็เออผมก็ดูไปเดี๋ยวมันเกิดมันจะดักอะไรเงี้ยครับก็แล้วเสร็จมันดัหักไปแล้วเราก็ูสภาวัดอ่างเี้ยัตรงนี้มัน เป็นยังไงบ้างครับสภาวะสะว่างความมีโอภาสนะไอ้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นของดีแน่ๆนะเป็นบางบางคนเนี่ยปฏิบัติมาถูกแล้วแหละอย่างของน้องก็ดูกายดูใจตามจริงเนี่ยมันเป็นหลักที่ถูกต้องที่พระพุทธเจ้าสอนไว้แน่ๆแหละนะทีนี้คือก็จะมี สิ่งที่เรียกว่าผลดีอันเกิดจากการปฏิบัติถูกอย่างเช่นเกิดความรู้สึกว่ามีสติมากชัดเจนแจ่มแจ๋วเลย 3- าสี่วันไม่ขาดเลยนะหรือว่ามีความรู้สึกชุ่มชํามีปิติเราก่ะว่าอยู่ในสวรรค์นะหรือบางทีเนี่ยนะที่เกิดกันบ่อยก็อย่างโอภาษ ท, ที่เกิดขึ้นมันมีความสว่างสว่างจ้าขึ้นมาแล้วก็เป็นความสว่างจ้าที่ทําให้ ร, รู้สึกว่าเนี่ยเราบรรลุธรรม สิ่งเหล่านี้อาจารย์หลังๆเนี่ยในยุคหลังๆเนี่ยท่านบัญญัติเรียกว่าเป็นวิปัสนปาปกิเลสคําว่าวิปัสนปาปกิเลสไม่ใช่ของไม่ดีไม่ใช่ของไม่น่าเอาตรงข้ามเป็นของที่ดีเป็นผลลัพธ์ของการปฏิบัติถูกปฏิบัติตรงมาแล้วแต่ว่าทําให้เกิดความเข้าใจผิดนิดนึงว่าอันนี้คือมรรคผลนะทางที่เซฟที่สุดก็คือว่า ปฏิบัติมันจะได้อะไรขึ้นมาก็แล้วแต่ถ้าเรายังตระหนักว่ามีกิเลสอยู่ยังไม่ใช่พระอรหันต์ให้บอกว่าไม่ใช่ทั้งนั้นไม่เอาทั้งหมดเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเวลาที่เล็งไปที่เป้าใหญ่เนี่ยนะท่านท่านพูดเรื่องอรหัตผลอย่างเดียวไม่พูดเรื่องอื่นยะโสดาสกทาคาหรือว่าอนาคาท่านไม่ค่อยเน้น เ, เป็นเน้นเรื่องอรหัตผลเลยเนี่ยตรงนี้เนี่ยถ้าเราทาไว้ในใจว่า จะเกิดอะไรแค่ไหนก็ตามมันยังไม่ใช่ทั้งนั้นมันก็จะมีกําลังใจมีก่ใจปฏิบัติต่อแต่ถ้าหากว่าเหมือนหลายๆคนเนี่ยพอเกิดโอภาษพอเกิดสติอะไรขึ้นมาอย่างใหญ่เนี่ยช่วงหลังๆนี่ถามกันเยอะเลยบางคนไปปฏิบัติแนวเหมือนกับเจริญสติทางกายอย่างเดียวนะแล้วก็เดินทุดดงไปที่โน่นที่นี่เหมือนกับนกที่ไม่ยุด ขอนไม้นะบินไปเรื่อยโผไปเกาะกิ่งไม้ใหม่เรื่อยๆเกิด <_ d awake> สติสี่ห้าวันแล้วก็รู้สึกระวางจัดจ้านะก็มาถามชอบมาถามกันว่าเนี่ยคือมักผลใช่ไหมผมก็มักจะบอกว่าคือการปฏิบัติมาเนี่ยมันถูกแล้วมันตรงแล้วแต่เวลาเราจะสำรวจตัวเองนะ ให้ให้บอกตัวเองไว้ง่ายๆเลยมันมันได้หลักตัดสินที่ชัดเจนเราหมดกิเลสแล้วหรือยังถ้าหากยังไม่หมดกิเลสเนี่ยมันยังต้องทําต่อมันยังไม่ใช่หมดมันของหลอกหมดนะมันเป็นปรากฏการ์ชั่ววูบชั่วว่าไม่มีประโยชน์เพราะในเมื่อเรายังต้องทุกข์อยู่เนี่ยนะจะไปสําคัญว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นนั่นเป็นนี่ได้นั่นได้นี่เนี่ยมันก็อุทานดังนั้นแหละ เอาแต่มาพูดตรงตัวอย่างของน้องเนี่ยคือรู้มาแบบที่ไม่คิดอะไรมากมันใช่นะมันเห็นจริงๆว่านี่สักแด่เป็นอะไรอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายไป น, นี่รู้ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าเกิดวันหนึ่งเร า, เาสำรวจเข้ามาและเห็นนะเห็นตามจริงว่ากำลังที่จะรู้เนี่ยมันมีแค่แวบบๆแล้วมันไม่ได้ก้าวหน้าขึ้นทักที ก็ลองมาหาัดทำสมาธิดูนะแต่คือหลักการเนี่ยคือแบบว่าไอ้อย่างผมที่มีแบบบางทีนอนหลับยังไงเหมือนใจมันนึกถึงแบบโอ้เป็นเมืองแบบซีวิไลนะฮะแล้วเสร็จผมว่าโอเริ่มเริ่ ม, มหลงหลงเผมว่าเฮ้ยไม่ได้มันคือมีสติคือหลวงพ่อป harma ท่านก็สอนคือรู้รู้สักแต่ว่ารู้อย่าไปอย่าไปอย่าไปอยู่ในสิ่งที่รู้อะไรเงี้ยครับผมก็เลยเอาหลักง่ายๆ่าเครับเอาเฮ้ยรู้แล้วเรามีสติอะไรเงี้ยครับก็คือหลักการเนี่ยผมเลยเข้าใจว่าถ้าจะก้าวหน้าไปทางที่มันสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ย ก็ใจเราต้องแบบต้องปล่อยวางแบบปล่อยวางจริงๆเพราะกิเลสมากก็คงจะละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆผมผมเลยคิดว่าหลักอย่างนี้เนี่ยโอเคไหมครับใช่โอเคอแล้วที่ผมปฏิบัติอยู่นี้ก็ก็ถือว่าทำไปเรื่อยๆทําไปเยอะขึ้นเยอะขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับที่ทําอยู่มันเข้ามาในกายในใจจริงๆออถือว่าแบบโอเคแล้วนะครับมันมันก็คือไม่ถูกไม่ไ ม, ไม่ไม่ผิดทางแน่ๆแหละถ้าเข้ามาในกายในใจอ่ะนะ พ่ผมสังเกตช่วงแรกๆอะครับอย่างเาสมัยใหม่ๆเลยเนี่ยพอมีความสุขนี้งมันรู้สึกมันมีความสุขเลยแต่ว่าหลังๆมันเหมือนแบบเออมันก็เกิดขึ้นมันก็ดับเมื่อเกิดหลังๆเรื่องชีวิตมันป่องขึ้นอะไรเงี้ยไม่ค่อยดูดันเหมือนแต่ก่อนแล้วดีก็แต่ถ้าเออแล้วถ้าเกิดมีปฏิบัติอย่างเงี้ยถ้าเป็นไปได้แต่แล้วแต่สะดวกพี่ตุนนะครับคืออาจจะบอกลุงแนนนิดนึงก็ดีนะครับจะจให้ว่างนะครับนายครับขอบคุณมากครับพี่ค่ะคือจะถามว่าเอ่อ จะมีวิธีการจัดการอย่างไรนะคะอย่างในบางครั้งเนี่ยรู้สึกว่าขาดสติในที่ทำงานนะคะทำให้เกิดอารมณ์หงุดหงิดขึ้นมานะคะ่ะทีนี้จะมีวิธีระงับอารมณ์หงุดหงิดอย่างไรในณขณะนั้ น, นนะคะถ้าเราพยายามจะระงับเนี่ยมันมันยิ่งไปกดดันตัวเองลองสังเกตนะพอเราสั่งตัวเองว่าจงระงับเนี่ยมันมันจะเกิดความอึดอัดขึ้นมา วความอึดอัดเนี่ยเราถามตัวเองว่ามันเป็นฝักฝ่ายของโทสะหรือว่าความสงบความเย็นมันเป็นฝักไยของโทสะพูดง่ายๆเราไปเพิ่มกําลังของโทสะค่ะเวลา<ไ>ที่เราสั่งตัวเองให้ระ ง, งับความกโกรธหรือความหมงุดหงิดเนี่ยคืออากา ร, ราในลักษณะนี้ค่ะจะเป็นในช่วงระหว่างงานที่เข้ามาแบบตะลุมบอล น, นะคะเยอะๆทําให้เราเกิดอารมณ์หงุดหงิดง่ายะะอ่ะคืออารมณ์หงุดหงิดง่ายเนี่ยนะ มันมาได้ทุกจังหวะเลไม่ว่าจะงานรมเร้าเข้ามาหรือว่าอะไรที่ไม่ได้อย่างใจเวลาที่เราอยากได้อย่างหนึง่งแต่เขาไม่ทำให้หรือว่ามีอาการขัดแยง้งมีอาการขัดขัดแข้งขัดขากันทางความคิดนะหรือว่าจะมาตำแหน่งใครตำแหน่งใครอะไรต่างๆเนี่ยของเราจะวัยหมดแหละประเด็นก็คือ การอัดังนับโทสะเนี่ยถ้าหากว่าตอนนั้นเรารู้สึกว่ากําลังจะแผงลงฤทธิ์แล้วจะออกอาการแล้วหรือว่าจะพูดแล้วเนี่ยอันนั้นเหมาะที่จะข่มมันเข้าไปตรงตรงเพราะบางทีการเกิดเรื่องเนี่ยมันทําให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ต่อไม่รู้จบนะบางทีมันมองหน้ากันไม่ติดมันบางทีมันรู้สึกเหมือนว่าเอ้ยไม่อยากทํางานด้วยกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยคําพูด ของบางคนนีถ้าเกิดมันไม่ถูกฉโลอ ก, กันจริงๆเนี่ยพูดครั้งเดียวบางทีมันไ ม, ม่ไม่อยากมองหน้ากันอีกเลยตลอดไปอะไรแบบนี้ทั้งๆที่คําพูดเดียวกันอาการรุนแรงเหมือนกันแต่ว่าต่างคนเนี่ยพอพูดแล้วมันไม่ได้รู้สึกอะไรมากเดี๋ยวก็หายโกรธเนี่ยเพราะฉะนั้นคือเราไม่มีทางรู้ว่าเราพูดออกไปแล้วมันจะไปสร้างความเจ็บใจไม่รู้จบให้กับใครหรือเปล่ามันถึงต้องใช้ความอดกลั้น อย่างนี้เรียกว่าพูดง่ายๆว่าท่าโทสะของเราแรงขนาดที่จะออกมาเป็นคําพูดหรือจะออกมาเป็นกิริยาท่าทางเนี่ยต้องระงับด้วยการสั่งถึงแม้ว่าจะรู้สึกกดดันแค่ไหนถึงแม้ว่าจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเก็บกดแค่ไหนก็ตามมันต้องขม่มมันต้องอดกลั้นแต่ถ้าหากว่าโทสะมันมาในรูปของความคิดความรู้สึกไม่ได้ยังไม่ได้อยากจะดา่ายังไม่ได้อยากจะแสดงอาการเกลี้ยกราดอะไรออกไป อันนั้นเราดูเฉยๆก็ได้ดูแบบอาการที่ว่าใจเนี่ยไม่ได้อยากให้มันหายไปแต่ว่าอยากจะยอมรับนะอยากจะยอมรับว่าเนี่ยตอนนี้มันมีอาการคันยิกๆอยู่ข้างในนะหรือมีอาการที่เหมือนกับอย่างของน้องเนี่ยมันจะออกในรูปของความรู้สึกกระสับกระส่ายมือไม้มันมันจะยุกยิกนิดนึงนะเราจะรู้สึกได้ว่าเหมือนมีแรงดันอยู่ข้างใน ให้ให้ออกอาการให้อยากจะแสดงอะไรออกมาแต่มันมันพยายามควบคุมตัวเองไม่ไม่ให้ไม่ให้มันกระดุกกระดิกอะไรอย่างเงี้ยน ะ, <c oughs> นะตัวเนี้ยถ้าเรายอมรับตามจริงว่าโทรศั์ของเรามันออกมาในรูปของความรู้สึกร้อนแล้วก็ความรู้สึกอยากจะขยับ <c oughs> กระดุกกระดิกอะไรขึ้นมาเนี่ยจังหวะนั้นจังหวะแรกมันจะรู้สึกเหมือนกับว่าคันอกคันใจจะไม่อยากทน ลมหายใจต่อมาเนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนกับว่าเออออาการคันขยุกขยิบเนี่ยมันค่อยๆลดระดับลงถ้าเรามองมันด้วยอาการยอมรับจริงๆรงนะไม่ได้ไม่ใช่ด้วยอาการอยากให้มันหายไปนะรู้หลักการแค่นี้บคหลักการคืออ อ, อันแรกถ้ามันถึงขนาดอยากจะโป้องปัง้งอันนั้นต้องอดกลัน้นอันที่สองถ้าหากว่ามันออ่ไม่ได้ ถึงขนาดจะออกปากออกท่าทางนะเราก็แค่ยอมรับมันด้วยลมหายใจนี้อย่างที่น้องฟังมาตลอดนะ okay. สวัสดีค่ะเพิ่งมาเป็นครั้งแรกค่ะคือรู้สึกว่าช่วงนี้ทุกใจมากคื อ, อนหน้ายังผ่องใสยอยู่มันทุกใจได้ยังไง หรือว่าเพิ่งมาผ่องใสเอาเนี่นห้องนี้นะทุกใจมากๆเลยค่ะคือเป็นคนอารมณ์ร้อนนิดนิดหน่อยหน่อยก็ไม่พอใจคือเนี่ยตอนนี้รู้สึกอารมณ์เย็นลงไหมฝังมาเยอะเยอะเนี่ยมันแน่นนะคะมันแน่นหน้าอกมันแบบมันหนักหนักไปหมดเลยอะค่ะก็คือตอนนั่งสมาธิก็ยังรู้สึกดีอยู่แต่แต่ก็ยังหนักใจเหมือนเดิมคือรู้สึกว่าเหมือนอยากจะควบคุมแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ คืออยู่คนเดียวก็มีทั้งก็สุขแล้วก็ทุกข์แต่ว่าก็ตกลงคบกับพี่ที่เรียนด้วยกันค่ะรู้สึกว่าใจแบบยึดยึ ด, ย, ดยึดมากแบบอยากจะให้เขาทำอะไรให้ได้ดั่งใจนิดๆหน่นอยๆเราก็แบบ ร้องไห้ฟูมไฟคือเสียใจอยู่บ่อยครั้งบ่อยมากทั้งๆ ท, ง ท, ง ท, งที่แบบถ้าอยู่คนเดียวก็จะไม่เป็นอะไรเราก็เลยรู้สึกว่าเราควรจะทํำยังไงจะอยู่เฉยๆจะถอนตัวออกไปหรือว่าจะเดินหน้าต่อคือทุกใจเหลือเกินนะคะการตัดสินใจเนี่ยมันจําไว้เลยนะถ้าตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานของความอยากได้มันจะผิดเสมอ ไม่ว่าเราจะอยากอะไรเกี่ยวกับคนอื่นเนี่ยมันเป็นความอยากที่ผิดเสมอจำจำตรงนี้ไว้ก่อนคีย์เวิร์ดนะเหตุผลเพราะว่าเราไปพยายามควบคุมสิ่งที่มันควบคุมไม่ได้โอกาสมันมีอยู่แค่สองอย่างคือสมหวังกับผิดหวังพอเราสมหวังเนี่ยเรามักนึกว่าไอ้ที่เราอยากจะถูกแล้วมันได้เป้าไง แต่พอผิดหวังขึ้นมาตรงเนี้ยความอยากมันถึงแสดงอาการผิดเข้ามาเห็นเห็นเข้าใจพอยนะคือพอเราอยากให้คนอื่นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่าคิดอย่างนั้นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยความอยากนั้นมันก่อให้เกิดความทุกข์ทางใจได้เสมอเมื่อเรานิยามไว้อย่างนี้ว่าความอยากมันผิดเสมอ ตรงที่มันก่อความทุกข์ให้เราเสมอเราจะมีแก่ใจสังเกตความอยากว่ามันไม่สมเหตุสมผลอยู่เรื่อยๆความอยากของคนส่วนใหญ่มันไม่สมเหตุสมผลนะอย่างกรณีของน้องเนี่ยน้องก็บอกเองว่าเขาไม่ทำอย่างนั้นเขาไม่ทำอย่างนี้ทั้งๆที่ใจเราอยากให้เขาทำอย่างนั้นอยากให้เขาทำอย่างนี้แล้วไอ้ความอยากของเราเนี่ยนะมันจะมาทาให้ใจเราเพี้ยนนะ คือมันมีความรู้สึกตอนที่อยากเนี่ยลองสํารวจใจตัวเองนะตอนที่อยากจริงๆเนี่ยมันรู้สึกว่าเขาน่าจะต้องทําอย่างเงี้ยทําไมเขาไม่ทําอ่ะมันไม่มันไม่ดีเลยที่เขาไม่ทํามันไม่สมเหตุสมผลเลยมันมันเรามีความรู้สึกว่าเขาน่าจะทำเแล้วพอเขาไม่ทําบางทีมันรู้สึกเหมือนกับถูกทําร้ายทั้งๆ ท, ง ท, ง ท, ง ท, งที่มือไม้เขาซุกอยู่ในหีบนะ เขาไม่ได้เอาคอ้อนเอามีดอะไรมาทำร้ายร่างกายเราเลยบางทีไม่ได้พูดด้วยซ้ำไม่ได้พูดทำร้ายจิตใจเราด้วยซ้ำแต่แค่มันไม่สมอยากมันไม่เป็นไปนในทางเดียวกันกับความอยากมันรู้สึกเรากับว่าเขาทำร้ายจิตใจเรานี่ตัวความอยากเนี่ยมันเป็นต้นทางของความคิดเพียเพ้ยนเียนของความรู้สึกที่มันผิดจากความจริง มาทั้งหมดดังนั้นถ้าน้องมองอย่างที่พี่พูดเงี้ยมันจะเกิดความรู้สึกว่าเออมีแก่ใจที่จะเห็นความอยากตอนที่ความอยากเกิดขึ้นในหน้าตามันเป็นยังไงมันมีความรู้สึกเหมือนกับอึดอัดอยู่ข้างในมันมีความรู้สึกเหมือนกับร้อนรุ่มมันมีความรู้สึกกระวนกระวายมันมีความรู้สึกว่าใจมันนิ่งอยู่กับที่ไม่ได้มันมีอาการวกวนอยู่กับเ อ, อความต้องการ ที่มันจะให้สมใจเนี่ยตอนเห็นไหมตอนที่พี่พูดเนี่ยมันรู้สึกคลายอะตกลงตกลงหายเลยใช่ไหมเออจบไม่ไม่มีอะไรต่อนี่จริงๆ ม, มันมัน ม, มีอยู่แค่นี้จริงๆถ้าน้องยิ่งฟังมากนะมันจะยิ่งสับสนมากแต่ถ้าเราจับจุดถูกนะแล้วเห็นความอยากได้จริงๆเห็นด้วยอาการยอมรับว่ามันเกิดขึ้นหน้าตามันเป็นแบบนี้มันจะเหมือนกับยู ย, ยูมันหายไปเฉยเฉที่จริงเนี่ยนะ ที่มันหายไปไม่ใช่เพราะว่ามีเวทมนต์หรือว่ามีอะไรอัศจรรย์แต่มันเป็นไปตามกลไกธรรมชาติของจิตคือเมื่อเห็นอะไรที่มันเป็นความปรุงแต่งทางใจอยู่อะไรอย่างนั้นมันจะหายไปให้ดูหรือแสดงความไม่เท่าเดิมให้ดูแต่ที่ผ่านมันมันไม่เห็นมันมีแต่อาการพยายามแล้วก็ขัดแย้งกับตัวเองคือน้องเนี่ยบอกว่าเออเราอยากจะเลิกคาดหวังนะ อยากจะอะไรอย่างน้อนอยากจะอะไรอย่างนี้แล้วก็หาอุบายวิธีทำอย่างน้นทนอย่างนี้มาโอ้เยอะแยะเลยอ่านหนังสืออะไรเป็นเล่มๆมาเนี่ยมันเหมือนกับไปพูดกับคนน้นคนนี้อะไรเราคิดว่าได้คำตอบมาหมดแล้วแต่ความอยากมันไม่หายไปไหนเพราะที่ผ่านมาเราไม่ได้ดูความอยากไม่เห็นความอยากแม้แต่วินาทีเดียวมันเห็นแต่อาการร้อนรุ่มกระวนกระวายและจะต้องเอาตามมันให้ได้มันไม่ได้ยอมรับ หรืออีกทางหนึง่งเราไปคิดต่อต้านมันดือด้อๆเลยบอกว่าเฮ้ยฉันจะเลิกนะฉันจะเลิกคิดฉันจะเลิกหวัง ฉ, ฉันจะนู่นฉันจะนั่นสรุปแล้วไม่ได้เห็นความอยากไม่ได้มีอาการยอมรับตามจริงว่าความอยากหน้าตาเป็นยังไงจนกระทั่งเมื่อกี้นี้แล้วไปทําเรื่อยๆนะมันจะมันจะยิ่งเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆคือใจน้องเนี่ยพี่บอกให้อย่างหนึ่งมันคลายมาตั้งนานแล้ว แต่มันยังยึดอยู่เพราะเนี่ยตัวอยากมันยังไม่เป็นไหนนี่คือความซับซ้อนทางจิตนะน้องน้องฟังแล้วเข้าใจไหมเนี่ยว่าใจน้องเนี่ยมันคลายไปตั้งนานแล้วนะตอนตอนที่พี่พูดมามันเริ่มคลายขึ้ น, นเรื่อยๆอะคะ่ะไม่ไมไมไ ม, มก่อนที่จะเข้ามาในห้องเนี้ยใจเรามันเลิกหวังมาตั้งนานแล้วแต่มันยังถูกครอบงําอยู่ด้วยความอยาก คือถ้าถ้ามันไม่คลายนะถ้าถ้ามันไม่คลายมาก่อนเนี่ยเห็นความอยากมันไม่มันไม่โล่งขนาดนี้นะคือมันจะยังหมกมุ่นคุ่นคิดอยู่ไออาการหมกมุ่นคุ้นคิดหรือว่าคาดหวังว่าจะได้อย่างนั้นอย่างนี้มันหมดไปตั้งนานแล้วแต่ตัวความอยากมันยังอยู่ต้องไปสังเกตดูให้ดีเนี่ยมันมันเหมือนกับกลายเป็นอีกคนหนึ่งที่ได้คิด คือมันสามารถคิดอะไรก็ได้ที่มันดีๆแต่ตอนที่มันยังถูกครอบงมอยู่ด้วยความอยากมันเหมือนรู้สึกว่าคิดดีๆมันคิดยังไงอะนึกไม่ออกมันมันมันไปคุยกับคนโน้นคนนี้มาหมดแล้วมันไปอ่านอะไรมาเยอะแยะนะโหแบบบางทีเนี่ยทาเตือนใจอะไรสวยหรูมากมายเรารู้สึกโอ้มันสว่างแจ้งแต่สว่างแค่วูบเดียวเหมือนไฟไม่ฟัง แล้วกตกต่ำมาอยู่กับความอยากใหมให่ตัวความอยากนี่คือของจริงยิ่งกว่าคำคมคำคมมันผ่ามันมผ่าตัดมันไม่ออกหรอกแต่ว่าตัวรู้ต่างหากรู้ว่าความอยากหน้าตาเป็นยังไงมันหลุดทันทีมันไม่ใช่ใช้ใช้ได้ทุกกรณีนะแต่กรณีของน้องเนี่ยมันเหมือนใจเนี่ยมันไม่เอามานานแล้ว แต่ความอยากมันยังอยู่แล้วเรามองไม่เห็นความอยากตอนนั้นเองนะโอเคเราหนูควรจะปฏิบัติเพิ่มอย่างการนั่งสมาธิก็ไม่ค่อยจะนั่งได้มากเท่าไหร่เพราะว่าตัวเองขี้เกียจเนีนค่ะแล้วเดินจงกรมก็ไม่ค่อยได้แบบไม่มีกระติกกระใจแบบใจคิดถึงแต่เขาคิดคิดคิ ด, ค, ด, ค, ดคิดทุกวันไม่มีสมาธิเลยการเรียนก็เหมือนเหมือนหมือนเหมืนหนูจะจ ะ, จะแย่ลงด้วยค่ะแบบไม่รู้จะ okay. Okay. ปรับใจยังไงค่ะ ตัวความคิดเนี่ยจริงๆแล้วมันรบกวนจิตใจเราไม่ได้มากหรอกแต่ตัวความอยากเพราะของเราเนี่ยพอมันอยากขึ้นมาที่พี่เห็นนะมันมืดไปหมดเลยแล้วเราจะรู้สึกด้วยว่ามันคล้ายๆคนหน้ามืดอะมองอะไรได้แค่สั้นๆมองเห็นอะไรได้แค่ใกล้ๆมองอะไรยาวๆไม่ถูกตามันเหมือนถูกรีแคบมามันไม่สามารถเห็นอะไรด้วยความรู้สึกสว่างได้ นิดเมื่ อ, อไรที่เรารู้สึกว่าเราคิดมันมีอาการมืนๆขึ้นมาเราก็ดูอาการตรงนั้นแหละมันเหมือนเราไม่ต้องไปฝึกสมาธิก็ได้ไม่ต้องนั่งเดินยองกลมก็ได้แต่ว่าฝึกที่จะดูมีแก่ใจที่จะดูอย่างน้อยตอนนี้เราได้กำลังใจว่าเออถ้ามันเห็นจริงๆเนี่ยมันเกิดความโล่งแบบนี้น่ท่องไว้นะเอาไปท่องเป็นคาถาเลยเราทาใจได้มานานแล้ว มันปล่อยได้มาตั้งนานแล้วแต่ไม่รู้ตัวเพราะว่าถูกเอความอยากเนี่ยมันครอบงํำไม่เลิกของเราเป็นคนยึดติดอ่ะคือจะเอาอะไรแล้วจะต้องเอาให้ได้มันมันเป็นอารมณ์แบบเหมือนตอนเราเด็กเด็กอ่ะจำได้ไหมอยากจะได้ของเล่นเนี่ยถ้าไม่ได้นี่มันก็นึกออกไมมันมันจะยึดอยู่งั้นแ่ะต้องได้ยังไงต้องได้มันไม่มีเหตุผลมันมีแต่ความอยากอาการมันอันเดียวกัน คือโดยตัวอารมณ์เรายังไม่โตขึ้นมาจากตรงนั้นแต่โดยความคิดเราโตขึ้นมามากแล้วคือโดยความคิดเราปล่อยมาตั้งนานแล้วลองเชื่อพี่ดูแล้วลองไปสังเกตนะครับสวัสดีค่ะเอ่อชื่อศิริกรนะคะชื่อเล่นชื่อชิงนะคะ มาครั้งแรกอะค่ะคืออ่านหนังสือแล้วก็ติดตามผลงานขออนุญาตเรียกพี่ตุล น, นะคะมามาตั้งนานแล้วอะค่ะทีนี้จริงๆแล้วอะตัวเองอะปฏิบัติธรรมะได้เจอธรรมะตั้งตั้งแต่ช่วงเรียนจบมหาวิทยาลัย อ, อะนะคะแต่ว่าเหมือนกับไม่ได้อะไรเลยนะคะแล้วก็ไม่จริงหรอก ของเราเนี่ยความคิดมันสอดคล้องกับธรรมะนะเพียงแต่ว่าอารมณ์มันบางทีมันขัดแย้งอยู่เพราะอารมณ์ของเราเนี่ยใจเป็นประเภทตามใจฉันซึ่งมันดูไม่มีเหตุไม่มีผลไม่สมเหตุสมผลแต่ความคิดเราเนี่ยเป็นคนมีเหตุมีผลคือมันมักจะสวนทางกันเราเราจะรู้สึกได้บางทีเนี่ยพอเกิดความปั่นปวนขึ้นมาเนี่ยมันความคิดมันหายไปหมดเลยแต่เวลาไม่มีความปั่นปนเนี่ยความคิดดูเหมือนจะดีความคิดดูเหมือนจะตรง มีลำดับมีขั้นตอนมีเหตุมีผลค่ะจะบอกว่าตัวเองเป็นคนเจ้าอารมณ์มากเอาแต่ใจตัวเองแล้วก็คิดว่าเพิ่งมาแหมพี่อุสาบใช้คำพูดสะสวยหรูแล้วนะ <c oughs> ยังมาบอกอีกว่าอันนี้ค่ะเป็นข้อเสียของตัวเองเห <c oughs> มือนกันที่คิดว่าชอบพูดอะไรตรงๆ <c oughs> <sk> ขวัญบาดากมางอันเถอะใช่ใช่ค่ะจุดนี้กําลังพยายามปรับปรุงตัวเองอยู่เพราะว่าได้อ่านอ่านบทความทางทางอินเทอร์เน็ตของพี่นะคะแล้วก็จริงๆแล้วเป็นคนขี้กลัว <c oughs> <c oughs> ขนาดนั่งอยู่ในห้องนี้ก็ยังมีความกลัวเยอะๆคนเจ้าอารมณ์เนี่ยจะขี้กลัวกันทั้งนั้นแหละเพราะว่าอารมณ์เนี่ยมันทําให้เราหมก ม, มุ่นอยู่กับสิ่งที่ไม่มีเหตุไม่มีผล ความกลัวเนี่ยมันก็มาจากความไม่สมเหตุสมผลนั่นแหละมันเป็นอันเดียวกันความกลัวเนี่ยโดยรากของมันเลยเนี่ยมาจากโทสะโทสะคือความรู้สึกไม่อยากได้ไม่อยากเอากลัวกลัวว่าใครจะมาทำร้ายกลัวว่า อ, อ, อะไรอย่างหนึ่งที่ไม่ดีมันจะเกิดขึ้นกับชีวิตเรามีตัวเราเป็นที่ตั้งออของโทสะแล้วก็ความกลัวนี้คือน้องบอกว่า เหมือนไม่ได้อะไรเลยมันไม่จริงหรอกเพราะว่าความคิดของเราถูกเชฟขึ้นมาด้วยวิธีคิดแบบธรรมะนั่นแหละนะมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปเราอาจจะรู้สึกเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมมันถ้าธรรมะเนี่ยเราต้องตั้งสเปคไว้ไงว่าจะต้องอารมณ์ดีว่าจะต้องมีความผ่องใสว่าจะต้องนะยิ้มแย้มนี่จริงๆก็ยิ้มนันเนี่ย <c oughs> แต่ว่าอารมณ์ของเราเนี่ยไอความเจ้าอารมณ์เนี่ยบางครั้งมันทําให้เรารู้สึกเหมือ น, นว่าเรา พ่แพ้หรือว่าประสบความล้มเหลวทางธรรมะนะจริงๆไม่ใช่หรอกมันหานครึ่งในช่วงที่เรารู้จักคิดรู้จักที่จะเอาอารมณ์ออกไปถอดอารมณ์ออกไปเนี่ยทุกอย่างที่เป็นความคิดเนี่ยมันอยู่บนเส้นทางธรรมะหมดเลย <c oughs> มันเหมือนให้อภัยเป็นมันเหมือนกับเอออย่างน้อยรู้สึกอะว่าไม่อยากไปถือสาอะไรมากแล้วแต่พอ อารมณ์มันเข้ามาครอบงําเมื่อไหร่เนี่ยตรงนี้เรื่องเหตุเรื่องผลบางทีเราบอกอภัยไปแล้วนะแต่้อนกลับมาเฮ้ยมันไม่อภัยแล้วแหละเฮ้ยขอถอนคำพูดไม่เอาแล้วนะมันมันกลายเป็นอีกคนหนึ่งขึ้นมาคแต่ยังน้อยเห็นไหมมันมีวันที่ให้อภัยคมันมีวันที่พูดบอกโอเคไม่เอาเรื่องไม่เอาราวละนั่นคือธรรมะวันของธรรมะแต่เมื่อไหร่อารมณ์กลับมานั่นคือวันของกิเลส แต่แตถ้าเป็นคนที่ไม่รู้จักธรรมะเลยไม่มีธรรมะอยู่ในความคิดแลจิตใจเลยมันจะเอาให้ตายท่าเดียวนั่นคือคนที่ไม่มีธรรมะจริงๆเพราะฉนั้นการที่เราบอกว่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยไม่ใช่นะมันมีมากเลยและมากกว่าที่เราคิดด้วยที่พี่มองเห็นเนี่ยก็คือว่าใจเราเนี่ยเอาตอนนี้เลยก็แล้วกันมันอยู่กับธรรมะเจ็ดสิเปอร์เซ็นตละ แต่อีก30สเซนเี่ยเป็นความไม่มั่นใจในตัวเองว่าจะอยู่กับธรรมะได้หรือเปล่ามันมีความหวั่นไหวอยู่มันมีความรู้สึกอยู่ว่าอย่างที่น้องบอกนั่งอยู่ในห้องนี้มันกลัวยมันเพราะว่าแปลกพวกหรือเปล่าเข้ามานี่มันใช่หรือเปล่าเนี่ยพวกเดียวกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณประมาณว่าเราเราไปตั้งสเปก ธรรมะไวทสูงนี่นั่งนั่งอยู่นี่มันก็คือพวกเดียวกันนั่นแหละ ค, คือยังไม่ได้หมดกิเลสรตราบใดที่ยังไม่หมดกิเลสนะเป็นพวกเดียวกันนั่นแหละคไม่ได้แปลกพวกไม่ได้ต่างกันนะนี่การที่เราจะพัฒนาจากตรงนี้ไม่ใช่ด้วยการตั้งสเปคแล้วก็เอาตามสเปคว่าธรรมะเป็นยังไงแต่เอาตามที่เรากําลังเป็นอยู่จริงๆว่ามันครึ่งๆกลางกาง วันหนึ่งอาจจะเจ้าอารมณ์ขึ้นมาวันหนึ่งอาจจะเจ้าความคิดขึ้นมาอย่างตอนนี้รู้สึกมันเบาร <c oughs> ู้สึกว่าเหมือนเราเป็นคนละคนกับคนเจ้าอารมณ์ <c oughs> เหมือนพร้อมที่จะมีความสดใสเหมือนพร้อมที่จะมีความโปร่งสบายเต็มไปด้วยเหตุด้วยผลลักษณะาอย่างนี้เป็นของจริงไม่ใช่ของหลอก <c oughs> แล้วถ้าหากว่าเราถามใจตัวเองบ่อยๆสัรวจเข้ามา แบบนี้น่าพอใจไหมเราจะรู้สึกเออเนี่ยแหละให้ตัวนี้แหละที่เราอยากเป็นไอไอภาวะอย่างนี้แหละที่อยากให้อยู่ในเราที่อยากให้เกิดขึ้นบ่อยๆ <S <S 1> <S 1> พอถามตัวเองอย่างเงี้ยนะมันจะได้เกิดค่อยๆเกิดความมั่นใจค่อยๆเกิดความเข้มแข็งขึ้นมา <S <S ว่าตกลงเนี่ยจิตของเราฉลาดที่จะเลือกอะไรเป็นตัวจริงๆแล้วก็ เวลาที่เกิดความรู้สึกเหมือนกับเจ้าอารมณ์ขึ้นมาอยากจะหมดเหตุผลขึ้นมามันจะระลึกขึ้นมาถึงไอ้ภาวะที่ถามตัวเองอย่างเงี้ยคือนึกขึ้นมาเองนะไม่ใช่ฝืนไม่ใช่บังคับนะเพราะของเราเนี่ยถ้าฝืนถ้าบังคับเนี่ยมันจะรู้สึกว่าอยากกรี๊ดทนไม่ได้ใช่ค่ะมันทนไม่ได้เลยอืแล้วก็รู้สึกแต่ถ้าถามตัวเองขึ้นมาเฉยๆคคือเหมือนกับคุยกับตัวเองอะเว้เฮ้ยคือถามตัวเองบ่อยๆนะ ว่าเนี่ยภาวะอย่างเนี้ยที่มันโปร่งที่มันใสที่มันสว่างมันเป็นภาวะที่น่าพอใจจริงๆหรือเปล่ามันเป็นภาวะที่เราอยากได้เอาไว้หรือเปล่าถามตัวเองบ่อยๆในที่สุดเนี่ยโฟกัสมันจะเคลื่อนจากการที่ว่าทนไม่ได้ถ้าหากว่าจะไม่ได้แสดงอารมณ์อะไรต่างๆเนี่ยมันจะกลายเป็นมาหันมาโฟกัสตรงเนี้ว่าถึงแม้มีอารมณ์แต่เรายังระลึกถึงอะไรดีๆที่มันเกิดเคยเกิดขึ้นในเราได้เนี่ยมันจะมีแก่ใจ คือมีแก่ใจขึ้นมาเองไม่ใช่ฝืนไม่ใช่อดกลั้นเน<ช>ี่ยจําความสุขตรงนี้ไว้แล<ท>้วทาตัวเองไม่ปล่อยเพราะว่ารู้สึกว่ายิ่งปฏิบัติธรรมที่บอกว่าไม่ได้อะไรเพราะว่าเหมือนเห็นตัวเองว่ามีกิเลสขึ้นมาเห็นกิเลสเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นที่เห็นกิเลสเยอะขึ้นเนี่ย <c oughs> เพราะว่ามันปรากฏให้ใจเรารับรู้ชัดขึ้นต่างหาก จริงๆแล้วกิเลสมีเท่าเดิม oh. แต่ก่อนเนี่ยใจเรากลมกลืนไปกับมันไงเราก็รู้สึกว่าโอ้ยเรากิเลสน้อยเรามีกิเลสพอๆกับคนอื่นแต่พอเริ่มมีช่วงเว้นวักจากกิเลสมีช่วงเว้นวักที่จิตใจปลอดโปร่งไม่มีโทสะไม่มีความอาฆาตมาตรายล้วก็มันจะเกิดความรู้สึกหนึ่งขึ้นมาว่าอ๋อไอตอนที่สบายใจจริงๆเนี่ยหน้าตามันเป็นแบบนี้ แต่พอความสบายใจมันหายไปถูกแทนที่ด้วยความโกรธหรือว่าด้วยความคาดามาตรายหรือด้วยความอยากได้นั่นอยากได้นี่บางทีเราจะรู้สึกตัวเองขึ้นมาเลยว่าเนี่ยทำอย่างนี้เห็นแก่ตัวบางทีนะ ม, นมันจะรู้สึกขึ้นมาเลยว่าเนี่ยมันเห็นแก่ตัวแต่เราก็จะเอาอะเอาอย่างนี้แหละนี่พอใจมันเริ่มปลอดโปร่งขึ้นแล้วมันมาเห็นย้อนกลับมาเห็นไงเวลาที่มันเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง มันมันมันมีความชัดเจนว่าไอ้แบบเนี้ยไม่ดีไอ้แบบเนี้ยมันมืดมันเป็นตรงกันข้ามกับตอนที่สว่าง<ะ>แล้วก็เลยเหมือนแกนกิเลสมันเพิ่มขึ้นจริ ง, รงๆแล้วมันผุดให้เห็นบ่อยขึ้นต่างหาใช่ค่ะมันผุดขึ้นมาให้เราเห็ น, นอนั่นแหละไม่ใช่กิเลสมากขึ้นน ะ, ะแต่กิเลสเนี่ยมันให้เห็นบ่อยขึ้นชัดขึ้นแล้วทําให้เราเนี่ยตัดสินใจเลือกมากขึ้น มันมาเพื่อให้ตัดสินใจเลือกว่าจะเอามันไหมหรือว่าจะเอาตัวใหม่ที่เราสร้างขึ้นมาด้วยกรรำใหม่เนี่ยดูตรงนี้นะดูตัวตัวภาวะความรู้สึกตรงเนี้ยมันมันเหมือนปโปร่งก็จริงแต่มีความสับสนลังเลอยู่ข้างในเล็กๆที่มั น, มนว่างแต่ก็มันยังมีอะไรคุ๊กกิ๊กอยู่ข้างในว่าอืมันไม่เชื่อตัวเองว่าจะเป็นไปได้ คือฟังพี่เนี่ยมันมันก็เข้าใจแต่ว่าไอ้ที่มันจะรู้สึกว่าข้างในมันเป็นไปตามนั้นจริงๆหรือเปล่ามันต้องพิสูจน์มันไม่มั่นใจมันต้องพิสูจน์ไงความมั่นใจจะเกิดขึ้นจากการเห็นจริงๆเวลาที่ภาวะเหล่านั้นที่ที่พี่พูดไปทั้งหมดเนี่ยมันปรากฏขึ้นมาเนี่ยนะถ้าหากว่าเราเห็นครั้งหนึง่งยังไม่มั่นใจเห็นอีกครั้งหนึง่ง มันจะค่อยๆรู้สึกว่าเฮ้ยเออเป็นไปได้ตอนเนี้ยมันจะมีความรู้สึกเหมือนมัวมัมันว่าเอ้ยจริงหรือเปล่าไม่จริงหรือเปล่าอะไรต่างๆเนี่ยนะที่มันเป็นไปได้หรือเปล่าอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นเพราะว่ามันยังไม่เก i mean? ิดขึ้นพิสูจน์ยังไม่มีบทพิสูจน์แต่พอมีบทพิสูจน์แลเราผ่านไปได้ทีละครั้งทีละครั้งเนี่ยไอ้ความรู้สึกมนมนมัวมอะไรตรงนี้มันจะค่อยๆกระจ่างมันจะค่อยค่อยเหมือนกับเมฆหมอกสลายตัวไปแม้กรทั่งในที่สุดเนี่ยถึงจุดหนึ่งนะมันมันมันเคลีย ตรงที่รู้สึกเคลียร์จริงๆเนี่ยตรงนั้นมันจะไม่มาเถียงกับตัวเองแล้วว่าเราจะเอาอะไรกันแน่แต่มันจะรู้สึกเลยว่าเออเนี่ยให้ที่มันเคลียร์เนี่ยตรงนี้แหละที่เรียกว่าไม่ทุกข์ที่ผ่านมามันเป็นทุกข์แล้วก็ยอมที่จะเป็นทุกข์ด้วยเพียงเพราะว่าอยากตามใจตัวเองเท่านั้นเองไม่มีเหตุผลอื่นเลยนะ โอเคครับงั้นขออีกนิดนึงนะคะถ้าวิธีการที่ดําเนินมาอย่างนี้คะ่ะมีโอกาสไปนิพพานได้ไหมคะอ่ามันเป็นต้นทางอ๋อคือเริ่มเห็นเข้ามาในขอบเขตของกายใจค่ะเริ่มเห็นเหตุเริ่มเห็นผลของจิตเห็นเหตุเห็นผลทางจิตนะแต่ถ้าจะค่อยๆเข้าสู่ทางไปนิพพานจริงๆเนี่ยมันจะต้องเห็น ภาพทางใจไม่ใช่เฉพาะเรื่องความเจ้าอารมณ์หรือว่าความปลอดโปรงมันต้องเห็นภาพทางใจที่เหลือนะอย่างเช่นตอนนี้มันมันรู้จักละว่าจะดูภาพทางใจเกี่ยวกับเรื่องความเจ้าอารมณ์ยังไงความรู้สึกปลอดโปรงจากอาการเป็นคนเจ้าอารมณ์หน้าตามันเป็นยังไงมันเริ่มเห็นเริ่มเห็นความต่างนี่จากจุดนี้เนี่ยเราก็ไปเห็นจุดอื่นๆ น, นะภาพทางใจแบบอื่นๆ เช่นบางทีเราเป็นคนคิดมากโดยที่ <c oughs> ใครห้ามยังไงใครบอกยังไงอธิบายยังไงว่าเนียมันไม่ต้องคิดได้ไหมอะไรต่างๆเนี่ยหรือแม้กระทั่งเรามาบอกตัวเองมันก็จะมีอาการจี้จี้จ้คำว่าจี้เนี่ยนึกออกใช่ไหมมันเหมือนสว่านเจาะเข้าไปยังไง <c oughs> ฉันก็จะเจาะ อ, อยู่นั่นแหละเหมือนเครื่องจักรไม่ยอมหยุดทํางานทั้งๆที่มีคนพยายามที่จะไปกดปุ่มปิดเ <c oughs> นี่ยเห็นไหมมันมีภาพทางใจอีกเยอะแยะให้ดู แต่ว่าเราจะสามารถยอมรับภาพทางใจในอารมณ์แบบไหนได้บ้างนะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะพี่ตุวันนี้มาเป็นครั้งแรกค่ะแล้วก็เพิ่งเริ่มปฏิบัติได้ไม่นานคราวนี้มีคำถามว่าก็คือเวลาปฏิบัติอะคะ่ะจะค่อนข้างจะแบบติดเพ่ง คือถ้าไม่ติดเพ่งไปเลยก็รู้สึกว่าจิตจะไม่ตั้งมัน่นคือเวลาที่ลองปฏิบัติแล้วก็คือมันจะหลุดบ่อยมากบางทีหลุดเป็น10บสครั้งค่ะในการนั่งสมาธิไปเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจะรบกวนถามว่าถ้าอย่างนี้จะจะทำยังไงดีแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าบางทีสมมติถ้าเกิดว่าเป็นคนค่อนข้างจ ะ, ะฟุ้งเยอะค่ะบางทีเรามีมีอะไรในใจหรืออะไรเงี้ยค่ะจะไม่สามารถจูนใ ห, ให้ให้ให้กลับมานั่งสมาธิ ได้ทั้งๆ ท, ที่อยากจะทำที่พี่เห็นเนี่ย<ะ>ก็คือว่า<ะ> เ, เราถ้าถ้าเราสังเกตปฏิกิริยาทางมือ<ะ>บ่อยๆนะมันจะช่วยได้คือเวลาที่เราหลุดจากโฟกัสหรือว่ามีความเคร่งเครียดอะไรได้เนี่ย ม, ม, มันมักจะมาแสดงผลที่มือได้บ่อยลองสังเกตดูน ะ, ะคือมันจะมีอาการกรรมมันจะมีอาการเหมือนกับเกรงกงมือไม้<ะ>ถ้า เราอาศัยเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นเมื่อตอนเนี้ยเรากําลังเกรงอยู่นะตอนนี้เรากํนะนนากลังเครียดอยู่นะมันจะคลายออกแล้วพอคลายออกเนี่ยเราจะรู้สึกว่าโฟกัสมันดีขึ้นคือเรื่องของเรื่องเนี่ยของเราจะเป็นพวกกังวลไปก่อนเหตุคือคือยังไม่ทันมีอะไรที่น่ากังวลเนี่ยเรากังวลได้แล้วนะมันด้วยอาการกังวลก่อนเหตุเนี่ย มันทำให้ใจเนี่ยคอยโฟกัสอยู่กับเรื่องไม่เป็นเรื่อง mm hmm. เข้าใจพลอยไหม <c oughs> คืออย่างเวลาที่นั่งสมาธิสิ่งที่มันควรจะโฟกัสคือลมหายใจ <c oughs> หรือว่าสภาพทางกายทางอารมณ์อะไรต่างๆที่มันกำลังปรากฏตามจริงแต่เรากลับไปหมกมุ่นคือมันหมกอยู่เฉยๆอยู่กับอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> ตรงนั้นนี่ยคือเครื่องสะท้อน ให้เห็นว่าของเราเนี่ยมันชอบไปกังวลก่อนเหตุคือคือคือเป็นเป็นเงาสะท้อนของอดมที่ชอบกังวลก่อนเหตุค่ะเข้าใจพอยที่พี่พูดไนหะค่ะอ่าและคราวนี้จะเทำยังจะให้กลับมาสังเกตว่าเวลาที่เวลาที่เรากังวลไปก่อนเหตุทุกครั้งเนี่ยมือไม้มันจะกำมันมันจะเกร็งเกงถ้าเราผ่อนคลายนะแล้วไปสังเกตเออเท้ามันสบายตามไปด้วยหรือเปล่า สังเกตอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยมันจะผ่อนคลายอาการกังวลไปได้บ้างพอหลายๆหลายๆเรื่องเน่คือสมมุติเรื่องที่น่ากังวลมันมีอยู่หนึ่งเรื่องแต่เราเปลืองแรงเปลืองกำลังงานไปประมาณห้าเรื่องเข้าใจไหมเหมือนกับ เรื่องที่จะต้องทุกข์จริงๆมีหนึ่งเรื่องแต่เราทุกข์ไปห้าเท่าด้วยวิธีคิดในแบบของเรามันมันหมกมุ่นมันเป็นคนมันเป็นคนที่คิดแบบหมกมุ่นเพราะฉะนั้นเมื่อมานั่งสมาธิเนี่ยผลของกรรมเ่ยที่เป็นคนหมกมุ่นทางความคิดเนี่ยมันก็สะท้อนกลับมาคือทําให้เราไม่สามารถจะรู้อะไรที่ควรรู้มันจะไปคิดอะไรที่ไม่ควรคิด ยังยกตัวอย่างมันมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งเราเป็นคนกลัวบาปกลัวกรรมคือเหมือนไงมันมันมีความเชื่อมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเรื่องเรื่องบาปเรื่องกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะนี้นะนพอจะทาอะไรเนี่ยมันคิดมันกลัวไปว่าอย่างนี้บาปหรือเปล่าซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องดีเหมือนกันทั้งถ้าคิดในแง่ที่ว่าทำให้เราไม่ ไม่อยากทำอะไรผิดแต่พอบางทีเนี่ยเราสมมติทำผิดไปแล้วเนี่ยมันนี้จะกลับกลับมาคิดไม่เลิกว่าเนี่ยจะต้องได้รับผลยังไงเข้าใจอารมณ์แบบนั้นไหมเข้าใจค่ะลักษณะอารมณ์แบบนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าอาการวนอยู่กับที่ไม่ไปไหน หลงวนอยู่กับความรู้สึกกังวลใจกลัดกลุ่มใจพอเราสามารถที่จะคือคือคือเมื่อเกิดความสามารถที่จะยอมรับว่าสภาพทางกายเป็นอย่างไรนะให้ลองฝึกค่อยๆหัดที่จะมายอมรับสภาพทางความคิดเนี่ยที่มันที่มันอยู่ในหัวว่าลมหายใจนี้มันมีอาการกังวลเกินกว่าเหตุ หรือว่ากังวลในสิ่งที่มองไม่เห็นหรือว่ากังวลในสิ่งที่มันเรื่องมันแล้วไปแล้วเสร็จแล้วมันก็กลับมาอยู่ในหัวเราใหม่อะไรแบบนี้คือพูดง่ายๆว่าถ้าเห็นอารมณ์ที่มันเป็นความคิดเกินกว่าเหตุหรือว่ายังมาไม่ถึงนะแล้วเรารู้สึกได้ว่าไอ้นี่เป็นอารมณ์ที่ไร้สาระมันจะคลายออกไปได้มันจะคลายเมื่อเห็น เมื่อมีความสามารถในการยอมรับตามจริงแต่เนี่ยมันไม่มีความสามารถยอมรับไงพอเรากังวลแล้วกังวลเลยคือบอกตัวเองยังไงยังไงมันก็กังวลอยู่ใครจะปลอบยังไงก็ยังกังวลอยู่แต่เมื่อมาทําอนาปานสติอย่างถูกต้องแล้วสามารถรู้สึกได้ว่าไอ้นี่เป็นอารมณ์ที่ไร้แกนสารไม่มีสาระมันถึงค่อยคลายออกจริงๆเข้าใจพ้อยนะ ก็คืออย่างนี้ก็คือว่าให้กลับมาดูกายก่อนก็คือว่าดูง่ายๆอย่าพยายามทําสมาธิให้นิ่งแต่พยายามเห็นตามจริงให้ได้อย่างที่พี่ไล่มาเนี่ยนะยากเท้าจากมือมาดูว่าก้อนความคิดมันผุดขึ้นเมื่อไรคือมันผุดขึ้นแน่ๆรบกวนจิตใจเราแน่ๆเราตั้งเป้าไว้เลยคทีนี้มันมีเป้าเลยไปอีกนิดนึงคือเรายอมรับ ตามจริงได้แล้วว่าเท้าว่ามือเนี่ยมันเกรงอยู่หรือเปล่าก็ให้มาพัฒนาต่อเป็นความสามารถในการยอมรับตามจริงว่าไอ้นี่อารมณ์นี้มันไร้แก่นสารหรือเปล่าของเรามันมีอารมณ์ขัดแย้งอยู่เยอะนะเ ร, เราจะมันมันมักจะมาในรูปของแบบผิดหรือถูกอะไรแบบนี้รู้สึกไหมว่าเฮ้ยไอ้นี่มันผิดนะไอ้นี่มันถูกนะไอ้นี่มัน อย่างนั้นไอ้นี่มันอย่างนี้แล้วเสร็จแล้วพอมันหลงไปบางทีบางทีของเรามันมันมันมีอารมณ์ตามใจตัวเองอยู่อ่ะแล้วมันชนะเรื่องผิดเรื่องถูกอะไรเงี้ยค่ะจะกลัวจะไม่กลัวอะไรก็แล้วแต่บางทีมันมันทําไปอพอทําไปแล้วมันก็มานั่งกังวลไม่เลิกว่าเดี๋ยวจะต้องได้ผลยังไงเดี๋ยวจะต้องอะไรมันเป็นอย่างนั้นอยู่หรือเปล่าคเออนั่นแหละ ถ้าถ้าเรารู้ตัวนะว่ามันมีอารมณ์แบบนี้อยู่บ่อยๆเราก็สังเกตในระหว่างนั่งสมาธิอย่างนี้ว่าเนี่ยคือกังวลไปก่อนเหตุกลัวไปก่อนเหตุมันจะเกิดผลแค่ไหนอะไรยังไงเนี่ยคือในที่สุดแล้วมันเป็นนรกทางความคิดแน่ๆนะคือคือเกิดความความรุ่นร้อนเกิด ค, ความกังวลอะไรแล้วเราก็ มาทำให้มันเย็นลงได้ด้วยการเห็นตามจริงนั่นแหละว่ามันเกิดขึ้นได้มันก็หายไปได้เพียงด้วยการยอมรับสภาพตามจริงนั่นแหละนะค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารยร์รบกวนขอบคุณพี่ตุล อ, อีกเรื่องนึงก็คือว่าพ่อเอิหนูได้ฟังซีดีแล้วพูดเกี่ยวกับการจัดการเรื่องโทสะค่ะคจริงก็เป็นคนมีโทสะเหมือนกันแล้วพอใช้วิธีอย่างที่พี่ตุนบอกคือเมื่อไหร่ก็ตามกลับมารู้ตัวว่าโทสะเรากลายเป็นยังไงแล้วเรา จิตตอนนั้นเป็นยังไงมันหายลงไปลดลงไปเยอะมากจนแทบจะไม่เหลือเราตอนนี้ก็คือดีขึ้นเยอะในเรื่องโทสะต้องขอบคุณมากเลยค่ะยินดีด้วยนะ <c oughs> อ่าสัๆเนาะคือเคยรักษาแคยไปททีุ่ณอันนึ่งแล้วก็ที่คุ้นั่นระาณแ้วก็อ่าบ้านติลเลตินั่นแต่วันรุ่งขึ้นเนี่ยไม่ได้นั่ะ วนถัไปก็เท่านั้นก็ไม่ได้อีกยพยายามจะไปโลดษีมาฟังว่าต้อทงไงอี่้ก็ไม่ได้ก็เลยรู้ว่ามันที่ไม่ได้บางทีมันไม่ใช่เพราะว่าเราทำไม่ได้แต่บางครั้งเนี่ยความคิดเราไม่ได้ทำ ม, มันมันเหมือนกับ เ, เราพยายามอยู่กับความพยายามบังคับตัวเองมากเกินไป ยกตัวอย่างนะอย่างเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้นั่งอยู่ด้วยรป่าตอนตอนตอน้นอ่านน้องน้องลองทบทวนนะคืออาการทางใจของเราเนี่ยมันเป็นคนเหมือนกับจะเอาอย่างใจให้ได้อย่างรุนแรงคือถ้าอยากได้อะไรเนี่ยมันมันจะมีอาการหมกมุ่นมันจะมีความคุ้นคิดถึงสิ่งที่เราอยากได้แน่นหนา เข้าใจใช่คือยึดยึดแรงในสิ่งที่เราอยากได้อย่างอย่างตอนที่จะทำสมาธิเนี่ยสมมติว่าเราโอเคเราพยายามจ ะ, ะมาผ่อนคลายตามที่พี่ว่าเนี่ยเริ่มเริ่มจากอานเนียยงลองทาไปเลยก็ได้เริ่มเริ่มมาเราแค่สังเกตว่าเท้าเรามัน ทำเรามันผ่อนคลายอยู่หรือเปล่าโอเคตอนนี้มันผ่อนคลายแต่ดูอารมณ์ทางความคิดของเรานะในขณะ น, นี้เห็นไหมมันเพ่งแน่นเลยเนี่ยตัวนี้แหละที่พี่บอกว่ามันยึดแน่นอ่าทีนี้พอพอเห็นอาการยึดแน่นเนี่ยมันคลายลงนิดนึงเราเรารู้สึกสบายหัวขึ้นมากว่าเมื่อกี้นิดนึงตอนนี้ยังอึดอัดอยู่นิดนึงนะคืออ่าลองหายใจลองหายใจเข้าสบายๆอ่าแล้วสังเกตถึงความสดชื่นที่มันเกิดขึ้นเนี่ย แล้วสังเกตอีกทีหนึ่งว่าอาการยึดในหัวมันมันคลายออกไหมเนี่ยตอนนี้มันยังมันยังยึดอยู่นะแต่ว่าน้อยลงอ่าเนี่ยตอนตอนเนี้ยมันน้อยลงอีกอ่ลืมตานะรู้สึกไหมรู้สึกตอนแรกเนี่ยมันยึดมันยึดแน่นแต่ตอนที่พี่บอกว่าน้อยลงเนี่ยมันคลายออกนิดหนึ่งรู้สึกถึงอาการคลายไหม รู้สึกสบายขึ้นไหมนั่นเนีะตัวสบายขึ้นเนี่ยคือเดิมเนี่ยความคิดของเราเนี่ยมันยึดอย่างนี้และที่เรารู้สึกสบายขึ้นเนี่ยเพราะมันคลายออกนิดหนึง่งนี้อาการพยายามของเราเนี่ยคือมันจะพยายามคลายให้ได้ที่ผ่านมาเราคุ้นกับไอ้ความยึดแน่นหนามาตลอดแต่พอมันคลายออกมันรู้สึกสบายขึ้นมันรู้สึกเหมือนกับมีความสุขมากขึ้นนิดหนึ่ง มันยังไม่แตกต่างเท่าไหร่แต่ถ้าเราลองสังเกต ด, ดูอย่างนี้นะอ ย, อย่างที่พี่ว่าเนี่ยขึ้นต้นมาป่าเท้าคลายแล้วป่ามือคลายแล้วแล้วในหัวของเราเนี่ยมันคลายออกหรือเปล่ามันยังรู้สึกว่าอ่าเนี่ยที่มันไม่รู้สึกคลายออกเนี่ยแต่แต่ตอนยิ้มเ่ยเห็นไหมมันคลายออกนิดนึงลักษณะที่มันคลายออกนิดนึงเนี่ยน้องต้องสังเกตโดยอาศัยลมหายใจเป็นเครื่องช่วย ถ้าเราหายใจเข้าหายใจออกแล้วเรายังรู้สึกแน่นๆอยู่อันนั้นแหละให้บอกตัวเองว่ามัน ย, ยังยึดมากมันยังมีความเหนียวแน่นแต่เนี่ยตอนเนี้ยพอพอเราถอนใจออกมาเฮือกหนึง่งเรารู้สึกเหมือนผ่อนคลายออกมานิดนึงแค่จุดสังเกตเล็กๆน้อยๆยระหว่างยึดมากกับคลายออกนิดนึงน้องต้องสังเกตให้ได้แลนะสังเกตในแต่ละลมหายใจว่ามันต่างกันไปเรื่อยๆยังไง เนี่ยตอนนี้มันกลับมาคือคือมันเหมือนกลับมารู้สึกอึดอัดน้องก็ยอมรับไปแลคือใช้วิธีนี้นะเอาใช้วิธีนี้เลยสํารวจขึ้นมาเรื่อยๆท้าวมือแล้วก็ในหัวว่ามันอึดอัดแค่ไหนหายใจทีหนึง่งกลับไปสํารวจเท้าอีกทีหนึง่งแล้วก็ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆคือพูดง่ายๆว่าเราจะไม่ดูลมหายใจ แต่จะอาศัยลมหายใจแต่ละครั้งเนี่ยเป็นเครื่องนับว่าเนี่ยสํารวจครั้งหนึ่งนะว่ามันแน่นอยู่หรือเปล่าแล้วก็กลับไปรู้ที่ฝ่าเท้าฝ่ามือไล่ขึ้นมาใหม่อันเนี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเริ่มเก็ตละคือเห็นไหมไอตัวไอตัวคาดหวังเนะี่ยไอตัวคิดว่าเราจะต้องผ่อนคลายให้ได้มันหายไปมันมันมาแทนที่ด้วยอาการสํารวจตามจริง ตอนนี้เริ่มไม่สำรวจแล้วคือตอนนี้เราเริ่มคาดหวังแล้วเห็นไหมความคาดหวังเหนือเงยหน้าคุยขึ้นกับพี่เห็นไหมมันมีความคาดหวังว่าเราจะคลายให้ได้ต่อไปต่อไปเราเราเทําความรู้สึกเนี่ยคอตั้งหลังตรงนิดนึงอย่าก้มหน้านะเพราะก้มหน้าเนี่ยมันจะเข้ากับนิสัยเดิมของเราทางความคิดนิสัยทางความคิดที่มันจะไปยึดคือยึดโดยไม่รู้ตัว แล้วเราจะเคยชินกับมันไงจนกระทั่งเรามองไม่ออกว่าอย่างนี้เขาเรียกว่ายึดมากยึดแน่นแต่อย่างตอนที่เรารู้สึกสบายขึ้นเนี่ยอันนั้นคือตัวอย่างของอาการที่มันเริ่มคลายออกนี่ถ้าเราไปพยายามดูลมหายใจเนี่ยมันก็จะมีอาการยึดยึ ด, ย, ดยึดอย่างนี้โดยที่เราไม่รู้ตัวแต่ถ้าไล่สํารวจขึ้นมาทีละครั้งนะหนึ่งลมหายใจสํารวจครั้งหนึ่งเท้ามือแล้วก็ใบหน้านะจนกระทั่ง เราลืมไปว่าเราจะดูลมหายใจแต่มันมีอาการระลึกถึงความเป็นจริงเกี่ยวกับภาวะทางกายนะแล้วเสร็จแล้วค่อยมาดูภาวะทางใจถามตัวเองง่ายๆว่าแต่ละรอบเนี่ยมันสบายขึ้นหรือว่ามันยังเท่าเดิมเสร็จแล้วพอเห็นความแตกต่างไปในแต่ละรอบมันจะรู้สึกมีกำลังใจมากขึ้นมากขึ้นทุกทีเนี่ยตอนนี้คลาย อย่างตอนนี้คลายรู้สึกไหมว่ามันสบายขึ้นที่ไม่เป็นไร <c oughs> คือคืออย่าใจร้อนนะเราเราค่อยๆดูตั้งตั้งสเปคไว้เลยว่าจะดูไปเป็นร้อยครั้งพันครั้งแล้วไม่คาดหวังอะไรทั้งสิ้นตรงที่น้องไม่เข้าใจว่ามันสบายหรือแตกต่างอะไรยังไงเนี่ยเป็นเพราะว่ามันต่างกันแค่นิดเดียวมันมันคลายออกแค่นิดเดียวนะ แต่เมื่อไรที่เรารู้สึกต่างไปมากๆเนี่ยจากอาการที่เราไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่การรู้สึกเออมันอยู่ๆมันโล่งขึ้นมาสักลมหายใจหนึ่งตรงนั้นแหละที่เราจะเริ่มเข้าใจว่าอาการยึดของใจเนี่ยมันมันเริ่มคลายออกแล้วด้วยด้วยปรากฏกา ร, ยาร์ยังไงนะตอนเนี้มันยังไม่เข้าใจไม่เป็นไดน้องลองไปเอาตามที่พี่ว่าเนี่ยแล้วก็ใจเย็นนิดนึงนะ รู้จักนนค่ะแล้วก็คิดว่าต้องเป็นคนคนนั้นอ่ะ้ก็ยังไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าเป็นทางต่อแล้วก็มีเสียงออกมาแล้วหนก็ฟังแล้วยึดติดแล้วนตอบตกลงเอาไว้ในค่ะซึ่งหนูก็ไม่ทราบว่ามันเป็นคจริงหรือเปล่าว่ายังไงอ่าวิธีที่จะดูว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงเนี่ยนะ อย่าไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกมากเด็ดูไว้สิ่งที่เกิดขึ้นภายในว่า เ, เราสับสนอยู่หรือเปล่าถ้าสับสนอยู่เนี่ยมันไม่จริงล้เข้าใจไหมณนะเวลาที่สับสนเนี่ยคือเวลาที่ธรรมชาติใน <c oughs> ทางจิตของเราเนี่ยมันแสดงให้เรารู้ว่าไม่จริงนะมองเป็นอย่างนั้นก็นแล้วกันพูดง่ายๆเราเข้ามาดูที่ใจของตัวเอง ถ้าใจมันไม่ได้คิดอะไรมันมีความแน่วแน่ไปอันนั้นนะเรียกว่าจริงจริงทางใจไม่ใช่ข้างนอกนะจริงที่นี่แต่ถ้ายังสับสนอยู่แสดงว่าไม่จริงเรื่อง่้นใหญ่ในเน็ตเนี่ยมันเรื่องคิดเอาเองทั้งนั้นแหละยกเว้นแต่ว่ามีการเปิดเผยตัว ต, วตนรู้จักกันข้างนอกอยู่แล้วเนี่ย แล้วคุยกันตามปกติเหมือนกับเป็นเครื่องมือสื่อสารชนิดหนึ่งแต่ถ้าหากว่ามันเป็นเครื่องก่อจินตนาการส่วนใหญ่มันจะเป็นเท็จ9ก้าในสิเรื่องอะถ้าอินเทอร์เน็ตมันเป็นเครื่องมือสื่อสารระหว่างคนรู้จักกันอยู่แล้วอันนั้นจะเป็นเรื่องจริงทุกคำหรือเข้าใจผิดก็ยังสามารถที่จะแก้กันได้แต่ถ้าอินเทอร์เน็ตคือจุดเริ่มต้นของจินตนาการโดยไม่รู้จักกันมาก่อนเลย9ในสิบเรื่อง คือเรื่องเท็จเพราะจินตนาการเนี่ย ม, มันมักจะสวนทางกับความจริงรอาการปักใจเชื่อนี้จะเป็นบทเรียนสมมติว่ามันถูกก็ให้มองว่านั่นน่โอกาสหนึ่งในร้อยหนึ่งในล้านแต่ถ้ามันผิดก็ให้เป็นบทเรียนว่าเนี่ยตัวเนียตัวอย่างสอนว่าการที่เราเชื่อ อารมณ์มันเกิดจากกินนาการมันเป็นการด่วนเชื่อโดยไม่มีอะไรรองรับทุกคนผ่านกันมาหมดแล้วแหละนะคือถ้ามันใช่จริงๆมันก็เป็นหนึ่งในสิ1หนึ่งในร้อยหรือหนึ่งในล้านแต่เราก็ไม่มีพิสูจน์ไม่มีวิธีพิสูจน์อะไร นอกจากจะรอดูไม่ใช่เอาแต่สับสนแล้วก็หมกมุ่นรุ่นคิดอยู่ทั้งวันไอ้ที่เราหมกมุ่นลุ่นคิดอยู่ทั้งวันด้วยอาการสับสนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอาการของฝันลมๆแรงๆคือมันไม่ได้ยืนพื้นอยู่บนความจริงอะไรเลยในความบังเอิญจุดเดียวเนี่ยไม่ได้สามารถพิสูจน์ความจริงทั้งหมดบังเอิญจุดเดียวกับความจริงทั้งหมดมันน้ำหนักต่างกันนะ บังเอิญตรงเนี่ยมันต้องการไอ้คำยืนยันที่หนักแน่นกว่าความบังเอิญมันต้องการของจริงที่ไม่บังเอิญด้ว ย, อยพอวนเวียนอยู่อย่างนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่ให้มองเป็นอาการทางใจว่าใจ เ, เราเริ่มสับสนแล้ว เริ่มตกอยู่ในวงวนของความฝันและคือพอบอกตัวเองอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะได้รู้สึกเข้ามาข้างในว่าเนี่ยวนเวียนวนเวียนสับสนสับสนแล้วมันก็จะได้เห็นเนี่ยเห็นไหมมันมันนิ่งขึ้นมันนิ่งขึ้นกว่าเดิมเนี่ยตัวนี้มันกลับสงสัยขึ้นมาเพราะอยู่ๆมันก็เค้นขึ้นมาเฉยๆเค้นคิดเห็นอาการเค้นคิดไหมมันเค้นขึ้นมานิดนึงนั่นแหละมันเค้นขึ้นมานิดนึง มันก็ต้องมาดูเป็นขณะขณะไงถึงต้องฝึกว่าจะรู้ลมหายใจเป็นขณะขณะเราจะได้ดูไงว่าลมหายใจนี้รู้สึกอย่างนี้อีกลมหายใจหนึ่งรู้สึกอีกอย่างหนึ่งเปรียบเทียบได้ว่ามันต่างไปไหมไม่งั้นเนี่ยมันก็จะลอยไปกับความสับสนอยู่เรื่อยๆไม่มีที่ริ้นสุดนะ อ, ะอันนั้นเป็นเรื่องของวจีกรรมที่มันเกิดขึ้นจากความเผลอไผลอไง ถ้าหากว่าเราอาศัยเป็นบทเรียนว่าต่อไปอย่าตอบอะไรไปตามอารมณ์มันก็จะกลายเป็นสิ่งที่มีค่ามีประโยชน์แล้วคือจะทำไงต่อไปคือนต้องเป็นอย่างนี้อยู่ทุกวันหรือว่าไม่เศ้าหนูบอกไปแล้ว ลอง <c oughs> ลองไปฝึกสมาธิแบบที่พี่ว่าดูนะตั้งแต่ตอนต้นเนะี่ยเราค่อยๆเราค่อยๆดูเข้ามาว่าอารมณ์เนี่ยมันย้อนกลับมาวกวนได้เรื่อยๆแต่เราก็สามารถจะรู้ทันมันได้เรื่อยๆเหมือนกันนะโอเคจ้ะครับโอเคครับอย่างนั้นวันนี้ขอบคุณมากนะทุกคนโอเคครับสวัสดีครับ